จะดีทาให้ราู้เสีวยวได้ไวและตื่นด่วนใช่ไหมแล้วคนส่วนใหญ่รับได้ไหมคนส่วนใหญ่เห็นด้ไหมทั้ <c oughs> <c oughs> งที่บอกว่ายิ่งทุกยิ่งดีนะเราจะได้มีพลังในการที่จะเหมือนหุงข้าวไฟ ย, ยิ่งแรงยิ่งดีนะมันจะทําให้สูงไวเราเราบอกอไฟไอ้เวลามาเปิดไขหันยิ่งร้อนยิ่งไม่ดีเพราะอะไรแต่ว่าที่มันมีปัญหาคือมันเกินใช่ไหมไม่สามารถประมาณคำดุนะอย่างสมหุงข้าวแล้วไฟเกินอะไรองเงี้ ไม่ไมเยอะแต่ในกรณีที่ว่าอยู่ที่น้ําที่ข้าวด้วยกรณีน้ําน้อยข้าวน้อยถ้าไฟแรง<ม>ใช่ไหมหรือทั้งที่น้ํามากข้าวมากถ้าไฟอ่อนก็ไม่ได้ไฟต้องแรงกว่าข้าน้อยน้ําน้อยเพราะนะั้นไอตัวเงื่อนไขแลาเนี้ยจะเป็นตัวกับทีนี้บางคนเนะี่ยยิ่งร้อนยิ่งดีเพราะคนที่มีพลังร้อนอยู่แล้วเนี่ยแต่คนมีพลังเย็นในตัวยิ่งร้อนยิ่งปไปอ้าวไม่ชอบนั่นก็ขึ้นอยู่เงือ่อนไขเขาเรียก ว, ว่า อินทรีย์กำลังอินทรีย์ไม่เท่ากันบุนคคลที่มีความชอบความร้อนอย่แล้วก็ยิ่งปฏิบัติยิ่งร้อนก็ยิ่งรู้สึกได้อารมณ์ดีนะแต่บางคนที่ไม่ชอบก้อนอย่แล้วยิ่งปฏิบัติก็รู้วิ่งโอ้บรรทุกทรมานมากๆเลยใช่ไม้มอันนี้คือเงื่อนไขาทางอินทีย์ของแต่และคนไม่เหมือนกันและอีกอย่างหนึ่งตามความเป็นจริงก็คือว่าถ้าเราเปรียบอบายภูมิเป็นสภาพร้อนแล้วก็สุคติภูมิเป็นสภาพเย็น ที่ปรับได้สภาพเย็นนะฮะเอาแล้วก็ในอริยภูมิเป็นสภาพทั้งร้อนทั้งเย็นที่ปรับได้ตามต้องการเข้าใจไหมสภาพทุกขติภูมิทั้งอบิยภูมิเนี่ยเป็นสภาพร้อนที่ปรับยากสุขติภูมิคือภาวะที่เป็นอิอนภูมิเทวดาเป็นภาวะที่เย็นที่ปรับยากแต่พอมาอาริยภูมิมันมีทั้งร้อนทั้งเย็นที่ปรับได้ตามต้องการ เขาใหญ่ไหมนั่นะเพราะฉะนั้นทําไมถึงว่าบรรยากาศร้อนก็จะได้ไม่จะว่าเป็นอุปสรรคโดยตรงต่อการภาวนาก็ไม่ใช่อากาศเย็นจะเป็นคุณต่อการภาวนาก็ไม่ใช่ทั้งร้อนและทั้งเย็นขึ้นอยู่เงื่อนไขว่าเราปลอบเป็นไหมถ้าปลับเป็นมันก็จะพอดีใช่ไหมบางครั้งเราบอกเออร้อนพอดีบางครั้งเราก็บอกเออเย็ยนพอดีใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ร้อนไม่ดีนะ่ะร้อนพอดีเย็นพอดีแล้วมันถึงจะดี ลักษณะนี่นคืออุณหภูมิคือร้อนพอดีเล้เย็นพอดีเพราะนั่นถึงจะบรมไม่สุขนะวิพานังประมังสุขังอะ่ะใช่ไหมวิพานเป็นบรมไม่สุขหมายความว่าเรายุ่งจบับร้อนพอดีปรับไปร้อนพอดีอากาศนหนาวเนี่ยได้ร้อนรู้สึกอุ่นพอดีใช่ไหมอากาศตอนร้อนอะไรเย็นเย็นพอดีไม่ใช่เย็นเกินไปนะเย็นพอดีอันนี้เงื่อนไขาทางลูกปธรรมเราเข้าใจได้นะแล้วก็เห็นลายผู้ที่ เป็นอายุูมิสัตว์ครับสุกติภูมิสัตว์จึงไปได้นิพานได้ยากเพราะมันไม่พอดีสุกติภูมิก็สุดตรงใช่ไหมทุกติภูมก็สุดตรงถ้าเปรับพอดีมัชฌิมาปฏิบารยร้อนพอดีแล้ก็เย็นพอดีนั่นเองจิตแล้วก็เหมือนกันถ้าไปสู่ในฟ้าที่ทุกข์กันไปมันก็กรอบก็เกลี่ยมก็ไม ห, el, หมหอเหี่ยวหดหู แห้งแรงทุกทรามานก็ไม่สามารถที่จะไปสัมผัสสภาวะที่พอดีได้คนเย็นจนกระทั่งว่าบีบคั้นแบบยุโรปในสมัยหน้าวินเทอร์นะแต่ทุกอย่างก็หดหูเศร้าหมองนะหมกมุ่นอยู่ในแต่ ใ, ในบ้านก็เกิดภาวะตึงเครียดเป็นภาวะาเจ็บโกรธภาวะชึมเศร้า อ, อะไรขึ้นมาก็ไม่สามารถจะพอดีได้ดังนั้นเอง นื่นไคในพุทธศาสนาทั้งที่รูปธรรมนามธรรมาก็เป็นลักษณะเดียวกันเราต้องการไปอธิภูมิเพราะสามารถปรับทั้งร้อนทั้งเย็นให้พอดีได้นะแต่รวมแล้วคนส่วนใหญ่ก็คือร้อนทำไมเวลาเราชอบเย็นทำไมพวกยุโรปเวลาหน้าหนาวมาเขาจึงหนีมาที่นี่ใช่เชื่อมาอาบแดดที่นี่แต่เราหน้าร้อนที่นี่เราหนีไปยุโรปเมกกาไปอาบอากาศเย็นที่นูน่นะเพราะไม่รู้จะปรับนะ มีทีืประเด็นที่เราค้างไว้แต่เช้าซึ่งลักษณะการเห็นความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติภายนอกกับธรรมชาติภายในคนจะมีลักษณะธรม ร, ธรมทัศน์ังหรณและธรรมทัศนะดังนั้นเองเอามาก็สังเกตว่าคนไหนที่รายงานได้ละเอียดถี่ถ้วนหมายควาคนนั้นได้ดูตัวเองได้มากกว่าและดูเชิงชำ น, นิชำนาญถึงสามารถแยกแยะอะไรได้ทุกแง่ทุกมุมแต่บางคนพูดสาคำเจ็ดคำหมดแล้วไม่มีอะไรจะพูดต่อ เพราะในภาพปฏิบัติเองก็าดูไม่ละเอียดจึงไม่สามารถจะบอกอะไรได้มันมันมันก็มองถึงสภาพในการสังเกตเวทนาเวทนามีเท่ากันทุกคนนะแต่ขึ้นอยู่ว่าการสังเกตซึ่งเมื่อก่อนมาก็เป็นคนเขาเรียก่าอะไรจับจุดสเข้าซุ่มซ่ามเหมือนเรื่องคนทั่วไปนี่แหละแต่พอหลังจากได้มาสัมผัสธรรมะแล้วมันเริ่มเห็นความทุกข์อันเกิดจากความจับจุดเท่าร้อนซุ่มซ่ามบุญวายเราไอ้สเข้าของเราอ่ะ ว่าเหมือนกันเราตกนรกแต่หลังจากที่มาสัมผัสธรรมะอันละเอียดอ่อนและเย็นแล้วเนี่ยมันเริ่มเห็นโทษอ่ะอ๋ออันนี้เองที่เขาเรียกว่าอบญภูมิคือภาวะที่เราไม่สบายภาวะที่ยากกิที่ยากพอเรามาเห็นว่าสุขติภูมอ๋อเราก็ไปเสพเพราะไปเสพสบายปพราเป็นสุขติภูมิเป็นภาวะที่เป็นเทวดาอินภุมแต่ถ้าเราไม่เสพทั้งสองอย่างราเก็ไม่เสพ เย็นก็ไม่เสียแต่ปรับให้พอดีที่ธาตุขันธ์อินทรีย์อยู่ได้ก็พอใจละวตอนนี้เป็นอาริยภูมิทันทีเลยมันก็เริ่มศึกษาทั้งสองส่วนสุดตรงทั้งฝ่ายสุขและสุดตรงฝ่ายทุกข์แล้ววางจิตในพอดีได้ตรงนี้เองก็เป็นภาพเอื้อให้เกิดปัญญาที่เปโลกุตระปัญญานะเพราะโลกีย์ปัญญานี่เพื่อต้องการหนีในส่วนที่ไม่ต้องการได้เสพในสิ่งที่ต้องการใช่ไหมนี่โลกีย์ปัญญาแต่ ในส่วนโลกุตระไม่หนีแล้วก็ไม่เสบแต่ปรับทั้งสองด้านให้เท่ากันเป็นโลกุตรปัญญาตรงนั้นเลนีดเดียวแคนี้เองใช่ ไ, ง ไ, งไหมเออเพราะฉะนั้นนนี้คือยิ่งเป็นรูปธรรมที่มองได้ไม่ยากเลยแต่ทําไมเราจึงไม่ชัดเจนในเรื่องนี้แต่เพราะว่าเรายังไม่ได้ดูตัวเองทีท่อ่าต่ลังมามาก็มาย้อนนิสัยตัวเองได้ได้สักได้ได้อะไรได้ต็มที่มากเลยอะนะบางวที่ไม่รีบๆก็อยู่เฉยๆเลยนะย้อนใหม่ แกงเดินช้าๆดูทแกเดินช้าเป็นไหมดับเบิลเชคเนี check. ่ยแกทาอะไรร้อนๆแกเคยโกกลงเมื่อกี้หนแล้วนะแล้วจะทาแบบนั้นอีกเหรอลืมดับเบิลเชคตัวเองลืมสอนตัวเองเป็นละแล้วมันไปติดในรักในรูปในกลัวในหลงล้วก็เราเคยรักกกลัหลงเมื่อกี่ปีกี่ชาตแล้วแกยังไม่คิดเหรอใช่ไหมมันก็เลยดับเบิลเชคตัวเองเป็นระยะระยะอ่า เพราะฉะน น, น, นี้ก็คือเป็นประเด็นที่เราต้องศึกษาไม่ใช่มันจะเป็นไปเองนะการเฝ้าดูตัวเองได้ละเอียดมากเท่าไหร่มันจะเห็นรูปธรรมข้างนอกมากเท่านั้นอืแล้วจะประเด็นไหนมาได้ก็เรียกว่าลากไปทุกแง่ทุกมุมเลยว่าไม่โยนนังกันหมด <c oughs> เรียกปฏิเจสุบาทิความสัมพันธ์เขาเหตุปัจจัยอิทัิปฏิย า, ยาเพราะมีสิ่งนี้สิ่งนี้จึงมีไปนู่นเลยนะดังนั้นไมาจึงไม่สงสัยในเรื่องของพุทธธรรมพระสงค์เพราะความ คิดและสิปัญญาแนี้มันออยู่ในวิสัยของพระพุทธเจ้าการตต่สรุปของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะเป็นไปได้ใช่ไหมนักปราชญ์ศาสตาจารย์ที่อยู่มาก่อนพระพุทธเจ้านักสแสวงหาที่อยู่มาก่อนพระพุทธเจ้าก็ไม่สามารถที่จะมาชี้แจงเรื่องนี้ให้แจ่ม แ, แจ้งได้อันนี้เราก็เชื่อในการตต่สรุปของพระพุทธเจ้าอย่างไม่สงสัยเหมือนเดิมเอาละตอนเช้าเราค้างอยู่อ่า ค้างอยู่เอาเอาพระนะวันนี้เลยบอกแม่โคลเนะี่ยถ้าหลวงพ่อเละไปถึงไหนหลวงพ่อแค่ตีละครเลยนะเธยเธอเพิ่งตีละครังนะอาจจะไปถึงเที่ยงก็ได้นะถ้าไม่เสร็จอเดี๋ยวมเมื่อเละหลวงพ่องานไม่เสร็จนะวะอ่า น, น่าก็จะละฟังท่านเอว่าท่านปฏิบัติมาสามสี่ปีเนี่ยท่านมีอะไรก้าวหน้าไปกว่าเราท่านรู้อะไรละเอียดมากกว่าเราแค่ไหนนะแล้วก็ฟังท่านก่อน ขอถวายความเคารพหลวงพ่อนะครับขอถวายความเคารพกุฎราชส่งนะครับจริตเปนพรญาติโยมทุกท่านนะครับอาตมาพระเอฟนะครับพระเคียงศักดิ์มาจากวัดดอยนะครับก็บวชมาภาษานี้สี่พรรษาแล้วนะครับก็อ่าเหมือนนานนะครับแต่ว่าความจริงก็ไม่นานเท่าไหร่นะครับก็ยังไม่ได้เก่งก็ญาติโยมไปสักเท่าไหร่หรอกนะครับจาก อ่าเพราะว่าเร่องแบบนี้มันเป็นเรื่องที่คนอ่าคนตั้งใจที่จะมาศึกษ า, าจริงแต่แต่มาเองหีืผมเองเนี่ยคือควรือะไรยังเด็กอยู่เนาะก็ยังไม่เข้าใจทุกอะไรมากหรอกแต่ว่าเราก็สนใจเรื่องนี้อยู่นะครับสนใจในสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับตัวเองนะครับมาศึกษาอ่าเรื่องในกายในแจขงตัวเองถ้า ถ้าถ้าสมาไม่ได้ศึกษาเรื่องนี้ไม่ได้มาเจอหลวงพ่อนี่ ก, ก็คงจ ะ, จะอยู่ไม่ได้นานขนาดนี้นะครับก็พยายามอตามดูตัวเองอย่างที่ท่านสอนนั่นแหละคือที่จับจ่ายได้คืออ่าตัวเราเองเนี่ยพยายามต้องมักตัวให้ตื่นตัวตลอดเวลานะครับทํางไงก็ได้ให้ตัวเองเนี่ยไม่เสื่องซึมไม่ง่วงเหงาไม่เพลินไม่เหมื่อนะครับทําหาอะไรทําก็ได้นี่แหละหลักเบื้องต้นนะครับแล้วก็ข้อสองนี้คือ พยายามากลับมาศึกษาอิยาบทภายนอกภายในตัวเองทั้งกิริยาท่าทางเยร้อนอ่อนแข็งตรงไหนก็ได้ที่เราสัมผัสได้นะครับแล้วก็ภายในความคิดความนึกอารมณ์ที่เป็นอยู่เป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้คิดอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพื่อความชมนานาญในการนี่แหละครับก็คือการมาดูอิรลีบทต่างๆของเราเองนะครับแล้วก็ข้อสามก็คือพยายาม ภายในของเราเนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยทั้งเย็นเกินไปร้อนเกินไปหนาวเหนื่อยเมื่อยล้าอะไรต่างหรือว่าอารมณ์ที่มันไม่ดีเนี่ยพยายามปรับให้มันกลับมาเข้าสู่สิ่งที่มนเป็นปกติก็คือโดยวิธีการต่างๆอย่างเช่นเดินโยกบ๊วยังวะดูระยะบทหรือว่าแม้แต่ว่าาการสิ่งภายนอกเนี่ยที่เราเห็นเนี่ย เพไม่ให้เราเนี่ยสุดโต่งเกินไปมีเป็นต้นนะครับผมเองก็ทําอยู่างนี้ตลอดเวลานะครับอย่างมาเข้าคอร์สครั้งนี้ก็ก็ถือซะว่าพูดง่ายตัวเองมาพักผ่อนนะผมไม่ได้เมื่อก่อนในผมจะเลี่งเครียดกับการเข้าคอร์สหรือว่าเราจะคิดกังนวลว่ามันต้องอะไรเยอะแยะมากเลยทําให้ตัวเองเนี่ยเกร็งนะครับไม่เป็นอิสระไม่เป็นตัวของตัวเองแต่พอมาอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็พยายามปรับในสิ่งที่มันเป็นธรรมชาติของตัวเองนะครับอ่า มีหลายวิธีการ อ, อย่างเช่น อ, อย่างลบกตุย่ยาก็ใหญ่ๆก็การเดินกรมเชิงหวะแต่ว่าอายาบทย่อยของเราในสําคัญนะครับในคีของเราเป็นอยู่ในการตื่นการนอนการกินทุกอย่างค่อยๆปรับเปลี่ยนไปนะครับนอกจากอายาบทที่เรามาศึกษาเรื่องนี้แล้วอยายะบทอยายะบทย่อยต่างๆที่เราใช้ชีวิตเนี่ยก็สําคัญนะครับการเดินไปแต่ละก้าวไปเรี่นันที่นี่เนี่ยตัวของเองเนี่ยจะจะพยายาม ที่จะทําทนอกรูปแบบมากกว่านะครับพวกการไปห้อคอสแตะครั้งเนี่ยเรามีหลวงพ่อเร า, เรามีกัลยาณมิตรเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยได้รับอยู่แล้วนะครับใช่ไหมเพราะมีคนจีงครับมีคนบอกมีคนคอยเตือนตลอดเวลาแต่พอเราออกไปข้างนอกไปใช้ชีวิตจริงเนี่ยนี่คือสิ่งที่เราต้องดูแลตัวเองแล้วทีเนี้ยนับตั้งแต่การเตื่นนอนมาการขบการฉันการเข้าห้องน้ําทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับชีวิตนั่นคือสิ่งที่เราต้องดูแลตัวเองนะครับ เพาะว่าจากที่สังเกตตัวเองมาเนี่ยเวลาไปกับหลวงพ่อหรือว่าไปเข้าคอร์สเนี่ยความเปลี่ยนตัวเนี่ยได้ทุกคนใช่ไหมครับใช่ไหมทุกคนได้แน่นอนความเปลี่ยนตัวเนี่ยออกจากคอร์สไปเนี่ยผมรับประกันเลยว่ามามาร้อยคนก็ได้ร้อยคนนะครับแต่ว่าความจริงเนี่ยคือเราจะพยุงเราจะประคองสิ่งเหล่าเนี้ยไปได้นานแค่ไหนนะครับเี่เราจะประคองสิ่งที่เรามาศึกษาหลังเจ็วันเนี่ยได้อย่างไรนะครับเราจะยอมแพ้ตัวเองไหมนะครับอย่างนี้เป็นต้น อย่างมาที่นี่ก็ศึกษานอกจากนี้แหลายเหมือนกันนะครับอย่างเช่นมาช่วงของสาวันแรกเนี่ยตอนเพียงเช้านะครับตีสามนี่มันก็ได้รู้ความรู้สึกอีกแบบหนึ่งนะครับเพราะเราเ่อพราเรามาตื่นตีสี่ลองลองดูซิอาจจะยินเสียงะระฆังแล้ ว, ลวเรายังนอนต่อมันจะได้ความรู้สึกอีกแบบห น, นึ่งเนี่ยมันมันเห็นชัดชัดนะครับมันทําให้เรารู้เลยว่าเออศีของพระอยาเจ้านี่คืออะไรคือคือเราจะจะให้คนอื่นตีเตียนหรือแม้แต่เราเนี่ยตีเตียงตัวเองไม่ได้เลยนะครับเพราะว่า ถ้าเราทำอะไรที่ไม่ดีเนี่ยความคุ้นคิดเล็กๆภายในเนี่ยมันมันจะทำให้เราเศร้าหมองไปได้ตลอดนะครับเนี่ย <S <S ก็พยายามดูไอ้สิ่งเหล่านี้ประกอบเพราะว่าก็กบวดมานานเนาะไอ้เรื่องยกมือนี่ก็พอเข้าใจพอรวบกวนว่าไราเห็นอะไรบ้างเห็นความคิดเห็นเวทนาของพวกนี้ก็ก็พยายามศึกษาตลอดแต่แต่ช่วงนี้ผมก็พยายามศึกษาละเอียดปีดย่อยออกไปในสิ่งที่ประกอบอะไรบ้างที่ ที่เราต้องศึกษาเองที่ทําให้เราต้องพัฒนาตัวเองขึ้นไปเนี่ยเนี่ยตั้งแต่การตื่นนอนการใช้ชีวิตเราเพลินเกินไปไหมอย่างที่หลวงพ่อท่านสอนเอ้ความเพลินคืออะไรบ้างเมื่อก่อนเราเล็กแต่ว่าล้างเส้ยงบะชั้นหมือ่นลอยชันหลับแต่ความเพลินที่ท่านบอกไม่ใช่อย่างนั้นนะครับตั้งแต่ตั้งแต่ตื่นนอนมาเลยยันนอนเลยถึงเวลานอนเราไม่นอนนั่นก็คือเพลินและใช่อ่าตื่นนอนเสียค้งเป้งเออตาลืมขึ้นมาตึง้งก็อีกหน่อยนึงหน้าห้าที นะแม่ตีสี่เราเงไม่ตื่นเลยครับเนี่ยมันก็เป็นการให้ให้อาหารให้อาหารกิเลสตัวเองทีนี้เราก็มาสู้กับกัแบบเกย์ทั้งวันอ่านั่งท่าจางหวะทั้งวันแต่ว่าตัวเองก็ยังให้อาหารเขาอยู่อ่ะยังเพลินยังยังใช้ชีวิตเดิมๆไม่เปลี่ยนนี้ก็เป็นมันเหมือนเหมือนการว่าเรามาทําอยู่แต่ว่าเราก็ไม่ละของเหล่านั้นออกมันก็ทําให้เราไปได้ยากเนี่ยผมก็พยายามมาสังเกตสิ่งเหล่านี้เรื่อยๆนะครับ เราคุยเกินไปไหมเราเราอเราทําอะไรต่างๆนานเกินไปหรือว่ารู้สึกเพลินเกินไปหรือเปล่านั่งเฉยๆเมื่อความคิดเข้ามาเนี่ยก็เริ่มก็ริ่มรู้แล้วว่ามันเริ่มมันเริ่มจะไม่ใช่ละเรานั่งอ่ะอยากเอ็นหลังอย่ากเอ็นผมเนี่ยเป็นปัญหามากกับการหลับครับเป็นมิบากกรรมของผมมากครับนั่งตอนไหนไม่ถึงห้าทีครับเกือบร้อยแล้ว บ, บางทีเราเราเห็นนะครับเราเดินอยู ก, ก้มอยู่เนี่ยเรารู้เลยว่าเราจะไปนั่งเนี่ย มันเห็นภาพบอกเลยว่าเราด้างปุ๊บเนี่ยเรายกมือไปกี่ทีเนี่ยมันจะหลับนะครับเราก็รู้นะครับแต่ว่าเอใช่มันเถอะมันมันอย่างเงี้ยมันมันคือมันให้มันให้โอกาสกับสิ่งที่เราจะมาต่อต้านจะมาฝึกนั่นแหละเหมือนว่าเราไม่ละเขาสัทีเราไปนั่งท่านี้สะพานฉันจะเอ็นหลังนะอ่าฉันจะด้างหลับตาแล้วมันก็จะหลับมันเห็นภาพอย่างเงี้ยมันเคยความเคยชินของเราแต่เราก็ไม่แก้นะครับนี่คือปัญหาที่เราไม่เตือนช้านะครับก็ค่อยาวจูดนะก็ขออันนี้ก็พยายามบอกตัวเองแต่ว่า คือในความเคยชินนะเนาะอย่างมาที่นี่อากาศร้อนนะครับแต่มันก็ไม่ร้อนทวัดดอยหรอกอเพราะฉะนั้นเห็นความแตกต่างอะไรผมไม่ให้ผมไม่เคยมีปัญหากับความร้อนนะครับอยู่ที่วัดดอยก็ไม่ใช้พัดลมมอะไรอยู่แล้วหรือคือเราจะพยายามใช้ชีวิตแบบธรรมชาติแต่ว่าก็ไม่ได้ต่อต้านไม่ได้ไม่ใช้จะมีเวลาก็ใช้แต่ว่าจะพยายามอยู่กับสิ่งที่มันเป็นมากกว่าแต่ปัญหาคือแสงนะครับผมแสงแดดแรงๆเนี่ยผมจะหลับตาทันทีนะครับตามันจะผ้ามันจะแสบข้างในเลย อพอรับตาปุ๊บครูบาอาจารย์ก็ไปเห็นทันทีนะครับไม่หลับหอกโอ้ยกนิ้ทั้งบันไม่เห็นนะครับพอหลับตาปุ๊บหนีมาทันทีแล้วไม่รู้ทําไมนะครัเป็นอย่างนั้นบ่อยๆแต่ก็ไม่เป็นไรก็ดีแล้วมีครูมาปุกมาเตือนนะครับและเกิหลายทีนะครับก็ในในส่วนที่อ่าปฏิบัติมาเนี่ยก็ก็ถือว่าอ่า สายเนี้ยเป็นสายที่ทําง่ายที่สุดแล้วนะครับจากที่ผมเองเนี่ยไม่เคยเขวัดเข้าว่าเลยไม่เคยรู้อยากพระโดยซ้ํานะครับก็มีโอกาสเข้ามาบวชก็ทําให้เราเห็นความแตกต่างเลยว่าอ่าชีวิตที่มันอยู่ข้างนอกกับข้างในเนี่ยมันมันแตกต่างกันอูเส้นเชิงนะครับอยู่ข้างในนี่เราสามารถอยู่ได้แบบไม่ต้องพึ่งพาอะไรมากอยู่แบบสงบเงียบของตัวเองอยู่ด้วยตัวเองได้นะไม่มีอะไรเป็นไม่มีเพื่อนไม่มีอ่าคนอยู่ใกล้แล้วก็ดูตัวเองไปอ่าดู เวทนาดูความรู้สึกดูความคิดอย่างนี้ผมคิดเข้ามาเอ๊ะมันเป็นความคิดดีไหมแล้วก็แงะมองเขาหน่อยเหมือนเรามองเพื่อนที่มาคุยกับเราเราไม่อยากคุยด้วยเราก็มองเขาแล้วเขาพอเราไม่คุยเขาก็ไปเองใช่ไหมครับแต่ถ้าเราเออไปสนทนาเขาปุ๊บเนี่ยเอายาวในเรื่องทั้งดีทั้งร้ายมาอบางทีทั้งวันนะครับแต่พอเราฝึกมาเรื่อยเนี่ยเออความคิดนี้ขึ้นมาโผล่ามาปุ๊บแล้วก็มองหน่อยก็อ่ะไม่ใช่เรื่องสําคัญอะไรนี้ แต่ถ้าเรื่องที่เราจําเป็นต้องทํางานอย่างนี้เรามีวางแผนบ้างก็ต้องใช้เวลานิดหนึ่งเพราะว่าเราก็ไม่ใช่ผู้เก่งอะไรต้องใช้เวลาติดตองอะไรนิดหน่อยก็ทําให้เราเนี่ยได้ใช้อ่า ะ, ะไรหลายๆอย่างของเรานะครับอย่างการใช้ชีวิตประจําวันเหมือนกันครับการเดินแต่ะก้าวเนี่ยอย่างถ้าผมเดินไปอย่างเงี้ยถ้ารองเท้าผมมีเสียงดังปึ๊กขึ้นมาเนี่ยผมก็อ่ะหยุดก่อนแสดงว่าเราเนี่ยเผลอละลเราก็เดินใหม่ไม่ให้มันมีเสียงเนี่ย การฝึกภายน้องผมก็คือพยายามทําอะไรทุกอย่างเนี่ยให้มันเงียบครับกินข้าวเนี่ยเสียงฟันกระทบกันนักเอียดเนี่ยแล้วก็ต้องหยุดก่อนต้องปรับก่อนเอ้มันเป็นเพราะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับคอยดูตัวเองเรื่อยๆสังเกตสิ่งเหล่านี้เรื่อยๆเรื่อ ย, ยหายอะไรให้มันเล่นบ่อยๆ ไ, ได้ไม่เครียดครับบางทีเราก็ไปเดินดูมุมนั้นมุมนี้บ้างเพื่อให้ตัวเองผ่อนคลายอย่างที่หลวงพ่อท่านบอกเมื่อก่อนเกงนะเขาเกง่งเขาบอกการปฏิบัติธรรมนี่ได้ยินทุกวันสติส ต, สติสติเนี่ยโอ้ <laughs> อไหล <laughs> นอสติ แต่พอเราอยู่ไปนานๆเนี่ยอ่ามันจะพุดขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆทำให้เราได้แก้ไขตัวเองไปเรื่อยๆนะครับอย่างอยู่ที่เนี่ยงานก็ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ถ้าไปเจอของจริงที่วัดดอยนี่มันคือผมจะชอบดูอย่างนั้นมากกว่านะครับกระทบอารมณ์ก็คือเอากระดาจ่าไปเลยตรงนั้นไปเลยคือถ้าคัานแก้ไม่ได้แค่ก็หงายหลังไปเลยเอออย่างเงี้ยทํางานใน ล, ละครเดินขึ้นเขาลงเขา อ, อย่างเงี้ยบางทีโอ้มีแต่บายแล้วเดินไกลมากเลยก็ทําให้ดูว่าตัวเองมันทอ้อยังไงมันเห็นอาการขึ้นการลง แต่พอเราลงไปจริงเนี่ยเราก็ค่อยปรับอ่เดินขึ้นเขามันสูงเหรอฉันก็เดินหาเยบบทเล่นอ่เดินซ้ายเดินขวาเดินหน้าถอยหลังขึ้นมาให้มันสนุกนะครับไม่ทําให้ตัวเองเนี่ยตึงเครียดเกินไปอ่ตรงไหนเครียดก็ปรับออกอะตรงนี้มันไม่ดีเหรอแล้วก็พยายามปรับใหม่มีเป็นต้นนะครับกลายตัวเองเนี่ยไม่ไม่ได้มีความกัวงวลข้างในมากเกินไปนะครับแต่ว่าก็ยอมแล้วว่าตอนนี้ความคิดก็เรื่องไรก็เยอะนะครับเคย ผมเห็นทุกคนที่อธิบายเนี่ยว่าโอ้ยร่วงป่วงบอสบายเนี่ยแต่ผมไม่นะครับผมคิดผมนี่มันก็มีมาตลอด น, นั่นแหล ะ, ะมาจะมีเรื่องดีเรื่องร้ายบ้างผมก็ยังสงสัยว่าร่องป่วงของทุกคนนี่คืออะไรใช่ไหมร่องป่วงขนาดนั้นเหลยทั้งวันผมเนี่ยมีครับมี ม, มีตลอดนะทั้งคิดดีคิดร้ายยิงช่วงนี้ครูบาอาจารย์แบบกระซอมกระส่ายอันนี้เราก็คือมันห้ามไม่ได้นะความคิดที่มันเข้ามาขนาดท่านยี่สิบษาสามสิบพษาท่านก็ยังเนาะพอลองเข้ามาเออเราก็ดูแต่เราก็ไม่เข้าไปกังวลหรอก เราค่อยปรับเปลี่ยนไปไอความคิดมันมีต้องมีของมันไปแต่เราเราทำหน้าที่เดินดูอ่าิทธิบทดูความขึ้นไหวดูสิ่งตา่างๆภายนอกเราก็ทําไปถึงแม้ว่ามันจะไม่หยุดแต่ว่าเราก็ยังไม่ชํานาญในการตัดออกเราก็ปล่อยเขาไปใม่ดูเขาไปร่วมเอ้ยมันเราต้องเป็นอย่างนั้นแน่เลยียเราเราไม่ต้องเข้าไปคิดเขาปล่อยเขาคิดไปเราก็ทําหน้าที่เดินไปก็ค่อยปรับเปลี่ยนอ่า อตัวเองดีกว่านะครับเดินานานไปรู้สึกว่ามันเพลินกับไอคิดตรงนี้แล้วเราก็มานั่งแต่เอานั่งใี้ไม่หายก่นแล้วก็เอาไปทำารื่องอื่นก่อนอย่เ น, นี้ยเป็นต้นนะครับถ้ามันสลัดยากนะครับแต่ว่าบางทีความคิดไหนที่มันไม่ทําคาญจริงพอเห็นปุ๊บมันก็หายไปพอเราไม่สนใจมันก็หายไปแต่ว่าความคิดไหนที่เราเคยคิดบ่อยๆคิดซ้ําๆเนี่ยมันมันจะสลัดยากนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นก็ไปจะพยายามไม่ไม่ไปยุ่งกับสิ่งที่มันอ่ามัน ที่ทำให้เราต้องคิดบ่อยนะครับอย่างนี้ค่อยๆปรับอย่างนี้แหละเขบับหลวพอ่อทุกนะ่ะก็เราจะเห็นว่าการป <c oughs> ฏิบัติเนี่ยวิธทีมีเวลาเยอะๆไม่ใช่ว่าจะดีนะแต่วบางทีแล้วก็ไปห <c> ร <oughs> ือ ว, ว่าเพลินนะ่ะนะตัวเพลินสำคัญมีโยมคนหนึ่ง เมื่อก่อนมาปฏิบัติทางสายเหล่านี้แกทั้งใจปฏิบัติดีมากเลยทีนี้แกเป็นเจ้าของร้านเฟอร์นิเจอร์ส่งออกที่บ้านแกก็เหมือนกับคนเมียนจะกินนะมีกคนใช้ชาวเข้ามาชาวลาวถึงสิบกว่าคนหลังจากที่เข้าใจปฏิบัติทำแล้วเนี่ยคือเมื่อก่อนแกก็อยู่ในห้องแอร์แล้วก็อสั่งงานพี่แต่มาเมื่อปฏิบัติหลายงานแต่หลายงานเข้าเอ๊ะแล้วทําไม เราคินนถึงคนอื่นนะเอ๊ะคนอื่นเขาคจะทุกขอนเราเวลามาปฏิบัติมันไม่มีแอร์ไม่มีพัดลมติดมาใช่ไหมต้องมาเดินกลางแดดกลางฝนอย่างเงี้ยแกเคยสู้นะในฐานะเป็นผู้มีอานจะกินแต่ว่าแกเคยปฏิบัติมาก่อนแกอยากพิสูจน์ก็ปรากฏว่าแกเข้าใจเข้าใจรูปน้ำปับ๊บนี่เราก็าไม่อากาศร้อนเราไม่ต้องไปเสพติดแอรก็ได้ไม่ต้องไปเสพติดพลมก็ได้ก็ อ, อยู่ข้างนอกมากขึ้นแล้วก็เห็นคนใช้ที่เขาทุกข์วุ่นวาย เวต่เราโยกโก ล, กลมาเห็นความทุกตัวเองเนี่ยแล้วคนอื่นเขาก็ทุกข์กเหมือนเราก็เริ่มเริ่มมีปัญญาก็เริ่มทําทงานด้วยตัวเองอซักผ้าถูพื้นทําอาหารทําที่ละอย่างละอย่างละอย่างไปจนกระทั่งคนงานที่อยู่ในเนี่ยถูกย้ายไปอยู่ร้านในเฟอร์นิเจอร์แรงงานในบ้านไม่ต้องเราที่สุดในบ้านเหลือสองคน ค, คือช่างน้ํากับช่างไฟที่แกทําไม่ได้ตังนั้นก็ทําเองได้หมดเลยนะเนี่ยอันมันเป็น มันเป็นประโยชน์ตรงก็ทำให้เราเห็นทุกของตัวเองเห็นทุกคนอื่นแล้วก็เป็นการปรับตัวเองให้พอดีปัจจุบันนี้แก ก, ก็สอนลูกสอนหลานแกดีมากอรุณอรัญม า, า, า, า, าปฏิบัติทุกคนเลยนะ่ยพอที่แผ่แสงเทีนนี่ก็มาเดังนั้นการที่เราได้ศึกษาไอ้ตัวความเป็นไปของตัวเองมันจะเริ่มปรับปรับเปลีนนะ่ยนเวลาเราเพลินแล้วก็ปรับเพลินออกเวลาเราก็รู้ว่าที่ไปที่มาของมันนะ เราก็สามารถที่จะนี้ได้ก็ไปฟังพบอบนาองนะพ่อนนะพบอนว่าปฏิบัติมาสามสี่พันสามเหมือนกันแทนบบเปลี่ยนพ่อบนมานั่งตรงนี้เลเท่ไปนั่งถนนสายใหม่จะได้ถึงอ่มามานั่งตงนี้บบมานั่งตรงนี้มานั่งแทนพบอบน <c oughs> แต่และคนก็จะมีเขาเรียกว่ามีความเป็นตัวของตัวเองแล้วก็จะใช้ ความเป็นเจองเรเองให้เป็นปอยู่กต่อการภาวนาแค่ไหนแล้วก็ฟังส่วนหนึ่งคือได้จากการาแสดงออกทางคำพูดนะพ่อเพียบอนะพ่อเพียบไปสวยๆนั่นคันมภีร์ในกราบคารวะหลวงพ่อครับครับคารวคณะสงฆ์และเจะเริญพรญาติโยมทุกท่านอา จ, จะมาพระบอล พรรษาสามเข้าบรรษาสี่ก็ฤทธิครับชื่อจริงชื่อพะระวรชัยวรชัยกิติปัญโยเป็นพระในพรรษานี้ก็เข้าบรรษาทีนะ่สี่ก็เดวันที่ผ่านมานี่ก็จะจะมีความรู้สึกว่ามันรวดเร็ว อาจจะเป็นเพราะว่าไม่มีโทรศัพท์ไปมันตัดกังวลไปแล้วก็คือคือช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เวทนาแรงมากนะครับอย่างช่วงบ่ายที่ผ่านมานี่จะจะทนไม่ได้เลยจะรู้สึกกระเตีเองทนไม่ได้บางทีก็ไปเปิดประลมอยู่คนเดียวเดินสารามีอยู่วันหนึ่งสองวันช่วงเช้านี่ก็จะ ต่มีความรู้สึกว่าไม่ค่อยอยากลุกจะถูกจะถูกอารมณ์บีบคั้นตลอดมีความรู้สึกว่าสงสัยว่าตัวเองคงจะไปไม่รอดเกี่ยวกับการปฏิบัติอะไรเี้ยแต่พอพอพอไปถึงช่วงบิณฑบาตเดินกลับมาก็มันก็โล่งก็เบามีกาลังใจก็เลยสังเกตสังเกตตรงนี้ว่าบางทีบางช่วงบางเวลาเราก็มีกาลังใจในการปฏิบัติบางทีบางช่วงเราก็ถูกอารมณ์บีบคัุ์ว่า มันหนักมันน่วงเป็นแบบนี้ตลอดครับที่ผมสังเกตตัวเองนะครับก็นี่เข้าถ้าที่ทางตั้งก้อสังเกตเกี่ยวกับการปฏิบัติของตัวเองบางทีมันก็มีกําลังใจในการปฏิบัติบางทีมันก็รู้สึกโล่งสึกเบาไม่มีปัญหาอะไรฮะบางทีก็ ก็หนักหน่วงถูกอารมณ์บีบพันุแต่ก็พอพอเข้าใจในเบื้องต้นว่าอารมณ์ทุกอารมณ์มันก็คืออารมณ์อารมณ์ทุกอารมณ์ก็คืออารมณ์มันเป็นอย่างนั้นจริงเลยแต่เราก็ต้องต้องต้องอดทนที่จะเรียนรู้มันนะครับต้องอดทนที่จะเรียนรู้มันจะเจ็ดวันที่ผ่านมาก็รู้สึกว่า เองมีสมาธิต่อเนื่องขึ้นเพราะว่าเป็นคนที่สมาธิสั้นเป็นคนสมาธิสั้นแล้วก็ชอบหลงลืมแล้วก็สามปีที่ผ่านมานี่ก็รู้สึกรู้สึกว่ามันเร็วเร็วมากบวชมาสามเข้าพรรษาสีบางครั้งก็ถามเองว่าเอ อ, อยู่ไปได้ไง <c oughs> บางครั้งก็มีความวอยู่ไปได้ไง ก็กับบวชพรรษาเดียวนะครับแต่ก็ก็พยายามเรียนรู้ตัวเองอย่างต่อเ น, นื่องต่อไปก็พยายามจะแก้ไขปรับปรุงสิ่งที่ตัวเองมีข้อบกพร่องขอ้อวิตพลาดคงมีเพียงเท่นี้ครับที่ประสบการณ์แชร์ครับเจริญพรานความเพลินามากไมแก้ไความเพลินความเพลินนี่ความเพลินนี่มีทุกวันครับบางทีเพลินในลมอย่าง อย่างอย่างบางทีเวลานาแรงๆอย่างสามวันล่าสุดสามวันสุดท้ายที่มันร้อนนี่มันทนไม่ไหวเลยต้องเปลี่ยนที่เดินตลอดมันไม่ไหวแล้วมันมันมันหนักหนักจนจะรับไม่ไหวก็ต้องเปลี่ยนที่ความเพลินนี่ก็คือจะเป็นเพลินในในความไม่ไม่ปรุงเพราะว่ามันมันสบายเวลาที่มันไม่ปรุงไม่ไม่ฟุง้ง ก็จไปแชร่ไปชอบเพราะว่ามีความสุขมันมันดีอะครับอะไรเงี้ยครับแล้วว่าทีนิ้นให้ถามเรื่องความเพลินเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นปัจจัย เ, เรื่องการศึกษาที่ไปสู่มรรคผลในสําคัญถ้าเพลินในทุกขเวทนาเนี่ย mm hmm. ก็เรียกว่าเป็นอัปบยภูมินะถ้าเพลินในสุขเวทนาก็เรียกว่าเป็นสุขติภูมิ พระพุทธเจเทวดาอินพุทโธนี่นะเขาก็จะเพลินในสุขเวทนาแต่เพลินในทุกเวทนาเราเป็นอัปยภูมิก็จะเพราะนั้นพระพุทธเจ้าบอกให้ละความเพลินละนันทีนะละนันทีอย่างเดียวถ้าละนันทีแต่ละนันทีในความเพลินในสุขเวทนาเนี่ยกับเพลินในทุกเวทนาอันไหนละยากอันไหนละง่ายกว่ากัน <c oughs> ถ้าเป็นคนนั้น ม, มีนิสัยเป็นสุขติภูมิก็จะละความเพลินในสุขติภูมิความสบายได้ยากใช่ไหมแต่คนที่เป็นนิสัยทางด้านอบับยภูมิก็จะละเพลินในอบับยภูมิได้ยากสมมติว่า อ, อ, อาหารเนี่ยอาหารประเภทพวกอบับยภูมิเนี่ยเขาชอบอาหารรสจัดใช่ไหมต้องเผ็ดถึงจะอร่อยต้องเผ็ดต้องเค็มต้องเปรี้ยวถึงจะอร่อยแต่คนที่อยู่ในสุขติภูมิเนี่ยชอบจืดฮนะสบาย ก็ถือว่ารอร่เนี่ยเพราะฉะนั้นความเชิงในระดับของเพลินยังไม่เหมือนกันถ้าบอกเออมันทุกมันทุกเนีนะ่ยไม่ใครไม่มีใครเพลินหรอกไม่ใช่คนที่เขาอยู่ในภูมิเนี่ยเขาก็เพลินถ้าอาหารไม่เผ็ดเนี่ยก็ต้องเติมให้มันเผ็ดอะ่ะแต่สำหราคนที่ไม่ชอบเผ็ดนี่ไม่ได้เช่นนั้นเพราะในระดับของความเพลินมันไม่เท่ากันโดนที่ว่าเขาเสพในสิ่งนั้นมายาวแค่ไหนความเพลินหรือเหมือนกันอันไหนมันจะในสุข คติจะเข้มหรือในทุกคติจะเข้มอยู่กับเราก็เสกตรงนั้นมานานแค่ไหนนะอันนี้ก็ดูตรนั้นด้วยอย่างพ่อตอนนี้ถือว่าเป็นเพลินในสุขหรือเพลินในทุกคพลินในเดลินในสุขเพลนในสุขก็ยังใช้เป็นอาเบียภูมิสัตว์อยู่อาจจะอายุยาวกว่าพวกสัตว์ในโลกอีกนะ่ยพรมเนี่ยอายุเป็นหมื่นปีใช่ไหมพราะไม่อยากจะออกจากความสุขอะ่ะไม่อยากจะไปนิพพานด้วยพราออยู่ก็ยังมันสบายกว่าใช่ไม้ม เพะันคนที่เขาติดมีสมบัติมีลาภ ม, มี้วเขาเ็ไม่อออกมาปฏิบัติธรรมเขากลัวไปปฏิบัติธรรมแล้วมันจะเสียความสุขเขาาไม่ใช่ว่าทุกคนอยากจะไปที่พันน ะ, ะพวกพรมพวกเทวดาเขาไปอยากไปเพราะอะ้รเขากำลังเพลินในสุขอนั้นเพราะฉะนั้นอย่างคนที่เพลินในสุขเวนารก็ไม่อยากปฏิบัติอะไรมากเพราะอะไเขากลัวจะเสียไอ้สิ่งที่เขาไปสมบัตินั้นอยู่เอออันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพราะฉะนั้นเราก็ ก็ฝึกไว้เผื่อมันเกิดปัญญาแต่ถ้ามันเกิดปัญญาไม่ว่าฝ่ชุกติทุกกติก็สามารถรับเพลทั้งสองด้านได้เพรา ะ, ะนั้นตัวแปรอยู่ที่พูดใศาสนาสอนให้เราเกิดปัญญาแต่ถ้าไม่เกิดปัญญาแล้วมันจะรับความเพลินได้ยากก็ไม่เห็นโทษของความเพลินอ่า น, นี่อันนี้ก็เสริมหน้าทีนี้ต่อไปเอาทางคุณิชัยก่อนวิชัยมาปฏิบัติหลายเที่ยวแล้วเนาะมาเที่ยวนี้มีอะไรพัฒนาเกิดเดิมไหมก็อยาเล่าให้เพื่นฟัง เอเฉพอช่่ะอกับบนะ็กานักสการหลวงพ่อนะครับแล้วก็ครูบาอาจารย์ทุกตั้นนะครับผมพิชัยบุษเดโอก็ได้ปฏิบัติติดตามหลวงพ่อเนี่ยปฏิบัติตั้งแต่เริ่มไม่ทราบอะไรเลยะครับหลวงพ่อก็เคี่ยวเข็นจนรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างแต่ก็เจอหน้าที่ได้หลวงพ่อก็บอกดับเบิลเช็คดับเบิลเช็ค จนจะมากระจางเมื่อประมาณสักปายปีที่แล้วเนี่ยครับก็เริ่มอันนี้เล่าถึงชีวิตความเป็นอยู่ที่บ้านหลังจากเกษยียณแล้วนะครับเกี่ยวกับการปฏิบัติเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราไม่ต้องพึ่งพาอาศัยหาความสุขจากภายนอกครับสามารถอยู่คนเดียวได้ปฏิบัติคนเดียวได้ในชีวิตประจําวันก็จะมีความารู้สึกเกี่ยวกับ การทํากิจการเช่นปาดบ้านถูบ้านล้างถ้วยล้างชามอะไรพวกนี้มันจะมีความมีความรู้สึกตัวแล้วเช็คอีกทีหนึ่งก็คือหมายความว่ามีคนที่ไปถามในไลน์อย่างเงี้ยนะครับอย่างว่าถามเรียนเรียนถามหลวงพ่อว่าความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในการล้างชามนี่เป็นยังไงผมก็มาเปรียบเทียบประของตัวเองออกมือซ้ายเป็นอย่างนี้มือขวาเป็นอย่างนี้ หรือการเดินจงกรมอะไรพวกนี้เราก็มาจับเคสว่าเอออันนี้ของเราถูกต้องถูกต้องถูกต้องนะครับทตนี้ตอนก่อนมาปฏิบัติเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นสังเกตจากการการทําอะไรก็ตามเนี่ยจิตจะอยู่กับกับกายจะเป็นส่วนใหญ่ไอความนึกคิดตรงแต่งที่เกิดทั้งหลายเนี่ยส่วนมากมันจะเป็นแบบวิจกวิจารณ์คือคล้คายๆกับว่ามันจะมีโปรเจกต์อะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งแล้วมันก็จะ ย้ำคิดย้ำทำอยู่ตรงนั้นนะครับแต่ส่วนมากก็มันก็จะจะจะวางวางได้ใบยกเว้นว่าสังเกตดูว่าเป็นเรื่องที่หนักๆ ก, กระทบจิตจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะพอมันพอวางปับ๊บักคู่หนึ่งมันก็จะผลขึ้นมาใหม่ว่าปั๊บสักคู่มันจะผขึ้นหม่แต่ตอนหลังๆนี่มันก็ไม่ค่อยมีครับทีนี้พอมาเข้าคอร์สที่เนี่ยที่แรกไปวัดดอยก่อนวัดดอยก่อนอากาศอากา ศ, อากาศก็อย่าง ที่หลวงพี่บอกครับมันมันมันมันก็ร้อนแต่ว่าพออยู่ไปอยู่ไปมันก็เออร่างกายมันก็ปรับความคุ้นเคยเห็นเห็นลมลมร้อนในลมเย็นนะครับผมไม่ทราบว่ายังไงคือคล้ายๆกับว่าลมที่มันพัดมาเนี่ยมันถูกแยกเราเป็นสองส่วนว่าไอ้ส่วนนี้มันร้อนไอ้ส่วนนี้มันเย็นแล้วเราก็มาเปรียบเทียบพี่นาเปรียบเทียบว่า อ้อธาตุไฟมันเป็นอย่างเงี้ยธาตุธาตุไฟก็คือความเย็นความร้อนนี่เองแต่ว่าตัวนี้ก็คือตัวตัวธาตุไฟมันมีทั้งเย็นทั้งร้อนอยู่ในตัวเดียวกันจะนั้งคิดว่าเอ๊ะไอเรเราเร า, เราไปแยกธาตุหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยนะครับในอย่างนั้นหรือเปล่าแต่ ก, ก็ก็คิดเล่นๆท่านี้พอเริ่มพอเริ่มมาปฏิปฏิบัติที่นี่เนี่ยยอมรับเลยว่าเที่ยวเนี้ยมันมันแปลกมากคือว่าจิต มันได้อารมณ์ในการปฏิบัติที่ที่กาบเรียนหลวงพ่อว่ามันจะมีเป็นบางช่วงช่วงมันไม่มีไม่มีความนักคิดปรุงแต่งมีแต่ความรู้สึกตัวล้วนเลยที่ที่เคยได้มาเหมือนกับที่เคยมาปฏิบัติที่นี่แล้วก็เคยพี่ที่สวนธรรมศิปทุมที่ที่ที่เรียนกาบรัตถการถามหลวงพ่อนะครับตอนสอบอารมณ์มาที่นี่ก็ได้อีกแต่ว่ามันมันจะเป็นช่วงที่ว่าเป็นสั้นๆนะครับที่ยาวที่สุดก็คือเมื่อบันปลายที่เรียนไปที่ว่า กายมันอยู่กับจิตอยู่ประมาณเกือบสองชั่วโมงหรืออะไรแบบเนี้ยนะครับแล้วก็พอมามาวันสุดท้ายเมื่อวานนี้ก็คือตอนเช้าก็ยังไม่มีอะไรความง่วงก็เริ่มเริ่มคืบคานแต่หนีโดยการจากนั่งยกมือขั่งงบะก็ไปเดินชงกลมแต่ตอนบ่ายนี้ปรากฏว่าชัดดาวครับหลับครับเนลุงพี่ว่าครับพอต้นแตะพื้นอแตะพื้นปั๊บนะครับพอหลังกล้ทบพื้นปั๊บเนี่ย หลับจริงๆครับฟิลขาดเลยครับไม่ทราบเลยเลยพอตื่นมาอีกทีประมาณหลับไปประมาณสักห้านาทีหรือสิบนาทีผมไม่ทราบนะครับเพราะว่าคนคนแวดลอ้อมก็ต่างคนต่างปฏิบัตินะครับในสวนนั้นนะ่ะก็ตื่นมาอีกทีมันเหมือนเหมือนเปิดเปิดสวิตไปครับหลวงพ่อเปิดสวิตไปพระประเดินชมรมต่อไม่นกลายเป็นแบบ ความว่างอะครับเหมือนเหมือนที่เรียนหลงพอว่างไม่ไม่เขามีความนึกคิดตรุงแต่งมันก็มีแต่ความรู้สึกตัวอยู่ประมาณสักสิบนาทีพอหลังจากนั้นมันก็เริ่มเริ่มเริ่มมีความคิดเข้ามาลุมมาลุมมาลุมแล้วมันก็สลับเปลี่ยนอยู่อย่างเงี้ยครับว่างแล้วก็มีความคิดเราเรารู้ตัดรู้ตัดแล้วก็ว่างมีความคิดเป็นอย่างนี้ตลอดผลดูท้ายบระมาณามงเย็นผมหนีแล้วผมอยู่สภาเดินไม่ได้ผมกลับมาดั้งมือท่ายงหที่กุติครับก็มีเออค่อยมีความรู้สึกตัวอยู่ประมาณสัก หกสิบลงไปคิดประมาณนึกสี่สิบแต่รู้ตัดรู้ตัดรู้ตัดอยู่อย่างเงี้ยครับแต่ว่ามาเทียเ่ยวนี่ยอมรับเลยว่าโอไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่เคยจะตั้งคับปฏิบัติมาไม่ไม่เคยเจอสภาพที่ว่าจิตจิตได้อารมณ์อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็คือปฏิบัติปฏิบัติไปเนี่ยเราสังเกตตัวเราเองได้ว่าเรามีการพัฒนาเพิ่มขึ้นหลายๆอย่างนะครับ กา ร, การสังเกตดูกายอยู่คับจิตสภาพจิตใจเราเป็นยังไงถูกบีบคั้นไหมอะไรไหมถึงระดั บ, แบบแบบางทีแบบแบบบางทีที่ว่าปฏิบัติอยู่ที่บ้านเนี่ยเคยอยู่คนเดียวเนี่ยเดินลงกรมอยู่ร้อนมากเอาน้ําฉีดน้ําฉีดหลังคาหลังคาโ ล, ลดนะครับเพราะเดินใต้หลังคามเป็นอลูมิเนียมนะครับน้ําฉีดต้นนฉีดหลังคาโลดแล้วก็เดินต่อเดินต่อเดินต่อยิ่งจะมาปฏิบัติที่นี่เนี่ยวันหนึ่งเดินสิบแปชั่วโมงเราก็ต้องเตรียมความพร้อมของตัวเองเพื่อที่จะมาปฏิบัติที่นี่นะครับ แต่ว่าก็ยอมรับจริงๆว่าสรุปสําหรับตัวผมเองเนี่ยผมว่าผมมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นได้รับการอบรมสั่งสอนจากหลวงพ่อซึ่งฝ่าจะเข้าใจเนี่ยอมรับเลยว่าสามปีสีป่ปีฝ่าจะเห็นผลเนี่ยเกือบสี่ปีหลวงพ่อแบบดับเบิลเช็คดับเบิลเช็คได้บ้างไม่ได้บ้างได้บ้างไม่ได้บ้างตนบางทีคุยกับป้าแฟนคุณ ล, ลุงเนี่ยที่เคยเรียนถามหลวงพ่อที่มาว่าพัทท่านเมื่อปีที่แล้ว พอเราจะเปลี่ยนิยาบทจากนั่งแบบนี้ครับมันยังมีจุดจุดหนึ่งเหมือนกับบสติมันเข้ามารับรู้ว่าคุณจะเป็นนิยาบทแล้วนะมันจะตึกหึตึกหนึ่งแล้วมันก็จะมีความรู้สึกว่าเออกายไหวแต่พอกลับมาถามคุณป้าอีกทีตอนทอดกรถิถ่นอาการเดียวกันหายผมก็ไม่เป็นคุณป้าก็ไม่เป็นครับแก่นี้พอพอจะเปลี่ยนิยาบทเนี่ยมันจะรู้อยู่ตลอดรู้อยู่ตลอดอย่างน้อยไม่รู้อะไรก็ต้องรู้อย่างหนึ่งนะครับไม่ไหวตึงอะไรมันก็ต้องรู้เหมือนที่หลวงพ่อถามบอกว่า ที่บอกเย็ยนล้อนอนแข็งเค้งตึงน่ะรู้ไหมผมบอกรู้ครับแต่ว่ามันอาจจะรู้ไม่ละเอียดมันอาจจะแค่รู้ส่วนหนึ่งสองส่วนอะไรแบบนี้จากสิบตัวนี้นอาจจะไม่ถึงกันนั้นแต่ก็ต้องพยายามสร้างความเพียรขึ้นไปเยอะๆครับแต่แต่ยอมรับจริงๆว่ามีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้นคือดับเบิลเชคในฐานะของผมผมมองเหมือนกับว่าหลวงพ่อสอนผมบ้าง การจะเคลื่อนไหวตัวการจะอะไรพวกเนี้ยถ้ามันทําไปแล้วเนี่ยมันไม่รู้สึกตัวให้กลับมาทําใหม่แต่การย้ําคิดย้ําทําเหมือนกับว่าครับหลวงพ่อเรื่องที่คุยปรึกษาหลวงพ่อครับพอไปเดินโยงกลมปับ๊บมันก็คิดมันก็คิดตรงคิดไปในอนาคตแล้วว่าคุณจะต้องทำยังไงยังไงยังไงจะหายายังไงยังไงมีวิธีการจะจะคุยกับใครอะไรยังไงไมันออกมาเป็นอย่างเนี้ครับแล้วมันก็มันก็คิดแล้วจากไปเดี๋ยวนึงเดี๋ยวมันก็คิดใหม่แล้วเดี๋ยวมันก็วางไป มันก็จะเป็นอยู่ลักษณะเย่างนี้ผมเรียกมันว่าตัวเนี้ยคือตัววิตกวิจารณ์ไม่ทราบถูกหรือเปล่าครับใช่ไหมครับแต่เรื่องอื่นไม่มีนะครับมาอยู่เนี่ยคิดอกุศลเนี่ยพูดตรงๆว่าว่าน้อยมากมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้เป็นส่วนใหญ่่ครับเป็นวิโตวิจารณ์เรื่องเรื่องเรื่องลถบ้างอะไรถือถือถึงมันไม่เป็นไม่เป็นสาระนะครับกราบเรียนหลอมพอ่อว่า เรื่องเรื่องตัวรถบ้างเรื่องอะไรบ้างอะไรแบบเนี้แล้วมันก็ย้ำทัสองสัมผัทีแล้วก็ปล่อยวางมันไปครับผมบ <c oughs> ตัวผมเอง กำลังแตกต่างจากเดิมเลยนะผมะคือโกลมเองโกลมจะปล่อยอารมณ์ปล่อยความคิดปล่อยคือสิ่งไม่ได้ควบคุมกับอสิ่งที่เจอสิ่งที่ประสบเนี่ยผมจะคิดนะผมจะปล่อยตัวผมเองไปผมไม่มีการหยุดยังความคิดอยู่ยังในอารมณ์ของผมไปแล้วก็จะเป็นเล่าทนาถ้าเก็บมาคิดนี่จะคิดแค่ว่าจินต น, นาการหรือวิจารณ์ความคิด คือคาดเดาวไปสร้างเรื่องขึ้นมาเองจริงๆไอ้เรื่องเรื่องของเรื่องของเบอรมันอยู่แค่นั้นเองถ้าเราไ ม, ไม่ไม่ไม่ไปปรุงอารมณ์หรือไปปรุงความคิดของตัวเองมันก็ไม่มีอะไรเป็นเพราะว่าที่มาฝึกนี่จริงๆที่จริงก็ไม่ได้รั้งใจมาฝึกหรอกน้องเขาตรงมาให้ให้มาดูลงมาอยู่วัดดูเพราะว่าที่นี่เขาปฏิบัติธรรมว่าตัวตัวเราเองจะเปลี่ยนแปลงเป็นยังไง แต่ถามว่าตรงเี้ผมรู้ว่าผมเปลี่ยนแปลงไปจากคนคนนั้นเยอะเยอะมาถึงว่าจากหน้ามือไปหลังมือแบบคืออารมณ์ที่ผมก่อนความเป็นที่ก่อนก่อนจะมากับก่อนสิ่งที่ผมได้รับรู้ได้ศึกษาได้เรียนรู้จากครูบาอาจารย์จากเพืเ่อนเพื่อนทุกคนที่แนะนำมานะก็ได้เห็นได้รู้นะพอถึงเรื่องอารมณ์นี่ผมนี่ มาลักษณะเหมือนอย่างการสนทนากันหรือการพูดคุยกันนี่ผมถ้าเป็นตรงก่อนนี้ถ้าคือผมจะจับอารมณ์ความคิดของคู่สนทนาด้วยกันเนี่ยแล้ ว, แ ล, วแล้วผมจะปรุงลงหผมไปด้วยว่าเขาพูดมาหนึ่งประโยคนบางอี่ผมความคิดผมะมองผมนี่ผมจะคิดไปแล้วว่าเขาต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้คือพิจารนโต้กลับไปแต่คือคาดว่า ผมไม่ค่อยได้ฟังอะไรของเขาด้วยเหตุผลอะไร น, นไงไม่รู้จักปล่อยวางในความคิดของเขาแต่จริงๆริงพอคําพูดของเขาเนี่ยพอเรามาฟังฟังจริงแล้วเรามาคิดมาตบทวนคือคิดตามคําพูดของเขาเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเขาพูดถูกหรือไม่ถูกหรือพูดดีไม่ดีแต่คล้ายๆว่าเขามาสร้างในะงอารมณ์ความคิดของเราเนี่ยคือผมนิ่งนิ่งแบบนิ่งเยอะนิ่งนิ่งนิ่งจากไอ้สิ่งที่เคยเป็นนะ คือเหมือนไอ้อย่างอะไรนะรู้ซื่ออะไรอย่างไรปนะรออะรามาณนั้นนะครับคือตัวบางอะไรเยอะครับมันถ้าก่อนหน้านี้ผมว่าผมไม่รับประกันตัวผมเองแต่ตดีวนี้ผมการรับประกันตัวมเองว่าครับบางทีผมเห็นไปผมกลับบ้านไปเวลาผมแวะไปบ้านนะ ผมไปเห็นแบบลูกหลานหรือพี่น้องที่มานั่งคุยในวงบทสนทนาด้วยกันนะแต่ผมไม่เคยแบบคือครับพูดนั้นพูดนี้เป็นนั้นเป็นนี้แต่ผมคมคิดผมเองเออผมจะมองเขาว่าแค่มองให้เห็นนะแต่ไม่ได้ไปตักเตือนไม่ได้ว่าโอ้นี่คนนี้ครับพูดอย่า ง, งนี้เนี่ยก็กลุ่มอารมณ์มาอยู่แล้วอารมณ์ไป ง, งี้บุงความคิดตัวเองไปในอะไร ง, งี้คือจะมองคนอื่นรู้ว่าเขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ยนี้แต่ไม่ได้ไปบอกไปสอนเขานะว่าเป็นยังไงผมก็เพียงแต่ว่าสักวันหนึ่งเดี๋ยวจะพาไป ไปทีที่มาปารีมีลูกชายมาลูกชายที่เขาไปเรียนในอยู่เชียงรายปรีเขาเรียนอยู่ไอวิทยาปีสองปารีเขามาปรีผมบอกว่าลองไปไหมเดี๋ยวที่นู้นก็ลงไปไปฏิบัติธรรมดูก่อนสักสี่วันที่ป้าวางก็ได้ช่วงที่เราปริดเทมอยู่เนี้ยเขามาได้สิบกว่าวันปารีก็ขอกลับเขาไปั้น ผมคุยกับลูกกันนะผมว่าไ อ, ไอ้ผมไม่รู้ผมสอนถูกหรือเปล่าผมบอกตอนนี้ไม่มาใหม่ๆที่วันสองวันแล้วนะผมบอกว่าที่แรกเขาจะให้พระสอนหลวงหลวงพ่อคือติด ท, ทีนี้หลวงพ่อติดบอกว่าถูกปฏิบัติมาก็พอ่อควแล้วลองคุยกับลูกดูผมก็เลยอคุยกับลูกคือคือหลวงพ่อเขาปัดนาะยผมก็เลย ผมคิดบ่าผมพอได้บ้างตรงนี้ซะหน่อยอะไรเงี้ยหลวง โ, อโอตอนนี้เดินไปก่อนอย่างเดียวก่อนผมก็เอาอคําคพูดของพระอาจารย์ลาสินเคยเคยบอกผมตอนผมมาใหม่ๆคือตอนนั้นตอนตอนที่ผมมาใหม่ๆตอนนั้นผมนี่จิตส่งออกนอกผมเดินอยู่ที่นี่แต่ผมไม่รู้ไปเที่ยวที่ไหนสารพัดจะไปเที่ย ว, ลวนละเมื่องอะได้คิดคเกี่ยวกับพระอาจารย์ลาสินผมท่านบอกอมว่า คิดอะไรอยู่อู้มีอยู่ครับเอ่อท่านบอกว่าคิดไปนะคิดไปอย่าไปอยู่กับมคิดนั้นคิดไปเรื่อยๆคิดไปท่ามันท่านบอกว่าให้มันเหมือนหนังนะเหมือนเราถ่ายหนังหนังเป็นมวลจบมันเป็นจบมวนถ้ามันมีไม้อีกก็ให้คิดไปอีกคิดไปผมคิดไปพอสองวันสามวันวันที่สามท่านมาสวรโลมผมเขาท่านกมาถามผมว่าคิดอีกหรือเปล่าเรื่องนั้น แล้วองที่เคยคิดผมบอกอท่านถามว่าความคิดนั้นมันหมายอะไรหรือเปล่าผมบอกมาครับแต่ผมไม่คุยกับเขาแล้วผมผมผมเบื่ออคุยกับเขาแล้วคือเข้ามาจริงๆไอ้ความคิดที่เราเคยนึกเอความเก่าความดังความใหม่อะไรเนี่ยจริงๆมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นเราเก็บมาหนักสะสมของตัวเราเองจริงๆมันไม่ได้อะไรประดังอะไรที่น่าแล้วได้อะไรบ้างที่ว่าที่ว่าไอ้เก็บไอ้ความคิดนั้นนะ การคิดนะั้นมันไม่ได้อะไรแต่ว่าผมได้คือได้รู้สึกตรวจผมเองว่า ม, ม, มันมันมันเราไม่ต้องไปอยู่กับอดีตไปอยู่กับอดีตไม่ต้องมองถึงโลกอนาค ต, ตเราต้องอยู่กับปัจจุบันผมผมเชื่อคำว่าเราต้องอยู่กับปัจจุบันวันวันนี้นะ่ะเวลานี้นะ่ะคือนี่แหละทุกช่วง ท, ท, ทุกทุกจังหวะนี่แหละมันอยู่ตรงนั้นได้ตั้งแต่จากนั้นมาผมก็่ได้คือปฏิบัติจริงๆผม กูรู้นะบ่ากูรู้กลายเป็นว่าผมรู้รู้อะไรไปในตัวหลายๆอย่างบางทีบักพวกคนสูงหรือคนรอบข้างที่เคุยกันเนี้ยก็เออบางทีเขาสนทนากันนะแต่ผมหูผมได้ยินเนี้ผมไม่รู้ผมไปยุ่งอะไรกับเขาหรือว่าไม่เนอะแต่ผมก็จะมองความคิดของผมนะว่าเออคนนั้นพูดใายคนนี้เป็นอย่างนี้ผมคือผมแบบปรุงความคิดเขนานะ ผมว่าอาจจะปิดถูกแต่มันมั น, ม, น, ม, นมันไม่ได้อยู่ที่ผมว่าความผิดถูกคนนั้นก็อาจจะคิดปิดคิดถูกอะไรอย่างนี้ก็ได้อเอาแค่นั้นลูกคนเล็กผมบอกว่าเดี๋ยวเขาเขาอยากจะมาลูกลูกสาวคนเล็กตอนนี้เรียนอยู่ในานาลีที่แพร์นะครับบอกอติดเครื่องมาอยู่เขาบอกว่าเดี๋ยวรอให้พี่ชายเข้ามาด้วยเขาเขาจะมาด้วย แม่บ้านแม่เลแปดเก้าปีแล้วครับกับผมไม่เขามาตอนที่ผมมาปฏิบัติธรรมนี่เขาเขามาดูเฉยๆกยเขประดีปดีแฟนเขาเขามาหาแฟนแฟนเขาด้วยประดีเขามีแฟนเขามาดูผมมามาเยี่ยมว่างั้นะมาดูว่าผมยังอยู่หรือเปล่าเท่านั้น แต่ผมไม่เอาแล้วผมกัผมไม่เอาผมลหลวงพ่อผมผมพ่อผมไม่เอาตอนผมออกจากบ้านมาผมบอกไอ้ของที่เราสร้างมาด้วยกันแล้วนะผมบอกหลังบ้านหลังรถยนอะไรเนี่ยอะไรตับปินพระสมบัตเนะิเนีรยผมบอกผมไม่เอาหรอกแต่ว่าเก็บไปให้ดีเท่านั้นเองว่าอันนี้เอาไว้ให้ลูกเท่านั้นเองผมบอกผมไม่ยุ่งไ ม, ไม่ไม่ปแตะอะไรคขเลยเป็นว่าผมก็มีอยู่ปีสองปีผมจะ โทถามตังน้องสาวน้าน้องแสใ น, นน่ะว่าตอนนี้เขาเป็นยังไงยังไงกันเท่านั้นเองความเคลื่อนไหวอะไรของเขาอะไรเป็นยังไ ง, ไรไรงครับผมผมว่าผมผมเมือ่อคราวก่อนผมมาผมยังว่าผมคุณต้องถามว่าผมถามแสกันนะผมเป็นทีหน้าเขาเป็นแต่หลายปีแล้วผมไม่ได้เจอสองสองปีอะไรไงผมบอก โอ้ดูหน้าตาดำําเครียดบางว่างลองมาปฏิบัติธรรมดูมั่งผมผมก็หาเค่็ดมาแต่งนี้นะครับผมไม่รู้ผมผมรู้ว่าตัวตัวเองอะจากของคนนั้นกับกับผมคนนี้ถึงว่ามันแต่ตัวผมเองผมว่าจบผมจล้ว่าผมเปลี่ยนแปลงไปเยอะแต่ว่าคนอื่นๆก็เคยคบค้าหรือเคยรู้จักในแวดวงในในเกี่ยวกับผมนะเขาเขาบอกว่าทำไมมันอยู่ตรงนี้ได้อย่างงี้นะ เขาเขางงกันเหมือนกันนะทั้งทั้งพ่อตายแม่ยายหรือทุกคนรอบข้างญาติี่น้องเข้าไปเนี่ยเขาเขาเห็นผมกลับไปเนี่ยเขาแคยกมือไหว้ผมผมแต่งชุดขาวไปผมแต่งชุดขาวชุดปฏิบัติใต่เนี่ยชุดวัดนี่อะไรไปเขาเห็นเขาทธรรมดาเขาจะทักไทยแบบนะอันนี้เขาเห็นเขาจะเขาจะเงียบเขาจะนิ่งเขาจะมองแท่จะยกมือไหว้ผมพ่อตายอะไรจำท่าโบกๆไม่ต้องพ่อมันไม่ใช่อันนี้แค่เป็นชุดนี่เขาสมมติมาได้เฉย คารมุท่านเป็นอะไิมองข้างข้าง้งที่ผมไปเฝ้าเฝ้าอะไรนะหลวงปู่จุเนียมกับเฝ้านั้นคนข้างข้างญาติที่เตียงข้างข้างนี้อันนี้จริงๆของพ่อผมผมว็งงทําไมไอ้ชุดขาวไอ้เสื้อขาวไอ้ชุดขาวก็การแต่งตัวตีขาวทําไมคนร่วมมาไหว้เราผมไปนั่งเฝ้าอยู่ข้างเตียงหลวงปู่จุเนียมนะญาติคนอื่นเตียงข้างข้าเข้ามานะเขาเห็นผมอย่ังไงยังงี้ ผอ ม, มานั่งเขานั่นแหะญาติเขามาเยี่ยมนะเขายกมือไหว้ผมก็คาผมก็ยกมือไหว้ตาม <c oughs> ไม่ไม่เราลองพ่อผมอาจารย์อภินเคยบอกว่าเดี๋ยวอาจจะมาจะเป็นเจ้าให้ไม่ต้องอ่ตังเลยเอาเอาตั ว, ตวมาบอกม่ลองผมบอกเดี๋ยวเอาไว้ก่อนเดี๋ยวดูก่อนครับ <c oughs> <c oughs> ก, การรำลึกการหลวงพ่อพระภิกษุและสามาเณรครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนนักปฏิบัติธรรมทุกท่านครับก็ได้ปฏิบัติกับหลวงพ่อมาตั้งแต่คอร์สที่จังหวัดตากตากนะครับก็ส่วนใหญ่ในคอร์สนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เห็นชัดเจนคือการจัดการกับนิวรณ์ที่เกิดขึ้นครับตั้งแต่ที่ที่ตากแล้วครับเ อ, อที่ตากก็จะมีความความร้อนความร้อนแล้วก็ความง่วง ซึ่หลวงพ่อก็ให้เราปรับเปลี่ยนท่าเอแล้วก็ใช้พวกสมาธิเอสเคที่ที่ต่างนี้ก็จะจะเน้นการปฏิบัติที่ที่ต่อเนื่องมากเลยครับเพราะว่ามันมันจะเข้าไปนั่งในใหอแล้วก็นั่งปฏิบัติทั้งวันอะไรเงี้ยครับมันก็จะมีความต่อเนื่องแล้วก็ถ้าเรามีความง่วงแล้วก็ปรับเปลี่ยนท่านั่งมีความเจ็บความเมื่อยก็เปลี่ยน อะไรเงี้ยครับซึ่งก็หลังจากคอสิกากมาก็จะไปไปอยู่กับหลวงพ่อที่วัดดอยมันก็จะเป็นอารยะบทสบายๆครับมันก็จะมีความต่อเนื่องของสติที่ได้ที่ได้มาแล้วก็พอมาถึงที่นี่เรื่องของความง่วงมันก็ไม่ไ ม, ไม่ค่อยมีแล้วครับมันก็จะมีบางวันที่ตื่นตื่นเช้ามากไปหน่อยก็อาจจะงว ง, งนิดหน่อยครับ แต่แต่โดยรวมทั้งวันเนี่ยเรื่องความง่วงมันมันไม่ค่อยไม่ค่อยมีครับแล้วก็เรื่องความร้อนนี่จัดการได้ไม่ไ ม, ไม่ไม่ได้มีปัญหามากเลยครับก็ที่หลพ่อบอกว่าให้เอาผ้าชุบน้ําแล้วก็เอาคลุมหัวมันมันเย็นมันก็เย็นดีเลยครับเย็นทั้งวันแล้วก็มีความรู้สึกเหมือนว่าเวลานี่มันก็ผ่านไปเรื่อยเรื่อยมันไม่ได้เราไม่ได้ถูกบีบคั้นด้วยเวลาเหมือนเหมือนเราทํางานที่ต้องอยู่ในออฟฟิศอะไรเงี้ยครับ เวลามันผ่านไปเรื่อยๆแล้วก็รู้สึกว่าบางวันเนี้ยรู้สึกมันมันผ่านไปอย่างรวดเร็วมากแปบ๊บเดียวก็เราก็ต้องไปฉันน้าเอเราต้องไปกินน้ําปาหน้าแล้วอะไรเงี้ยมันมัน <c oughs> มันรวดเร็วมากเลยครับ <c oughs> ซึ่งซึ่งผลผลที่มีความสติต่อนเนื่องนี่มันก็จะ <c oughs> มันก็จะมีความความเบาที่ที่เคยสัมผัสที่สัมผัสได้คือมีความเบาของของ เพราะว่าความคิดมันมันเริ่มมีมีความหา่างกันมากขึ้นแล้วก็มันมีความเป็นปกติแล้วก็ที่ส ม, มนักได้คือมีความความเงียบของของจิตใจครับแต่บางทีในกรณีที่เราฟุง้งเราก็หาทางแก้ที่หลวงพ่อบอกให้แก้คือเราจะใช้ s k ทหรือว่าเราจะหยุดการหายใจไว้สักครู่ก็ได้แล้วก็ลองเดินเดินดูความคิดมันก็จะเงียบไปครับครับมันก็จะมีความ ควนเป็นต่อเนื่องมากๆเลยครับใช่หนึ่งเจ็เป็นตัเอยครับครับจะเป็นส่กับเจ็ดนะครับครับจริงในส่วนเรื่องออกกำลังกายก็ดีเรื่องเวอร์ชั่นต่างๆเกี่ยวกับสมาธิบาบัดที่นำมาเสนอหวั ง, ว, ง ว, ว่าเพื่อให้อาไปเป็นอุปกรณ์ แกอารมณ์กรรมฐานเท่านั้นเองเพราะว่าอารมณ์กรรมฐานใน40กองที่ท่านว่าไว้ในบางทีเอามาใช้ปัจจุบันมันไม่เวิร์คหมายพ่ามันอายุกต์ใช้ยาก น, นะแต่พอเอาเรื่องออกกําลังกายหรือเรื่องไอสูรอย่างกรารสมาธิให้มาเป็นอุปรกรณ์พวตัวที่จะเป็นอุปสรรคกับการปฏิบัติเราก็รู้อยู่ว่านิวร์ใช่ไหมแต่ความเพลินถ้าเราใช้พวกนี้เข้ามาช่วยเนี่ยถ้าแก้เอาความเพลินแค่นิวร์ออกไปได้การปฏิบัติจะต่อเนื่องไปเรื่อย แล้วความรู้สึกสบายไม่สบายต่งตงางๆก็จะถืออุปกรณ์ของเราอีกขึ้นอยู่กับว่าเราใช้มันเป็นไหมตัวเรียกว่าในในวิธการหลวงเทียนนี่ยพอเราได้ดวงตาเห็นธรรมหรือได้รู้จากรูปธรรมนามธรรมเนี่ยมันสามารถจะเอารูปมาแก้นาําเอานามาแก้รูปได้ตลอดเวลาขึ้นอยู่ว่าเราใช้เป็นไหมเพราะฉะนั้นพ่อก็เลยหาวิธีการต่างๆเข้ามาเรื่องออกกาลังกายเนี่ยเพจะเอามาใช้เท่านั้นเองเพราะว่ามันต่อเนื่งแล้วเนี่ยมันไวมาก เพราะว่าในติปฐานสู่ระผู้ใ ด, ดก็ตามเจะเริยนสติประหานสี่แบบต่อเนื่องเป็นลูกโซ่อย่งช้าที่สุดไม่เกินเจดปีอย่างเร็วที่สุดไม่เกินเจ็ดวันนี้นะก็นั่นหมายความว่าต่อเนื่องเอที่จะทํางได้ต่อเนื่องซึงมื่ก่อนนวมาใช้นะประนัสติพนั่งกําหนดลมหายใจต่อเนื่องพอไปถึงแค่สามชั่วโมงขึ้นเนี่ยถ้ามันไม่จิตไม่เขาเ้าไปสู่ฌานก็มันก็ง่วงกลับต่อเนื่องไปไม่ได้ลนะ ต้งองหยุดไปทำอะไรสักพักหนึ่งแล้วกลับมาใหม่มันก็ไม่ต่อแล้วทีนี้แต่สอมีวิธีการหลวงพ่อเทียนเราเอาตัวตื่นเป็นตัวตื่นเป็นตัวต่อเนื่องเราก็หาวิธีว่าจะทำไงใหต้ตื่นอย่างต่อเนื่องก็คือมีอุปกรณ์อย่างที่ว่าจะเข้ามาแก้ แต่เวลาเรานั่งหลักหรือนั่งสงบหรือนั่งเข้าฌานไปมันมีอะไรจะแก้ได้นะจนกระทั่งมันหมดอํานาจของมันอ่ะมันก็ออกมาก็หมดละแต่ถ้าเราใช้การเคลื่อนไหวเราใช้อตัวติรู้เป็นตัวอุปกรณ์เนี่ยมันมีอะไรต่อเนื่องได้เรื่อยๆมันแก้ได้อ่ะอันนี้ว่าโอความสงบหรือสมรถะที่ว่าไปสู่อริยมรรคอริยผลได้ยากเพราะเพราะมันตรงนี้เองเพราะมันไปสุดมันหมดกําลังก็หมดกําลังแล้วก็แก้ไม่ได้อันนี้ส่วนหนึ่งที่เป็นข้อสังเกตเนี่ย ันขอความต่อเนื่องสำคัญนะแต่ส่วนจะเอาอุปกรณ์อะไรมาแก้ได้บ้างเนี่ยขึ้นอยู่การฝึกใช้แล้วก็จะพอมันใช้มาพอมันผ่านวิกฤติตนั้นไปปุ๊บเราก็ปฏิบัติได้เหมือนเดิมใช่ไหมอ้าวทีนี้เดี๋ยวไม่ชีกับลุงรันย้ายมาฝาคทางนี้เพราะว่าทางนู้นสายใหม่ไม่ถึงไม่ชีม้มาต่อทางด้านนี้ คุณนั่งตรนั้นแหละคุณนั่งเดิมที่เดิมเลยแหละไม่มีอัชนาอยู่แล้วก็เอตอตรงนั้นแหละยายมันที่เ อ, อาไม้ชิมาเลยเออมาแต่ตัวไปแตะตัว เ, เพยงอะไรนะฟ้อนะักการแต่ตัวมาฟังเดีกว่นก็เอาเป็นแถวๆดีวกว่านะจะได้เป็นซับกันให้ดูรัน ข่าวบรรมการพระอคพระหลวงพ่อมหาเดชแหลกระพศิษุ์สงฆ์สมานเณรที่ขนบทุกขูปและข่าวบรรมาสการกาบสวัสดีนายซีและทาทาทุกท่านนะครับผมพูภาษากลางไม่เคยเป็นเท่าไรนะครับม่เเป็นต้อิดาต้องอภัยนะครับอเมงก็ได้นะครับครับครับผมก็ ปฏิบัติมาก็โอ้ประมาณสิ่ตัวข้างนะครับดีว่าแผ่สังเทนปลากลอบมาเจอาหลวงพ่อเนี่ยแหละข้างสุดท้ายข้างสี่ข้างแรกนะครับเนี่ยข้างแรกที่มาตอนนั้นโอ้ก้จะเป็นมุงขาอยู่ครับมุงไปไหม่มาในกเจ้หลวงพ่อก็คอนแรกก็เจ็ดวันเจ็ดวันก็ได้อารมณ์ดีแต้อารมณ์ดีก็ผมยุตอธรมสองวันก็ทอกร ถ, นน ถ, กรถนินเนะอกรถิวันนี้เราจะตกร้านอีกคนหนึง ชิมโซโห่เม็ดนี่คนหนึ่งราดนี่คนมาสองคนน้งองจะกลับไปละโซโม่ห้าวันแล้วก็จะลองให้เราจะกลับบ้านละน่ามี่ม่เหรอน้องอยู่ได้เหรอมีต่อวันโอ้ได้อารมเอ้ยน้องอยู่ต่อหนะ้าต่อถึงก็ถึงออถ น, นี่นะอถึงวันเนี้ต่ อ, อถึงอะเลยยาว เ, เลยตอนนี้ก็ไม่อยู่ตอนนั้นก็ขพ่อไปมึงนอก ก็ไปเจอตั้งหลายปีพอมาเจออาจารย์กัดสินอาจารย์สมกิจพอดีมาเจอจอาจารย์สกิจก็ทำมาช่วยไอ้ไอ้ไข่น้าอ่ะไขหลุดไม่ดีผมก็พอจะซ่อมได้นะขึ้นระเบียงลงังคายช่วยอาจารย์กัสินนะก็เจอ่โอ้หลายรุ่นเนะาะผมบานเนี่ยเช่นมากก็คงจะรู้จักกับโยโย่ที่ ของคนี่ยนะผมจากอลุงร้านนะผมชื่อลุงรนะันนะเป็นรันเป็นสองนิดนี่แหละก็ทํำจบไม่ไม่ไม่ละทิ้งนะครับใส่หลวงพ่อเทียนเนี่ยนะรู้สึกว่าดีจริงๆเนะดีมากเลยครับเพราะว่าผมก็ได้ละละเรืุ่กยางเพราะนี่แหละครับมานี่ยละหลวงพ่อเทียนเนี่ยแหละครับผมหมดทิ้งเลยครับ ูบ้านสองคนต่ย้ายในบ่ต่ตอร์ลู ก, กันเลยบตเูนะครับนอนนอนเตียงเดียวกันเลบตเตูกบลูัผู้ซึกตัวกรอนก็นกน ท, ทําวดเองก่อนนะครับจนถึงตุ้นตีสามมาค่าก็ตีสามผมตีห้แน่ไปทุลางผมเองเส่นตัวปั่นจักรยานขึ้นจ่อยหมนละากาลังครับเนี่ยเสียมนะครับมีเสียมพลังก็มาตุลันี้ก็เมื่อวานเนี่ สว่านนี้ก็อนผว่าเออมันต่งเจก็ดีมันซื่อ ม, มันก็บหูแบบงเียแต่สายมันนี่กินเขาไงแล้วประมาณเจ็ดโมงกว่าหรือแปดมงเนี่ยผมก็เดินโอ้ได้อารอมณ์ดีดีสุดๆเลยเดินห้วก็คิดมันเล็กแล้วกันนี่จิดบอกละ่ะว่างานมันมีข้างอยู่เนี่ยต้องจัดการนั่นได้จัดการเลยออกไปเนี่ยตีหลงพ่ย หัวน้นสองของค้างตรงสารน้อยนะองกันะไอหัวหม็าเกยเจ้าไอ้หัวหมูสักแกนะครับบาเคยเจ้าหัวหมูกับไปหาสายไฟก็จัดการลไล้เมว่อเกษตไปบ อ, บอกบ อ, ก, ก, บอ ก, กี่นาทีนะครับนะก็ํำเล็กไปก็มาต อ, น, อนสายมาก็เงี่ย ม, นะมันเปลีนลมไมเน้ะปัเจ้ากันดีตอน บายเนี่ยตอนบายนี่ครับผมเออะไรเดนบอกใครออกแล้วกันนี่วอนขึ้นมาห่ะเดนเราเอเดนเข้ามาดตีมาได้พระขมาจุกหนาก้าออกไปออกไปก็ได้เออมันดีว่ากันนี่ดีชมเชนี่ปอยวังพุ่นเดินออกไปตีหลัง ลุ่ลล네ล pues in มือัวเเก้ไปบ่ะไม่ไดเกไปเนาะลุมปุ่นะมีเต oh, <de. S 1> ้นเดนจงกรมก็มีต่กอนหลวงพ่อเอกูดเคยไปยูดเนาะเดินทั้งวันเลยอ่ะเอกพูดนะครับทั้งวันเก็ดีเหมือนกันเนาะหลวงพ่อทันูทั้นนะดีเดินห้างวันแลยอะพอาจารย์ของหลวพ่อเอกพูดอ่ะบอันั่งแล้วบอกนีอกะเขยิบเข้าไปแล้วเดินทั้งวันนะครับทั้งทั้งแต่ ไปมองอ่ะแผ่นเจ้าออกไปไโมองถึงผู้น่ะห้ามองกัมาบมไปได้ไปได้นั่งอ่ะได้หนุกเร็วนะครับนั่งช่างเงวะบมพี่อ่ะอ้เออขึ้นมาหันกรรมขึ้นมากับมันนั่งตรองแม่เอมันจะได้ละต่อแข่งแล้วกันนี่ผมว่านั่งทื้นลว นั่งรียนีาก็้านั่งเรแล้วประมาณเมื่อกี้หลายที่อ่ะโอ้โหซือ้อมาตืนตัวะะเึ้ามาเป็นยังไงเดินสบายแล้วกันไมไ่แล้ ว, ลว ก, ก็อันีีครับในอารมณ์นี่ก็ตอนเจ้านี่ก็ก็เหมือนเดิมนะครับตอเจ้าก็สบายบมันมีมันมีง่วงนะครับเดินไปเลยเดินทำไปเลย ตอนเนี่ยจุงว่าหลวงพอ่อจะท่้งไปเนี่ยก็คุซึ้ตัวอยู่ตลอดนะครับครับครับอย่าไปถามตีว่าคนใหม่ที่ก็ามีเก่อนนี้ตีว่าครับอ่าคนใหม่เนี่จะไปลืมนะครับทํานิวันนี้จัดดีจะ ด, ดีได้บ้านนี่ไปถึงบ้านนี่ทิ่งนี่บาได้นะครับต้องรุดรุดแล้วมาจะได้ต้องทําต่เนื่องนะครับผมนี่บอลืมอะเจ้าเห็นเนี่ย เจ้าค่ำโบาเจ้าเย็นเย็นในทำหมดได้ต้องทำต้องเจ้าคํานะครับเนี่ยเตือนเพ่มากอ่ะทัดการเลยทีวีนี่กินข้าวนี่ผมมันจะเปิดแล้วแต่ย้ายไเปิดมากเปเยอะผมมันจะคนเดินในบอกเกิแล้วครับต้องเดินบ้านร้านค้าแต่ว่าโน้มมลูกค่าก็อเดินไปเดินไปมีลูกค่ามาก็่ะขายของไปอันแล้วครับมีเรื่งแล้วครับเขาบอกแล้ว ดาบในบวัตถกาลหลวงพ่อมหาดิเลศและพระภิกษุ ส, สงฆ์ทุกท่านสวัสดีญาติธรรมทุกคนค่ะคือก็แม่ชีก็เหมือนคุณวิโรจน์นะเพราะว่าปฏิบัติมาตั้งแต่แม่สอดน่ะก็พอมาที่นี่ก็รู้สึกว่ามันเหมือนต่อเนื่องก็เดินดีตั้งแต่วันแรกรู้สึกเบาหรือนมีความรู้สึกตัวชัดนงคะ่ะแต่ว่ามันก็มีความง่วงเข้ามาเป็นระยะเหมือนกัน แต่แต่ว่าเหมือนกับเรารู้ทันแล้วเราก็แก้แบบรีบลุกขึ้นมาเดินทันทีจะเป็นลักษณะอย่างเนี้ยแล้วก็เป็นอย่างนี้มาตลอดก็แต่ว่ามันมีภาวะอยู่ภาวะหนึ่งซึ่งมันหึง่งหึ่งมันดังเหมือนห้องแอร์ซึ่งมาเรียนถามหลวงพ่อหลวงพ่อว่ามันเป็นอาการของสมถะเราติดสมถะมานานแล้ว อยู่ๆบางทีนั่งเฉยๆมันก็จะเงียบแบบมันเหมือนมีความว่างเข้าใจไม่ใช่เข้าใจว่าเป็นความว่างมันมันเหมือนอยู่ห้องแอร์มันฮึงอย่างเงี้ยแต่หลวงพ่อบอกว่าปิดสมถะทําสมถะมาเยอะก็จะเจอภาวะแบบเนี้ยเยอะก็โดยรวมแล้วก็เรื่องของความร้อนเนี่ยมันก็ทนได้มันเหมือนกับมันปรับได้มันก็ไม่ได้เป็นอุปสรรค แต่พอมาวันสุดท้ายเนี่ยหลังจากที่ได้ไปเดินตรงชายขอบที่ที่ใกล้ๆกับคุณเปิ้ลเนี่ยพออีกวันหนึ่งเราก็นึกว่าตรงนั้นมันน่าจะเหมาะก็เลยก็เลยไปเดินตั้งแต่ตอนตอนเช้ายังเดินดีอยู่เลยนะพอะเดินฝั่งทานพระพอตอนบ่ายก็ไปเดินตรงนั้นทันทีเลยคิดว่ามันล่มแล้วมันจะล่มถึงสี่โมงปรากฏว่ามันไม่เป็นดังที่คิดมันก็รู้สึกงุดหนิด แล้วก็รู้สึกว่าความร้อนมันเพิ่มมากขึ้นกว่าที่เราเดินที่เดิมทุกวันมันเหมือนร้อนมากก็เลยเอาน้ามาฉีดแบบที่หลวงพ่อมาฉีดให้ดูพอฉีดเสร็จเดินก็รู้สึกว่าเย็นแต่ว่ามันเหมือนความร้อนมันระบายมาที่ตัวเราอ่ะยิ่งร้อนหนักไปอีกหัวนี่ตื้อไปหมดเลยแบบวิ่งมันเย็นจริงเหรอเนี่ยปรากฏว่าเออ ทีนี้ตอนนี้มันก็เลยนั่งนั่งเสร็จแล้วมันก็เลยเอ้นไหนลองหลับดูที่เราแบบว่าไหนไหนก็มันวันสุดท้ายแล้ว <c oughs> ก็เลยหลับเลยนั่งเสร็จแล้วมันหลับเลยค่ะ <c oughs> เสร็จแล้วก็พอดีเออพี่เลียต์สุดท้ายปรากฏว่าจะต้องไปเอาน้ําพอดูเวลาเอามันสี่โมงยี่สิบวะนี่ก็เลยแบบเล่น ทะเลถลายอะไรให้มันหมดเวลาละคังดังปรากฏว่ามันมามันมาแย่วาดุดท้าย <c oughs> ก็แต่ก็โดยรวมแล้วดูดูแล้วเนี่ย ม, มันก็มันก็อยู่ในภาวะที่ใช้ได้ค่ะ <c oughs> กราบหลงพ่อแค่นี้ค่ะ คือมันเหมือนกับว่ามันปล่อยแล้วอะมันปล่อยมันไม่ใช่ปล่อยวางแต่ว่ามันเหมือนมันมัเออมันปล่อยปล่อยอะค่ะมันลักษณะว่ามันไม่มันไม่พยายามเหมือนทุกวันเพราะว่ามันตัวเองเป็นคนที่เพลิน่ะทําแล้วสนุก แล้วหลวงพ่อบอกไม่ต้องทําเยอะทําเยอะก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรผักความเพียรคือไม่ใช่ความเพียรไม่ใช่การทําเยอะๆหลวงพ่อว่าแบบเนี้ก็เลยเออะออเอาแบบเอาแบบขี้เกียจขี้เกียจบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็วันนี้แหละค่ะแต่แต่พอกลางคืนก็ดีขึ้นนะพอมาเดินตรงที่โล่งๆอะค่ะก็ก็ดีขึ้นค่ะค่ะ แต่ว่ามันเหมือนรู้นะคะแต่มันไม่ได้แบบมันไม่ไดม้มันไม่ได้เป็นมันเหมือนกับรู้ว่ามันร้อนภาวะมันร้อนเงี้ยมันเหมือนรู้อะค่ะรับรู้ค่ะ น้อมกับหลวงพ่อในคณะสงฆ์ค่ ะ, คะอ่า น, นิโมธนากับทุกทท่านนะค ะ, ะก็ครั้งแรกะคะ่ะหลวงพ่อที่ได้มาปฏิบัติกับหลวงพ่อแล้วก็ได้มาที่วัดแพรแสงเทียนหลัท ง, ทงที่ได้ยินชื่อเสียงมานานก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็อยากรู้ไปหมดเลยว่าอะไรมันอยู่ตรงไหนนะคะก็สำรวจได้ทุกซอกทุกมุมัาแรกๆก็จะเดินไปทุกๆุกจุด ท, ท, ท, ที่ ที่เขให้ผู้หญิงไปได้แล้วก็ฝั่งนี้เป็นสิ่งที่ปรารถนามากเมื่อไหร่จะได้มีโอกาสได้เข้ามาหลวงพ่อก็จัดเต็มให้ได้เข้ามาจนกระทั่งบอกว่ายังไ ม, ยงไม่ยังไม่เจออีกที่หนึ่งนะที่เขาเขียนไว้ที่ยังไม่เห็นก็คืออุโบสถโอวันนี้เป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากที่ได้มาเจออุโบสถค่ะแล้วก็การปฏิบัติเนี่ยค่ะหลวงพ่อมาครั้งเนี้จะเห็นว่ากายเนี่ยเขามีการปรับตัวของเขาอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะเรื่องของความร้อน ซึ่งมันทำให้เป็นอุปกรณ์ในการที่เราเห็นกายของเราได้ชัดเจนนะคะว่าอย่างเช่นวันแรกที่มาถึงเนี่ยได้ได้นอนในห้องซึ่งมันร้อนมากตื่นขึ้นมาเนี่ยตัวเรามีแต่เหงื่อแล้วก็พอวันที่สองก็เลยปลอกใหม่นอนกับพื้นนอนกับพื้นแล้ววันที่สามเอาอีกรอบหนึ่งก็คือ นอนกับพื้นด้วยแล้วก็เปิดประตูประตูห้องนอนด้วยนะคะก็ก็จะเห็นว่าเราจะสังเกตได้ว่าเราไม่ฉี่ไม่อยู่บ้านเนี่ยเราจะไปห้องน้ำบ่อยมากถ้าเาทานน้ำเยอะขนาดนี้แต่ว่ามาที่นี่เนี่ยเราฉี่น้อยมากเลยแล้วก็เห็นกายมันทำงานที่จะขับความร้อนออกจากร่างกาย แล้วพอวันที่คืนที่สาคืนที่นที่4ี่ที่ห้าที่6ก็มานอนมานอนข้างนอกก็รู้สึกว่าเราหลับได้สบายนะนี่คือที่เราช่วยกายของเราในเรื่องของการระบายความร้อนก็ใช้ผ้าใช้อะไรต่างๆที่จะในการดูแลไม่ให้เขาไม่ให้เขาเหนื่อยจนเกินไปไม่มีปัญหาเรื่องของของขอ ง, ของความร้อนค่ะแต่ได้เห็นว่ากายมันทํางานของมันที่จะพยายามปรับอยู่ตลอดเวลา แต่สิ่งที่ที่สลัดใจก็คือเรื่องของใจอะคะ่ะหลวงพ่อก็คือว่าเดินหรือนั่งหรือทำอะไรมันก็ยังมีความคิดอยู่ตลอดเวลาซึ่งก็พยายามที่จะกลับมารู้สึกตัวกลับมาอยู่กับงานที่กําลังทำอยู่ขณะนั้นไม่ว่าจะเป็นการเดินหรือการนั่งอยู่การสร้างจังหวะแต่ว่าที่ที่ถูกใจก็คือว่า เราได้เราได้เหมือนกับคีย์เวิร์ดอะคือคำว่ารู้สึกตัวมันก็เลยหลุดจากคำว่าเดินจงกรมคาว่าเดินจงกรมเนี่ยมันมันเป็นแค่รูปแบบเท่านั้นเพราะฉะนั้นคำว่ารู้สึกตัวในตอนนี้ก็คือทำอะไรก็ได้ให้เรารู้สึกตัวเท่านั้นเองนะก็ก็จะสนุกกับการที่จะเดินบนดินแล้วกจ็จะหารูปแบบต่างๆที่ทาให้เรา เราสื่นเราสนุกเราเดินแล้วเรามันก็มีความเพลินอยู่ด้วยนะคะหลวงพ่อแต่เราก็รู้สึกตัวมากขึ้นนะคะแล้วก็เรื่องของกายอีกอันหนึ่งก็คืออ่าที่เขาบอกว่าให้อาบน้ำวันละครั้งอะนะคะปกติอยู่บ้านเราก็ไม่ค่อยไม่ค่อยสนใจเรื่องการอาบน้ําเท่าไหร่แต่ถ้ามาอยู่ที่นี่รู้สึกว่ามันอยากอาบน้ํามากค่ะหลวงพ่ออยากอาบน้ํามากเลยบอกได้เลยค่ะว่าอาบวันละสามครั้งค่ะที่เขาบอกาอาบวันละครั้งเน่อาบวันละสาครั้งนะคะแต่ก็ไม่ผิดกติกาค่ะก็คือ มีขันเล็กๆมาแล้วเราก็ลองทดสอบดูก็ใช้ความสังเกตว่าขันที่เราตักน้ำจ่วงน้ำเพื่อที่จะล้างล้างล้างช้าโคกเนี่ยมันใส่ในขันเนี่ยได้ถึงเจ็ขันเจ็ขันเราเราขอโทษนะคะเวลาเราฉี่แต่ละครั้งเนี่ยกว่าจะใช้ที่เราใช้ถึงเกือบสามขันใหญ่ก็ลเลยทดสอบแล้ว ตอนเช้ามาที่เหนือมันเต็มไปหมดเลยะค่ะหลวงพ่อเราใช้ขันเล็กๆแค่ห้าขันนะคะในการที่จะเอาน้ํามาลาดตัวของเราให้มันเย็นแล้วก็ใช้อีกประมาณเจ็ดขันเล็กเน ะ, ะ่ยค่ะเราจะได้รับความสดชื่นเลยเพราะฉะนั้นตอนเช้าที่ตื่นมาเนี่ยเราไม่ใช้สบู่นะคะแต่ว่าเราลาดน้ําลงไปเนี่ยเราใช้แค่ประมาณสิบสองขันแค่นั้นเองไม่ถึงขันใหญ่สองขัน ไม่เท่ากับเราถี่หนึ่งครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยคิดว่ามันน่าจะอยู่ในกติกาของของวัดหรือว่าเราไม่ได้ใช้น้ำเกินที่เขากำหนดไว้นะแล้วก็สนุกกับการที่จะที่จะอาบน้ำตอนตอนกลางวันว่าเราจะอาบยังไงให้มันประหยัดที่สุดแล้วก็พิจารณากับการที่จะค่อยๆลินน้าแล้วเอ่อทำอย่างนี้มันประหยัดแล้วมันก็รู้สึกตัวไปด้วยค่ะหลวงพ่อก็ ก็ก็อันนี้มันเป็นขันเล็กนะคะก็เลยก็เลยคิดว่าอ๋อนี้ไงคือความรู้สึกตัวเราไม่จำเป็นต้องไปเดินจงกรมก็ได้แค่เราอาบน้ำแล้วเราพิจารณากับตวเนี้ไปเราได้หนึ่งกันประหยัดด้วยแล้วมัน มันไม่ใช่แค่การประหยัดอย่างนี้ว่าเออตอนเย็นแทนที่เราจะอาบได้เต็มที่เราก็หาวิธีอีกว่าทำยังไงให้ให้วัดประหยัดน้ำได้เพราะเราเห็นแม่ชีเนี่ยท่านประหยัดมากเลยเอาน้ำหนึ่งน้ำสองอยู่้างตะเวียนหัวไปหมดเลยเราเอาน้าอันไหนไปไปไ ป, ไปลดต้นไม้หรือเราจะเอาน้ำอันไหนมากลับมาใช้อีกในการล้างจานนะะเราก็เห็ น, หนว่า การดูแลกายเนี่ยสามารถคุมได้หลวงพ่อพเดี๋ยวขาให้ไปล้างจานพอเราล้างจานแค่สองวันมือเราลอกหมดเลยอย่างเงี้ยเราก็ปรับหน้าที่เร า, เราตรงนี้เราไม่อาละ่ะอย่างเงี้ย น, นะคะเราเราปรับจากแผนที่จะไปไปอยู่สะตาราทคนแรกๆแล้วก็มาอยู่ปลายๆทำให้กายเราสบายขึ้นค่ะแล้วก็เห็นอีกอันหนึ่งเมื่อเช้าเนี่ยชัดมากก็คื อ, อท่านก็บอกว่าเวลา นอนเสร็จแล้ววันนี้อ่ะให้อะเราจะฟังผิดหรือฟังถูกไม่ไม่แน่ใจอ่ะค่ะก็คือให้เอาที่นอนมุง้งเราก็เสือตากบนหลังคาไปตากบนหลังคาให้หมดปีสามเราก็อืมไม่อยากกลับมาละเราก็เลยตากไว้นะเราเราตากเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เอ๊ ถ้าลมพัดมาเนี่ยมันจะล้มไหมมันจะสกระปรกไหมที่นี่มันสะอาดมันจะสะอาดจริงไหมก็คิดแค่นั้นแล้วก็ไม่ได้ทําอะไรอีกแล้วก็ทําตามคําสั่งพอกลับมาเดินจงกรมอยู่อยู่ที่อุโบสถเนี่ยหลวงพ่อมันทําให้เห็นว่าเราอ่ะเป็นคนที่แบบไม่ค่อยครวญซุ่มซามแล้วก็ไม่ไตรตรองพอฝนมันตกปุ๊บเนี่ยก็เลยรู้เลยว่าเราอ่ะทําอะไรไม่เป็นคนที่ พอเขาบอกให้ทําเราก็ทําเราไม่ใช้ปัญญาของเราในการที่จะแก้ไขปัญหาหรือหรือไตรตร อ, องก่อนเนี่ยค่ะก็เดินจงกรมอยู่เดินจงกรมไปวนตกมานิดหนึง่งก็มันจะตกหรือไม่ตกตอนนั้นก็คือหลุดอีกอันหนึ่งก็คือไม่ว่าจะเดินจงกรมที่นี่หรือเดินไปเก็บที่เขียงนามันก็คือเดินสร้างความรู้สึกตัวเหมือนกันก็เลยตัดสินใจออกจากการจงกรมแล้วก็ไปไปเอาเอาขอบ มุ้งอะไรต่างๆลงมานะะก็สุดท้ายฝนมันก็ไม่ตกแต่ก็มันทำให้เราได้เรียนรู้ขึ้นมาว่าสิ่งที่ที่ที่คนบอกให้เราทำหรือเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราอีกครั้งหนึ่งที่จะมาตรวจสอบหรือมา เจอคำของลุงวิชัยที่บอกว่าดับเบิลเชคอะนะคะก็คื อ, อตัวเองเป็นเป็นโรคอย่างนั้นมาตลอดเวลาซุ่มซ้มลืมนุ่นลืมนี่แล้วก็ไม่อยากจะบอกใครว่าฝึกสติเพราะว่าไม่มีสติเลยในการจะทำอะไรอยู่ตรงไหนเดี๋ยวโทรศัพท์หายเดี๋ยวอ น, นุ่นอันนี้ก็คิดว่าครั้งนี้นะคะก็น่าจะเป็นการ กระตุกให้เหมือนกับจุดประกายให้เราเห็นชัดถึงโทษของการไม่สํารวมระวังในการที่จะทำอะไรค่ะหลวงพ่ออันนี้ก็เป็นเรื่องของสำหรับการการเดินจงกรมเนี่ยเอสเคทีของหลวงพ่อช่วยได้ค่อนข้างเยอะมากแต่ว่ามีนิสัยที่ไม่ดีอ่ะก็คือยอมจมจม่อมอยู่กับความ ความอยากจะอยากจะพักของเราไม่มีกําลังพอที่จะฝืนมันนะคะเดี๋ยวเช่นเดินอยู่อยากเดินอยู่แล้วเรารู้แล้วว่าถ้าเรานั่งเราจะเราจะหลับเราก็ยังเราก็ยังลุยไปกัมันอยู่อยู่ลุยไปกัมันเนี่ยแต่เนี่ยยังยังยังฝืนตัวเองยังไม่ได้ก็รู้ว่าจะหลับก็ยังนั่งอยู่แต่ว่าอีกอันหนึ่งที่คิดว่าตัวเองพัฒนาขึ้นมาก็คือเอ่อ หลุดจากคำว่าเดินจงกลมหลุดจากคำว่าอะไรต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คือหลุดจากคำว่าต้องเดินกี่นาทีนั่งกี่นาทีจะจะบอกกับตัวเองว่าเดินเท่าที่เรารู้สึกตัวแล้วเราจะนั่งหรือทำอะไรตามที่มันรู้สึกตัวถ้าไม่รู้สึกตัวก็ให้ปรับเปลี่ยนแต่มันก็ยังยังไม่สามารถทำได้เต็มที่ก็คือยังดึงฝืนตัวเองได้ไม่หมดแต่ตอนนี้ก็คือรู้แล้วว่า ไม่ว่าจะเดินหรือจะนั่งเท่าไหรก่ก็ได้ขอให้มันรู้สึกตัวให้มากที่สุดซึ่งซึ่งยังทำไม่ได้ร0อเปอร์เซ็นอาจจะได้สักสี่สิบห้าสิบเปอร์เซ็นะแล้วก็ค่ะถูกค่ะก็มีสิ่งที่น่าจะต้องวิจัยเสริมก็คือ เมื่อก่อนนี่นะเอามาเวลานั่งแล้วมันได้อารมณ์เคยได้อารมณ์ที่ตรงไหนก็จะนั่งที่ตรงนั้นนะว่ า, านั่งเวลาเท่านี้มันได้อารมณ์เวลาครั้งก่อไปก็อยากได้ใช้เวลาเท่านั้นแหละนั่งคมจะได้อารมณ์เอาไปเอามาเราไม่รู้ว่าเราติดสมถะคือเราเสพนะนะเราเสพความที่ได้อารมณ์พอตจะหลังมาพอจิตมันเริ่มเป็นวิปัสสนาเนี่ยมันเริ่มไม่เห็นด้วยละแต่นั่ ง, ส, งสองชั่วโมงพอนั่งไปชั่วโมงมันมันหมดอารมณ์ที่จะนั่งเราก็เลิก เราบางที่เคยไปนั่งที่ตรงนั้นไม่ได้ลมเราไปนั่งที่หนึ่งมม่ได้ลมเอาไปเอามาเนี่ยตัวจิตธรรมชาติดั้งเดิมที่เขาเขาต้องการเนี่ยเป็นเป็นจิตเดิมแท้เนี่ยตัวนั้นเราเชื่อตัวนั้นเลยแต่จิตที่เราตั้งไว้ว่าจะต้องเป็นตรงได้ได้เท่านั้นอันนี้มันจะลักษณะของสมถะเนี่ยเรายังยังตามจิตตัวนี้อยู่คือตามจิตที่ว่าความอยากนะเขาเซตเอาว่าเออต้องนั่งเท่านี้ต้องเดินเท่านี้นนต้งใช้เวลาเท่้อันนี้เป็นสมถะที่เราจะทําตามอยากอยู่ แต่พอมามันเป็นวิปัสนาแล้วเนี่ยเราจะไม่ทําตามอยากแต่เราทำจากสภาพที่ที่เป็นจริง อ, ะอ่ะมันอาจจะไม่ได้ตามเวลาที่เท่านั้น ม, มันไม่ใช่ที่ตรงนี้แต่ความรู้สึกที่จะได้อารมณ์เนี่ยมันไม่ใช่ความรู้สึกแบบนั้นละแต่เป็นคนวามรู้สึกที่เบาสบายโปร่งคือจะทําอะไรก็ก็นึกถึงตัวนั้นเสมอบางทีเราไปนั่งทรมานนานๆเพื่อมันจะได้อารมณ์ชักชุดหนึ่งเนี่ยซึ่งมันไม่ใช่ละอันนี้คือความต่างนะของสมถะวิปัสนา พอวิช ส, สมาฐานนั่นมันจะต้องเอาตัวสมมุติมาเป็นตัวกําหนดแต่วิปัสนานเนี่ยเอาตัวสภาวะที่มันอยู่ข้างในมาเป็นตัวกําหนดซึ่งตัวเนี้ยทางอาจารย์สมถฐาอาจจะไม่เห็นด้วยแต่เขายึดอันนั้นอยู่เราก็ได้เรียนรู้มาตามระดับถึงพัฒนาการของอารมณ์ปฏิบัติเนี่ยมาก็นึกถึงคําของวายโสคนหนึ่งเมื่อก่อนมาไปอยู่ที่ศรีรังกาเนี่ยเมื่อก่อนไปเรียนต่อที่นั่น ตอนท้ายที่จะออกจากค่ายเพราะทุกช่วงซส ม, มอรประมาณสองเดือนเนี่ยมาจะไปอยู่ที่ไอแลนด์เฮร์เมติช เ, เป็นเกาะที่ชาวต่างประเทศไปอยู่ตรงนั้นไปกปรรมฐานก่อนที่จะเลิเลิกค่ายกลับไปอ่าหมดซส ม, มอเนี่ยเขาก็ถามว่าคุณรู้ไหมว่าแก่นสาระที่แท้จริงของพุทธศาสนาคืออะไระที่เราก็ว่าไปนอะอริยสีบางณฑิตสุบาทบ้างหรือโอวัลเขาบอกไม่ใช่ให้คุณไปคิดใหม่ แล้วเบอกอีกเขาบอกไม่ใช่วันสุดท้ายที่เขาจะที่เราจะจากกันเค่เขียนคำหนึ่งติดหลังลูกของแกเอาให้พอแกเดิมเป็นชาวไอริสแล้วมาบวชอยู่ที่ อ, อินเดียอยู่สี่พรรษาแเห็ น, นว่าบทไปแล้วมันมีปัญหาเรื่องวินยัยเรื่องอะไรแย่ๆกันเลยออกมาเป็นอุบายส่มาปฏิบัติเขียนคาว่าพุทธศาสนาที่แท้จริงตามความเข้าใจของผมคือ skill in means สกิ l เกี hmm. Cold, Cold, Cold, ่ยวกัสกิ่นะอินแล้วก็มีเติมเอสสกิลอ m นมีสำหรับคนชำนาญภาษาไทยภาษาอังกฤษจะแปลว่าไง s i l ิ in ินมีบอกแค่เนี้ยคือหัวใจของข้อศาสนามาก็ยังไม่ชำนาญภาษาอังกฤษแล้วเราอยู่มาเรื่อยๆจนมาวันหนึ่งมาเข้าใจเรื่องปรมัติแล้วเอาตดนอ๋อสกิมเราไม่ใช่คำว่ากุศลสู้กระซิบกระาคือฉลาดในอุบาย วัยที่จะมาแก้อะไรต่างคือไม่จําเป็นต้อตามที่ออะไรตามเกิดขึ้นมาที่มันเป็นอุปสรรค ต, ต่ออประฐานแล้วเอาตัวนั้นเข้าไปแก้ให้มันหลุดจะแก้โดยวิธีใดก็ได้ไม่จําเป็นจะว่าพุทธิจารย์ศาสตร์พวกนี้ไม่ต้องก็ได้แก้งไงก็ได้ให้มันหลุดจากนัวงง่วงเลยนะหาวิธีแก้งไงก็ได้ให้มันหลุดจากตัว ง, ง่วงให้ได้แต่ทีนี้ไอ้ง่วงมันมีสองแบบหนึ่งง่วงแบบเป็นความต้องการของร่างกายชีวิตร่างกายเขาผลไม่เพพอเนี่ย สองง่วงแบบความอยากทางอารมณ์อยากจะง่วงทีนี้เราจะตอบสนองสองอย่างนี้ได้ไงถ้าเป็นการง่วงของร่างกายเป็นธรรมนะมันเป็นธรรมเพราะเป็นร่างกายมันต้องการถ้าเราไปฝืนไม่ยอมนอนไม่ยอมพักเนี่ยอันนั้นเราทําผิดแล้วเพราะอันนั้นไมเป็นธรรมเป็นรูปธรรมอะ่ะเพราะฉะนั้นในช่วงหลังมาอามารู้สึกเวลาตื่นขึ้นมาทีสามทีสี่ถ้าหนังตามั น, ม, นมันเหนียวเหนียวอยู่มันไม่ยอมตลงนะเอามาก็จะนอนต่อไปถึงไหนถึงกันไม่ว่ากันเดลย แต่ว่าตื่นขึ้นมาในช่วงไหนมันโปร่งเลยที่หนึ่งที่สองก็ต้องตื่นอ๋อตัวนี้เองว่าความต้องการของร่างกายเขามีเท่าไหร่ก็ให้เท่านั้นเมื่อก่อนนะมาติอารมณ์กับหลวงพ่อบุญธรรมคือคุยคุยกันไปเนี่ยท่านท่านนั่งหลับไปเฉยเลยอะ่ะให้เราปล่อยเราคุยคนเดียวเอาท่านตื่นขึ้ น, นมาฟังต่อทั้งนองเนี่ยคือทีร่างกายมันต้องการขวามผ่อนผ่อนเดี๋ยวว่าท่านไม่เ่อนผ่อนให้นะบางทีก็หลับกลางอากาศอย่างนี้น ดังนั้นเราต้องอ่านให้ออกว่าระหว่างลูกทำนำทำเนี่ยเรามันเป็นทำทั้งสองฝ่ายแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะฝืนลูกทำตื่นขึ้นมาถ้าสมมติตื่นขึ้นม า, า, มนนมาโล่งโป่งแล้วอยากจะนอนต่อเน้นเป็นกีเล่แล้วนะเป็นกีเล่แล้วถ้าตื่นขึ้นมาตามันหนึบมันเหนียว ม, มันหนักมันเรืู้รื้อขึ้นเนี่ยนอนต่อไม่ผิดเพราะอะไรอันนั้นคือธรรมชาติของร่างกายเขายังไม่ยิ่มก็ต้องให้เขาเพื่อให้ความที่จะไม่แยกแยะเห็นความแตกต่างเนี่ยต้องใช้เวลา แล้วก็หาอุบายแก้นะคือใช้ว่าฉลาดในอุบาย s k ิ l l in mind s k แปลว่า smart เข้าไหมฉลาดแล้วก็อินม n น in ม i n เป็นอุบายฉลาดในอุบายก็ได้แก่คุศโลบายและอุบายวิธีเราไม่ใช่ว่าคุศลสู้ประสมปทาการทำํำมีอุบายในการแก้เตรียมอุบายในการแก้ปัสสัททุกอย่างให้ถึงพร้อมไว้เสมอจะมาถึงว่า เ, าเตรียมอุบายเตรียมเครื่องมือที่เราเอามาใช้ดังนั้น ให้อ่านให้ออกว่าระหว่างกายกับใจเนี่ยเขาต้องการอะไรจริงๆถ้าเราไปต้องการนั่งสองชั่วโมงได้อารมณ์จริงๆแล้วไม่ต้องไม่ใช่ความต้องการของจิตแหลคือความต้องการของกิเลสใช่ไหมต้องการคนอื่นไม่อยากจะนั่งแต่จริงๆจิตเขาไม่ต้องการจิตเขาอิ่มแล้วเขก็ไปแต่เราอ่านเขาไม่ออกพเพราะว่าเราถูกกขี้เข้างำเชื่อว่าเป็นรือว่าเป็นความต้องาการของของจิตแต่นี่นใช่ต้องการของของกิเลสกะนั้นทุกสมถะนี่จึงไปวิปัสสนายากเพราะว่า ส่วนใหญ่ตอบสนองความต้องการของกิเลสฝ่ายดีกลสฝ่ายขาวอะ่ะกิเลสมันมีสองส่วนคือฝ่ายขาวกับฝ่ายดำใช่ไหมทำขาวและทำำําดําแต่ในส่วนปรมาิตมันไม่ใช่ดําทันอยู่เหนือขาวเหนือดำเขาไปอีกแต่เราก็ไปติดตรงนั้นที่ว่าไปสู่พรมเพราะฉะนั้นพวกที่ไปทําสมถาก็ไปยังสูงสุดแค่พรมไปส่วนเลี้ยบคูมไม่ได้เพราะมันอยู่ในภูมิของความอยากอยู่นะอันนี้เป็นเรื่องสําคัญเพราะนั้นคุนน้องปรลบเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยก็คือหาวิธีการที่เหมาะกับตัวเองในการแก้ปัญหานะ ซึ่งมันบางทีมันอาจจะอ่าในวิธีการเขาบอมันอาจจะไม่ใช่แต่ว่าโดยธรรมชาติเนี่ยมันต้องการอย่างนี้ยแล้วก็เหมาะกับเราอะนะไอ้ตัวนี้มันก็จะทําให้มีก็เรียกว่ามันถูกอ่าธรรมชาติของเรามันต้องการอย่างเนี้แล้วก็เรามีกําลังแล้วก็ทําให้เรารู้ต่อเนื่องทําให้เราต้องอ่โละอะไรบางอย่างที่เราเคยยึดติดนะออกไปได้ง่ายๆโดยที่ไม่คิดว่ามันจะผิดหรือมันจะถูกแต่มันถูกตามสภาวะธรรม แต่ในความพอดีของแต่ละคนจึงไม่เหมือนไม่เท่ากันไงแต่ไม่เท่ากันเรามาพูดบ่อยว่าบางคนกินข้าวสามจานเนี่ยพอดีแต่บางคนกินจานเดียวเขาก็พอดีแล้วพี่บอกว่านี่ยเขากินแค่นคนเดียวจานคุณไปกินทําไมทั้งสาจานมันผิดอันนี้ไม่ใช่เขาถูกแล้วเพราะว่าเขาคือธรรมชาติเ ข, ขาต้องการอย่างนั้นแล้วคุณกินน้อยเนไปจานเดียวนี่ไม่ถูกนะเดีย๋ยวมันจะหิวก็ไม่ใช่คือธรรมชาติเ ข, ขาต้องการแค่นั้นอันนั้นต้องเอาสภาวะทำที่เป็นรูปธรรมนามธรรมซึ่งเป็นรายละเอียดมากนะอ้าวต่อไปยมุม ก ล, ลับมมรดกการหลวงพ่อพระพิสุทธสงฆ์ทุกรูปแล้วขอมนทนาบุญกับญาติโยนทุกๆคนข้าเจ้าจินดาปัญจเลืองมาจากจังหวัดเชียงใหม่เจ้ามาจากจังหวัดเชียงใหม่พอวันแรกที่มาถึง ที่วัดของหลวงพ่อที่วัดดอยสิ่งที่เจอคือความร้อนหลวงพ่อร้อนว่าจะมาจะก็อยู่เชียงใหม่แล้วรถที่เขามาส่งกลับเขาก็กลับไปแล้วจะทำไงเดี๋ยวไปทางไหนก็จะมีแต่ความร้อนแต่ละภาพกับหลวงพ่อเดินไปห้องน้ำได้ไปสังเกตมันมีที่อาบน้าเ น, นี่ก็ลูกก็เลยแอบอาบน้ำตั้งแต่ตรงนั้นเลยเพราะวันมันร้อนทั้งกายทั้งใจเราก็ต้องหาวิธีว่าเราจะปรับยังไง ห้องน้ํามันมีที่อาบได้ก็เลยอาบพออาบเสร็จมันก็ชื่นใจที่สังเกตตัวเองจับจิตตัวเองมันเย็นได้ณขณะที่เราอาบเท่านั้นเองหลวงพ่อพอเราเดินบันไดขึ้นมาอีกมันเป็นขั้นๆมันก็ร้อนเหมือนเดิมอีกโอ้อมันก็ใช้วิธีแก้ตรงนี้ก็ยังไม่ยังไม่ได้ผลก็ต้องยอมรับว่ามาแล้วก็ต้องสู้ให้ถึงที่สุด ก็ในความเมตตาหลวงพ่อหลวงพ่อก็ว่าเออมามาอยู่ใกล้กลแอร์หลวงพ่อเปิดแอร์ให้ก็จะเป็นคนที่แอบฝึกแล้วก็อยู่ตรงแอร์ตลอด <c oughs> เป็นคนที่ร้อนจัดไม่เอาเย็นจัดไม่เอาเอาแต่สบายหลวงพ่อดังนี้ก็เริ่มได้ฝึกกับตัวเองค่ะก็หกเจ็ดวันที่ได้มาเรียนรู้ก็เกิดตัวภาวะธรรม ที่ได้เฝ้าดูทั้งกายกับใจของตัวเองและก็กันได้อยู่กับตัวเองวันแรกที่มาถึงด้วยความเหน็ดเหนื่อยในการเดินทางพอถึงที่นอนหลับไม่รู้ร้อนไม่รู้หนาวหลับไปเลยลก็ตื่นขึ้นมาก็มีความสดชื่นก็ตั้งใจพร้อมที่จะปฏิบัติพอเริ่มปฏิบัติเจอเลยความง่วงมาก่อน ง่วงอย่างที่ไม่เคยได้หลับได้นอนมาทั้งที่กลางคืนหลับเต็มที่ก็ถามตอบตัวเองเอ๊ะเราทำไมมันไม่เหมือนคนอื่ น, นบาปหรือเปล่าเนี่ยจะมาปฏิบัติทำไมมาแต่มีแต่ความง่วงพอเนี่ยยังไม่รู้เทคนิคอะไรมากที่ยังไม่ได้ทราบที่หลวงพ่อจะบอกพอจะเดินอย่างเดียวพ่อเห็นเก้าอี้ป๊บมันจะหลับไว้ก่อนแล้วหลวงพ่อหลับได้เลย ก็เป็นตังวลอยู่ตรงนี้ได้สุพักหนึ่งแต่เดินเนี่ยพอพอใช้ได้พอวันสองวันวันแรกผ่านไปพอวันที่หลวงพ่อให้เทคนิคในการเดินก็พยายามที่จะเรียนรู้แล้วก็จดจำพอเริ่มไปปฏิบัติก็ปิ้งเลยหลวงพ่อทีนี้โอ๊ยเพลินเลยเพลินเผลอเพลินเลยมัน มันไม่เคยเจอมาก่อนนะว่าการที่เราเดินแต่ละก้าวก้าวแต่ละครั้งที่เรามีสติตามรู้รู้ตัวแบบนี้ก็ใช้หลักในการเดินตรงนี้อย่างเผลอเพลินก็ตอนแรกคิดว่าน่าจะดีนะเผลอเพลินตรงนี้แต่คนสุดท้ายมามันก็กลับมามันไม่ได้เพลินตลอดอีกแต่ที่สังเกตความต่อเนื่องที่เราได้เดินหลายๆวิธีการส s เคของหลวงพอ่อ จากการปีนั่งมันจะสงบแล้วก็จะมีความจเจริญสติได้ได้ได้ดีอย่างต่อเนื่องเพราะว่าเราเราเดินมาได้ดีหน้าตรงจุดนี้แล้วในช่วงวันที่สามเนออี่อมีแฮปปี้มากเลยคิดว่าโอ้เราเจอแล้วเราคงเพลินอย่างนี้โอ้ไม่ใช่พอวันต่อไปมันกลับไปพลิกปีเหมือนเดิมอีกความห่วงมีแต่มันน้อย แต่ความฟุ้งในความคิดความเผลอคิดมันมีตลอดเลยอดีตตายปุ๊บปัจจุบันไม่อยู่ไปนะอนาคตกลับไปกลับมาต้องใช้วิทยายุทธ์ที่จะมาปราบตรงนี้พอสมควรก็พยายามใช้หลักของหลวงพอ่อเดนินกับนั่งกอนนั้นเราจะติดว่านั่งก็ต้องนั่งแบบนี้ให้ได้เป็นชั่วโมงต้องสองชั่วโมงพอหลวงพ่อได้แนะวิธีขยับคุกเขา่า ยืนอะไรต่างๆมันค่อยๆค่อ ย, อยกลับมามันก็สลับกลับไปทั้งอดีตปัจจุบันความที่ลูกคิดว่าจะต้องแก้ไขน้อยขอ ง, ของตวเองก็คื อ, อเรื่องของความคิดค่ะมันจะคิดคิดบางทีมันฟุ้งไปแล้วมันเอาไม่อยู่ความง่วงอ่ะพอจะหาวิธีที่จะปรับแก้ได้เพราะตอนหลังมาความง่วงมันจะมีน้อยลง แต่ไปได้เจอข้อคิดที่ที่วัดดอยจะเขียนบอกไว้ว่าทันทีที่ความคิดเกิดขึ้นให้ปลดทิ้งทันทีแล้วกลับมารู้สึกตัวช่วงแรกๆใช้มันไม่ได้ผลแต่วันที่สามที่สี่หลังจากที่ได้เทคนิคของหลวงพ่อผสมกับข้อความทีนี้ปัดมันทิ้งออกไปมันก็ค่อยๆจางหายไปหายไปแต่มันยังอยู่แต่สิ่งที่ลูกจะบอกและพบกับตัวเองว่า สิ่งที่อยากจะขอบคุณคือขอบคุณความร้อนความร้อนมันมันต่างมันทาให้ตื่นทาให้รู้จักวิธีที่เราจะประคองตัวเองประคองจิตประคองกายของเราอย่างไรอย่างเช่นวันที่สองอยังได้นอนที่ ท, ท, ที่ห้องแถวที่พักก็ใช้วิธีผ้าเช้ตัวบิดน้ำหมักแล้วก็โขมไปเลยเพราะมันร้อนจนทนไม่ได้พอวันที่สอง ก็ค่อยๆหาสังเกตดูว่าที่นั่นมันว่างพอดีมีน้องน้ย้ยเขาไม่น้ําใจเขาบอกว่าพี่เอาเลยหนูเฉพาะหน้างแล้วให้พี่นอนเขาจัดที่นอนให้อย่างดีก็ต้องขอบคุณเขาก็ได้ที่หลับที่นอนอย่างดีทําให้กายของเราได้พักดีก็คือถือว่าโชคดีได้นอน VIP ทั้งสี่คืนหลับอย่างดีเพื่อร่างกายได้ได้พร้อมเจาะกะอันนี้ถึงว่าความร้อนทําให้ตื่นเพราะว่าลูกจะเปรียบเทียบและสังเกต หน้ขนาดที่ร้อนปลู ก, กับเดินได้ดีกับความที่มันอากาศดีๆ เ, เย็นสบายอันนี้พูดจากที่เราเจอไม่ทราบว่าผิดปกติอะไรหรือเปล่ปาหลวงพ่อเจ้าค่ะอันนี้เขาเล่าเฉยคือเย็นสบายแทนที่จะไปได้ดีมันกลับฟุ้งอีกมันมันมันมันก็สลับไปสลับมาก็เลยบอกว่าต่อไปความร้อนก็คงจะขูรู้ว่ามันร้อนก็คงจะมาดังแกอะไรเราขอที่จะที่จะปรับ เข้าจะุดตรงนี้ได้เจ้าค่ะสิ่งที่พบกับตัวเองก็คือการรู้สึกตายรู้สึกใจปรับหาความสมดุลตรงนี้แล้วก็ปรับความรู้สึกให้รับอะไรที่มันไวๆได้เร็วขึ้นแต่ก็ยังต้องฝึกปฏิบัติต่อไปเจ้าค่ะแล้วก็จะนำหลักที่คิดว่าตัดบันทิ้งอะไรที่มันรบตัดทิ้งให้เร็วแล้วกลับมารู้สึกตัวค่ะ อ่ปฏิบัติโทษขอโทษเฉค่ะเคยปฏิบัติแต่แค่ปฏิบัติอยู่ในคอสแล้วก็ไม่ได้ปฏิบัติต่อเนื่องไม่ได้ไม่ได้ปฏิบัติต่อเนื่องคือปฏิบัติแค่ในคอสจะค่ะกลับไปแล้วไม่ได้ทำต่อเพียงเปิดใจไหมแล้วนึกถึงนึกถึงบ้างทําบ้างนึกถึงบ้างทําบ้างไม่ไม่ได้ใส่ใจมากเป็นคอส ป ร, ประมาณสามครั้งแต่ขอสลรภาพไม่ได้ปฏิบัติต่อแค่ต่อสี่คั้งต่อเนื่องสี่ล่างสามนะก็ก็ไม่ไม่ได้ต่อเนื่องเจ้าค่ะแต่สิ่งท yes)> ี่ได้ให้เ้าคิดกับตัวเองลูกบอกว่าลูกคลิกที่หลวงพ่อบอกวันที่ให้ปฏิบัติําเดินในวันนั้นก็บอกว่าตอนเนี้ยเรารู้วิธีที่รับมิดให้ขมแล้ว มันอยู่ที่ตัวลูกเองว่าลูกจะเอาจริงหรือว่าจะเอาเล่นค่ะแต่ที่รู้อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องเวลาวันแรกนี่รอเลยเมื่อไห ร, จร่จะตีระครังจะตีระคังรอแล้วรอเล่ารอแล้วรอ อ, ออีกแต่คนสุดท้ายมาวันหลังๆไม่อยากได้ยินระครังแล้วเจ้ะค่ะ ก, การเป็นมรดกหลงพ่อนะคะเออ่พระภิกษุสองทุกรูปคุณแม่ชีแล้วก็เพื่อนที่ร่วมเข้าคอสปฏิบัติทุกคนคะ่ะเติ้นนะคะเอ่อเปิ้นขอพูดที่มานิดนึงที่ได้มาเข้าคอสของหลวงพ่อครั้งนี้นะคะคือเติ้นเคยเออ่ฟังธรรมของหลวงพ่อครั้งหนึ่งที่วัดสนามในแต่ก็นานมากแล้วนะคะแล้วก็รู้สึกว่าตัด จากวันนั้นนะ่ะก็คิดว่าเ อ, อจะพยายามหาคอร์สที่เข้าให้ได้นะคะตอนนี้พอทราบว่าหลวงพ่อส่วนใหญ่จะอยู่อเมริกาก็เลยมาที่เท้าก็ก็ปฏิบัติที่บ้สนามนไปนะคะแต่ที่นั่นเนี่ยก็คือไม่ได้มีคอร์สนะคะเราก็ปฏิบัติของเราไปนะคะพอเ อ, อหลังจากนั้นเนี่ยก็มาเข้า ที่ปฏิบัติได้ปี ก, กว่าก็รู้สึกว่าเออหน้าจะมาเข้าคอร์สก็เลยไปเข้าที่วัดป่าจุก โ, กโตได้ครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ต่อมาที่วัดสมพนัทนะคะพอหลังจากวัดสมพนัทเมื่อประมาณมกคลาคุณพาที่แล้วเนี่ยนะคะก็คิดถึงหลวงพ่อขึ้นมาอีกนะคะพอถามป้าที่วัดสนามไหนบอกว่าโอ้ทั้งมาเข้าคอร์สหลวงพ่อนี่สุดยอดเลยนะต้องเข้าไม่ได้นะอะไรอเงี้ยพอกลับบ้านก็ หาเว็บเลยก็คีย์ชื่อหลวงพ่อปุ๊บขึ้นมาเราก็ดูเลือกคอสขอ ง, ของพ่อโอ้โหสิบห้าคนน่าจะไม่ดู้เขาจะรับเราไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็อยากได้คอเซ็กซ์เล็บอย่างเงี้ยนะคะก็เลยรีบโทรทันทีหาพี่จิพี่ก็เลือกชื่อวิ่จิขึ้นมาเพราะว่าเป็นผู้หญิงนะคะพอคุยที่พี่จิพี่จิก็เป็นคนที่กันเองมากเลยก็ จนคุยจนเรียบร้อยเค่ว่าสัมภาษณ์ว่าเออเคยปฏิบัติไหมอะไรยังไงเสร็จแล้วพอตกลงรับพี่เขาบอกว่าเอาน้องเป็นคนที่สิบหกนะพขาบอกปู่พี่เขาคุณมากเลยที่ที่รับอะไรอย่างเงี้ยนะคะเสร็จแล้วพอเอพี่เขาก็บอกว่าน้องเดินทางคนเดียวเดี๋ยวพี่จะหาเพื่อนให้อะไรอย่างเงี้ยชื่อพี่วิชัยหรือว่าจําชื่อ พ, พี่วิชัยตั้งแต่วันนั้นอะแล้วก็ ที่พีแชรยก็โทรมาแล้วก็จองตั๋วอะไรให้ก็รู้สึกว่าแฮปปี้ตั้งแต่ตั้งแต่ครั้งแรกที่ที่จะได้เข้าคอร์สนะคะแล้วก็ได้มีการ เ, เตรียมความพร้อมก็คือก็ฟังซีดีของหลวงพ่อในในเว็บไซต์เสียงปัญญามาบ้างนะคะแล้วก็พอได้มาจริงๆใกล้ๆวันก็มีการติดต่ อ, อ ก, กับมานูเป็นคนติดต่ อ, อพี่จิไปพี่จีก็บอกว่าเออเิ เราเราไปไม่ได้แล้วนะที่ดอสติอะไรอย่างเงี้ยแต่เป้ก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะว่าเป้ไม่ได้ติดติดว่าจะไปที่ไหนแต่ว่าได้เขาอบรมกับหลวงพ่อก็โอเคแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็พอมาถึงค่ะเอาค่ะท น, น, นี้เอาภาพรวมที่นี่เลยนะคะพอ่าที่แพทยแสงเทียนสองวันแรกที่ปฏิบัติแล้วได้อารมณ์นะคะก็เกิด คือภาพรวมแล้วเนี่ยเป็นพอเกิดสภาวะตรงที่เกิดการสตาร์ทอยานั้นขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็รู้สึกว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในตัวเองนะคะการรับรู้การรับรู้จะชัดเจนขึ้นนะคะแล้วก็ไวขึ้นนะ ไม่ว่าเราจะได้ยินเสียงหรือตอนที่เราเดินจงกรมเนี่ยในขณะที่เราเดินเนี่ยเท้าสัมผัสรับรู้ความรู้สึกแต่เราก็รับรู้ถึงเสียงนกที่ร้องด้วยคือในขณะเดียวกันก็เรียกว่าจิตเนี่ยไวมากการรับรู้เนี่ยเขาสามารถจะรับรู้ได้พร้อมๆกันในขณะเดียวกันได้หลายๆทางนะคะแล้ววันที่หลังจากวันที่เกิดสภาวะวันนั้นแล้วที่บอก มันเกิดสปาค์มช็อตไปถึงจากหัวไปถึงเท้ายิวเท้าเนี่ยหลังจากนั้นอีกวันหนึ่งนะคะเพิ่นก็ไปเดินตรงเระเบียงชั้นบนนะคะของกุฏิซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันเป็นชั้นบนแล้วก็มีกอไผ่อยู่ด้านข้างๆนะคะเราก็เดินตอนเดินจงกลมเนี่ยก็จะได้เสียงกระทบแต่เสียงกระทบหูเสียงไผ่เสียงอะไรแล้วก็มีเสียงนกร้องซึ่งมันฟังชัดเจนมากคือตรงนั้นบ๊อ มันเกิดใหมากแล้วจิตเราก็ปรุงทันทีว่าต้องมีนกมากกว่าหนึ่งตัวแน่เลยเพราะเสียงมันดังนะคะก็จะแตยังไม่ได้เงยขึ้นไปดูนะคะก็ยังยังยังยังอ ย, งอยู่กับการเดินอยู่ความรู้สึกก็ยังอยู่กับการเดินอยู่มันก็เกิดความเหมือนกับตัวอยากรู้ขึ้นมาตัวอยากรู้ค่ะหพระว่ า, วาก็เงยหน้าขึ้นไปดูจะได้เห็นนกอะไรอย่างเงี้ยหรืออยู่ตรงไหน เสร็จแล้วมันก็เกิดอีกตัวหนึ่งบอกว่าเฮ้ยหย่านะเรากาลังเดินจงกรมอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็พอมันไวตรงนี้มันไวมากเราก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้อะไรเหมือนเราดูอยู่เราดูอยู่เกิดกันเถียงกันระหว่างสองสองความคิดตรนี้ตัวอยากรู้อะไรเงี้ยเสร็จแล้วมันก็เกิดและเลึกขึ้นมาที่หลวงพ่อบอกว่าอุปสรรคของเ อ, อตัวอยากรู้ เออไออุปสารคของตัวรู้ก็คือตัวอยากรู้เราก็อ๋อมันเป็นอย่างนี้แล้วไอความอยากไอตัวอยากรู้มันก็จับไปนะคะเราก็กลับมาอยู่ที่การเดินต่อไปเรื่อยๆพอครั้งหนึ่งหลังที่จะยินเสียงนกอีกเนี่ยจิดมันก็เฉยๆแล้วก็ไม่ได้อยากรู้อะไรเหมือนกับ มันก็จับแต่ไม่ได้ยินแล้วก็เดิน <_ d ream> เดินเดิน <_ d ream> ไปเรื่อยๆคือแต่ก่อนเนี้ยป้เป็นคนที่ชอบเข้าป่าชอบเที่ยวป่าถ้าได้ยินเสียงนกปุ๊บเนี้ยตาจะสแกนแล้วมันอยู่ตรงไหนคือ <_ d ream> จะหาแล้วนคะคะ <_ d ream> ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งตรงนี้เราก็เออ่เห็นว่ามันมันมั น, ม, นมันชัดเจนตรง น, นี้นะคะแล้วก็เ อ, อการปฏิบัติ ก็รู้สึกสนุกกับการปฏิบัติเพราะว่ามีควารู้สึกว่าเราได้มองเข้ามาข้างในตัวเรา <Yeah. S 1> เอ่อว่ามันเกิดภาวะอะไรบ้างยังไงอย่างเช่นเวลากลืนน้ำเราก็รู้สึกว่าน้ําเนี่ยที่มันไหลลงไปในคอลําคอเรานะคะหรือว่าเอออย่างตอนล้างชามอย่างเงี้ยเมื่อวานนี้เองที่ล้างชามกับแม่กับแม่ชีอ่ะกรณีเป็นล้างน้ําแรกซึ่งเป็นน้ําที่ต้องล้างไอ้สกรปรกออกอ่ะ อันนี้พอ่อในกลามังเนี้ยมันก็มีอุปกรณ์ครัวเยอะนะคะอันนี้ไม่ชีก็วางพอดีไม่ชีวางมีดไวในในในในในกลามังนั้นด้วยเป็นก็พอมือเราลงไปสัมผัสปุ๊บมันเหมือนเร็วมากมันเหมือนตัวรู้ที่ลงไปปุ๊บมีดะระวังนะคือถ้าเป็นเด็กก่อสงสัยจะได้จะได้แผลนะคะแต่พอพอเรา เรารู้สึกว่ามันมันเกิดการรับรู้ที่รวดเร็วแล้วก็ชัดเจนขึ้นทำให้เราระวังแล้วก็อ่าเอามืออ่าต่อระวังแล้วหยิบขึ้นมาโอ้มันเป็นมีดมีดมีดใหญ่มากมีดบางตออันใหญ่นะคะก็รู้สึกว่าเกิดการเรียนรู้ตรงนี้ขึ้นมาทําให้ทําให้เรามีความมีสติรอบคอบมากขึ้นนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ เป็นคิดว่าเป็นสิ่งที่ที่ได้ชัดเจนมากก็คือการปล่อยวางนะคะเพราะว่าทุกอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเปลี่ยนจากไม่ได้ไปฝึกที่โน่นแล้วแล้วก็ไม่ก็มีการยกเลิกไปตรังหรืออะไรก็แล้วแต่คือมันเกิดการเรียนรู้ตรงนี้ขึ้นมาแล้วใจมันก็ปล่อยไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ได้มีความรู้สึกว่าต้องไปยึดอะไรคืออยู่กับปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันได้มากขึ้นค่ะ ส่วนวันที่ดีที่สุดที่ในการเดินจงกรมก็คือเมื่อวานนี้นะคะตอนเช้าที่ไปเดินที่ในป่ามีความรู้สึกอันหนึงที่มันพูดไม่ถูกมันเป็นความสงบเย็นเดินเนี่ยมันไม่ใช่ปิติที่แบบตัวเบาแล้วแต่มันเป็นความสงบลึกๆอยู่ข้างในแล้วเราก็เออ่มีความรู้สึกว่าเราตัวเล็กมากเลยเราเราตัวเล็กมากเลยอยู่ในป่าใหญ่ เราก็มีความเป็นอิสระเกิดขึ้นในใจขึ้นมาตรงนี้นะคะก็เลยกลับมาบอกพ่อว่าเพิ้นจะไม่กลับไปที่นู่นแล้วที่ดอไอแล้วก็คือจะอยู่ปฏิบัติต่อที่นี่อะค่ะก็ประเด็นไหนที่เห็นว่าจําเป็นที่พวกเราต้องต้องต้องรู้ก็วิจัยต่อนิดหนึ่งนะคงยมเอออะไรนะเชียงใหม่ชื่ออะไรนะจินดาเออจินดา พูดถึงเรื่องของจุดที่เห็นไอความร้อนที่เราสัมผัสเนี่ยมันชัดเราพยายามหาที่แล้เห็นความเปรียบเทียบ น, นะเปรียบเทียระหว่างร้อนไม่ร้อนร้อนไม่ร้อนคือการที่เราติดสัมผัสอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราเราเสกมลึกเนี่ยนะมันก็จะทำให้เราเสกติดดังนั้นจุดนี้ความเพลินเนี่ยเพลินใน พัฒนาคือความสบายนานๆเพศพอถ้าสมมุติเราไปกระทบพิงตัวกระแฟมได้มันดูเหมือนว่ามันจิตมันจะไปดิเซททันทีนะทีนี้เราถ้ามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราต้องการเรียนรู้ทั้งสองสภาวะเออถ้าร้อนจะจัดอย่างเงี้ยเป็นไงเขาก็จิตเราเข้มแข็งมาระดับหนึงแล้วนะแต่เร็วแต่ถ้าหาว่าจิตเขาเรายังไม่เข้มแข็งมันก็เออให้มันร้อนน้อยๆหน่อ ย, อ ย, อ, ยอย่างเงี้ยก็ค่อยปรับไปเรื่อยๆ ก็ตอนหลังมาที่มามาปรับปัะตูเองนี่ก็คือพออาการร้อนมันคิดหาความเย็นพออากาศเย็นมันคิดหาความร้อนเราก็จะดูตรงนี้นิดหนึ่งว่าทําไมจิตของเรามันตะวัดไปหาความเย็อ๋อเมื่อก่อนเราเสพความร้อนเรเสพความเย็นมากเกินไปอพอไปเจอความร้อนปักจิตมันหวนหว น, ห, นหาตรงนั้นนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ที่พุทธเจ้าท่านบอกว่าผู้ปฏิบัติหรือบรรพชิตไม่คนเสพสองทาง กามรวัฏนงการนุโยคือความสบายนะแล้วอัตตกิมาฐานนุโยคือความลำบากสองทางนี่แต่ว่าเราไม่สามารถจะละสภาพความเป็นจริงได้ว่ามันจะต้องมีภาวะในความจริงมีทั้งความร้อนความไม่ร้อนความสบายไม่สบายภายนอกใช่ไหมแต่เราสามารถสัมผัสได้ถึงความร้อนไม่ร้อนแต่จิตของเราท่านบอกว่าอย่าเสพคือละการเสพละความเพลินว่างั้นเถอะละความเพลินในสองสองอารมณ์นี้เสียเมื่อ แต่ว่าร่างกายของเราที่มันมันสัมผัสได้เนี่ยมันจะปรับตัวของมันเองแต่ว่าจิตของเราที่มันโดยสัญชตาตญาณลึกๆเนี่ยมันกลัวรู้สิร้อนระดั บ, บนี้เอมันกลัวนะแต่เรานึกถึงแม่ค้าที่อยู่หน้าเตาไฟที่เขาทอดไอ้ไ อ, อะไรกล้วยนะทอดกล้วยขายหน้าร้อนด้วยน ะ, อะทอดกล้วยแขกทอดมันทอดอะไรต่างๆที่ขายทั้งวันเลยนะแต่เขาร้อนอย่าง อ่ายินดียนะยินดีที่จะร้อนหรือไม่กระท่านแค่อะไรขนุมพกขายนะฮะลักษณะอย่างเนี้ยเอามาก็ร่างกายของเราบางทีพัฒนะมันหลอกเรามันหลอกเราถ้าแล้วแต่ว่าถ้าใจมันชอบมันจะร้อนเท่าไหร่ก็ได้แต่ใจมันไม่ชอบนิดเดียวก็ไม่ได้อย่างนี้นะตอนนั้นเราก็มาตรวจสอบตรวจสอบเฉพาะอ่าสภาพจิตของเราว่าโอ้เต็นอย่างนี้มันพัฒนาเนี้ยมันหลอกเราเราเอาน้ํามาส่องขันอันนี้น้ําแข็งขันหนึ่งน้ําร้อนขันหนึ่ง ไปจุป่มมือพอพร้อมกันเนี่ยความรู้สึกอันหนึ่งมันเย็นอันหนึ่งมันร้อนเนี่ยถ้าหากว่าเราทําเพื่อศึกษาเนี่ยเราจะไม่กลัวใช่ไหมแต่ถ้ามเลยไปจุ่มอันไดหนึ่งเข้าโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจศึกษาเราจะเกิดกดตัวขึ้นทันทีเลยเพราะว่าทั้งเย็นทั้งร้อนมันมันก็หลอกเราแล้วทีนี้ถ้าจับเอาน้ำสองขันมารวมกันเอาน้ําร้อนในเทใสน่น้ำแข็งนั่นจะเป็นสภาพเป็นไงใช่ไหมแล้วค่อจุ่มไปอีกทีหนึ่งภาษสาทประมัยี้เกิดขึ้นคืออะไร ทางที่จุกในน้ํำมนเดิมเลยนะแต่ว่าจับสองอันมารวมกันใช่มันอาจจะอุ่นหรือจะพอดีหรืออาจจะเย็นนิดนึงอาจจะร้อนหน่อยแต่ก็รับได้เพราะฉะนั้นเวทนาของเราเนี่ยเราแยกไป็สองส่วนทั้งท่านยู่ร่างเดียวกันในขันน้ําขันเดียวกันเนื้ออันหนึ่งมันร้อนจัดอันหนึ่งมันเย็นจัดแต่มันมันไม่เหมือนกับน้ําที่อยู่ในขันที่มันรวมกันเพราอะไรฟังอีกครั้งอามาถามบอกว่าน้ําร้อนขันหนึ่งกับน้ำแข็งขันหนึ่งนะ อยู่คนละขันเราจุมมือเข้าไปความรู้สึกคนละอย่างแล้วน้าน้ำสองขันมารวมเป็นขันเดียวกันได้จุมไม่อีกทีหนึ่งมันก็ได้ความรู้สึกพอดีไงนะแต่ในตัวเราในกายเดียวกันในใจเดียวกันเรามีความรู้สึกสองอย่างคือความร้อนความคือความสบายไม่สบายแต่อยู่ในใจเดียวกันนะแต่ทําไมมันรวมกันไม่ได้เหมือนน้าอ่ะ <c oughs> ใช่ไหมไม่บ <c oughs> อ, อกไหมถามว่าทําไมมันจึงรวมกันไม่ได้เหมือนน้าเพราะ เน้นได้มีความมีคำตอบ่าไงนะเน้นว่าไงนะเราเอก่อนเอยางอกหือกไม่ชัดเพราะว่าน้าร้อนหรือน้าเย็นตามก็เป็นอะไร <c oughs> เป็นรูปใช่ไม <c oughs> แต่ด้ตัวของเราเนี่ยมันมีทั้งรูปและทั้งนามก็ยังมนจึงรวมกันไม่ได้เ <c oughs> พราะนาก็จะรายงานอีกแบบหนึ่งใช่ไหม รูปเนี่ยเขาก็รายงานอีกแบบหนึ่งแต่รูปเขาก็ไม่ได้รับรู้จริงๆแล้วแต่ถ้าไม่มี น, มน้ำเลยเขาไม่ได้ ร, รู้ถึงร้อนถึงเย็นเ่ยใช่ไหมเหมือนคนตายเอาไฟไปเผาต้องแข็งไว้แช่เขาก็ไม่รู้สึกแต่พอมีน้าเข้าไปเพราะนั้นจริงๆลึกๆแล้วใครเป็นผู้รับรู้ร้อนน้ำใช่มไหมนม้ำแต่มีความที่เรามีอุปทานอยู่ว่าให้สําคัญความร้อนและความเย็นเรื่อนี้ให้ไปศึกษานะ เเรี่องเยเขะเอียดอ่อนว่านะสําหรับโยมเปิลทั้งศึกษาศิลปะในการใช้อย่างศิลปะในการเรียบเรียงนะแต่ว่าที่ชอมไม่ค่อยเหมือนกันในสีไม่ค่อยเท่าึ่งที่ชอเขาเลืสีแั้วนั่งเรียงกันแล้วมาอาภาบัญญาติควรสีนั่นหมายาว่าอารมณ์ในการปฏิบัติเนี่ยแล้วพยายามอยากฟังรู้สึกต่อเนื่อง แต่คุณเพิ่มความรู้สึกมันค่อนข้างกระโดดนะต่อไปจากต่อเนื่องดูสมมติว่าเรานั่งเนี่ยความรู้สึกแต่ถ้าจะดูความรู้สึกหนักหายไปเห็นความต่อเนื่องนะมีความต่อเนื่องแต่ถ้าเรานึกไปล่วงหน้าก่อนว่าเออถ้าเปลี่ยนแล้วมันน่าจะสบายแล้วก็เปลี่ยนไปเลยเห็นความสบายจริงแต่ว่าก่อนที่จะเปลี่ยนความสบายไม่ความไม่สบายเป็นความไม่สบายมันเปลี่ยนอย่างไรเนี่ยเราดู ขาดในช่วงนั้นเพราะนั้นไปดูช่วงเชื่อมต่อระหว่างการเปลี่ยนเยียบทให้ชัดขึ้นถ้าคุณเปิ้ลจะก็ได้ไวมากนะเพราะว่ามันความรู้สึก ม, มันกระโดดคือมายความว่ามันมีสัญชาตญาณอยู่ขั้นอยู่นิดหนึ่งแต่ถ้าดูให้เรื่อยอีกนิดนึงก่อนที่เราจะเปลี่ยนจากสบายมาสู่ความไม่สบายก่อนที่จะเปลี่ยนจากความไม่สบายไปสู่ความสบายมันเปลี่ยนเป็นอย่างไรจะแก้ไขตรงนี้ได้ไว้แน่นอนนะอ่ะพยมข้างหลัง กราบนมัส ก, การหลวงพ่อและพระภิกษุทุกรูปแล้วก็กราบนมัส ก, การแม่ชีแล้วก็สวัสดีญาติธรรมทุกท่านนะค ะ, ะครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เขาขอส่งพ่อมาถึงก็รู้สึกว่าเจอทุกเลยค่ะหลวงพ่อทุกทุกทางกายนี่ทุกมากเพราะว่าปกติอยู่อยู่บ้านก็จะนอนแอร์ตลอดพอมาถึงต้มเนี่ยพัดลมก็ไม่มียังยัง รู้สึกว่าจําความได้นี่นานมากที่ไม่มีพัดไม่ได้มีพัดลมตั้งแต่ตอนเด็กๆอยู่บ้านร้อนยังไงก็ก็อย่างน้อยก็มีพัดลมก็ยังดีก็เข้าเขาขอส่งพ่อตั้งแต่วันแรกวันแรกเนี่ยถ้าเป็นนักมวย อ, อย่างหลวงพ่อว่าเนี่ยคือโดนน็อกเลยค่ะคือไม่ได้อะไรสักอย่างทั้งร้อนทั้งไม่สบายจะใจใ จ, จงุดหงิดกับความร้อนทั้งความง่วงมาคือมันมัน ลมเราเข้ามาหมดคือวันแรกเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนเหมือนไม่ได้อะไรเราก็เข็นแต่ความทุกข์ที่เข้ามาพอพอวันที่สองปุ๊บเนี่ยหลวงพ่อก็เริ่มให้เทคนิคว่าจะทำยังไงเราก็ไปปรับเรื่องความร้อนก็เอาผ้าม า, าส่วนความง่วงก็หลวงพ่อก็เริ่มให้เทคนิคเอสเคทวิธีการเดินถอยหลังเดินไปด้านข้างเดินกำหนดลมหายใจ ก็รู้สึกว่าวันที่สองเนี่ยก็ดีขึ้นแต่ว่ามันก็ยังยังทุกข์อยู่ความร้อนก็คือเริ่มเริ่มปรับได้แต่ว่ามันก็ยังไม่ได้ไม่ได้เบาไม่ได้รู้สึกว่ามันไม่ใจเรายังไปยึดอยู่ว่าเอออันนี้ความร้อนอ่าแล้วก็ความง่วงก็ยังมีอยู่ความง่วงก็ยังมีอยู่ก็ ก็อาฝืนฝืนไปวันที่สองแต่พอวันที่สามหลังจากที่หลวงพ่อให้วิทยายุทธเยอะๆขึ้นอ่ะวันที่สามก็รู้สึกเริ่มเริ่มดีขึ้นเริ่มดีขึ้นก็ปรับตัวละเรื่องความร้อนก็รู้สึกว่าใจมันอ่ะไม่ไ ม, ไม่ไม่ต้านใจไม่ทุกข์กับกับความร้อนที่ ที่เกิดที่ที่มันอยู่รอบกายหรือว่าบางทีลมพัดมาเป็นลมร้อนลมเย็นลมอะไรเงี้ยก็ก็รู้สึกว่าใจเนี่ยรับได้แล้วก็พยายามที่จะรู้สึกตัวว่าเวลาร้อนลมร้อนมาลมเย็นมาก็ไม่ไม่ได้ไปยึดกับมันว่าอันนี้ร้อนเย็นพอร้อนก็ไม่ไม่สบายใจจะผลักออกพอลมเย็นก็รู้สึกสบายก็ก็พยายามทําแบบรู้สึกตัวให้ให้รู้ว่าเอออันเนี้ยมันเป็นลม ล, ลมพัดลมร้อนที่เข้ามาพอ พอวันต่อมาเนี่ยก็ความง่วงเนี่ยมันก็ยังมีอยู่แต่แต่วันก็รู้สึกถึงคือเห็นเห็นความง่วงเห็นว่าความง่วงเวลามันจะมันจะมีความง่วงเกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีอารมณ์เคิมมันจะเริ่มเคิมตามันจะเริ่มเนี่ยก็ไปจับได้แล้วโอ้โหถ้าเราจัดการมันตั้งแต่ตอนนี้นะมันน่าจะมันน่าจะช่วยเรื่องความความง่วงได้เพราะว่าถ้าเราเคิมเนี่ยหลงพ่อเพิ่งทราบค่ะว่า มันเป็นความเพลินอย่างหนึ่งนะถ้าเราเพลินกับเคลิ้มเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันหลับเลยหลวงพ่อก็เลยก็เลยแบบพอมันเริ่มเคร้มเนี่ยเราก็แบบสูรลมหายใจสูดลมหายใจลึกๆขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็มันก็ตื่นขึ้นมาแต่ว่ามันก็จะเป็นพักๆนะฮะหลวงพ่อเดี๋ยวมันมาแต่แบบทํำทีๆพอมันเคลิ้มมาเราก็สูตดลมหายใจก็รู้สึกว่าเออแก้ไขเรื่องเรื่องปัญหาความง่วงความง่วงได้ได้ดีไม่ดีก็ก็วันวันอย่างวันแรกเนี่ย เหมือนเหมือนของพี่จินเลยค่ะคือเห็นเก้าอี้เนี่ยนั่งเนี่ยไม่ถึงไม่ถึงหนึ่งนาทีเนี่ยหลับแล้วหลวงพ่อคือนั่งไม่ได้แต่วันแรกนี่เดินตลอดแต่พอวันที่สองที่สามเนี่ยก็จะเดินเยอะหน่อยแต่ก็นั่งได้มั่งก็ความง่วงก็เราเริ่มรู้วิธีว่าเออเราลองจัดการกับมันอย่างนี้ก็ก็รู้สึกว่าเออพอพอเราคือพยายามรู้สึกตัวว่าพอมันเคลิมป้มเนี่ยสุดลมหายใจหรือลุกหรือว่าเช็ดหน้าอะไรอย่างเงี้ยมันความง่วงมันก็หายแต่ ก็มาสังเกตอีกว่าความง่วงเนี่ยมันมาคับไม่ได้ถ้าสมมติว่ามันเป็นความง่วงทางใจนะคะหลวงพ่อไม่ไม่ใช่กายนะมันมาแล้วมันก็ไปอ่ะค่ะเดี๋ยวมันมาเดี๋ยวมันก็ไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไปไปใส่ใจกับมันเนี่ยมันมันก็จะเหมือนกับเราไปเพลินกับมันเพราะฉะนั้นถ้าเรามันมาปุ๊บสูดลมหายใจรู้สึกตัวขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันมันก็จะช่วยเรื่องเรื่องปัญหาความง่วงก็รู้สึกว่าวันสองวันหลังเนี่ยความง่วงเนี่ย มามาน้อยมากอย่างเมื่อวานเนี่ยแทบจะไม่ค่อยง่วงเลยหลวงพอ่อมันจะมีนั่งตอนแรกๆง่วงแต่แบบก็ใช้วิธีนี้ก็ก็รู้สึกว่าเออมันช่วยได้อย่างเมื่อวานนี้ไม่ง่วงไม่ง่วงเลยแต่แบบคื อ, ค, อคือตอนแรกเนี่ยที่ ท, ที่ที่ฟังหลวงพอ่อก็คือหลวงพ่อบอกว่าเดินเนี่ยมันเหมือนผ่อนคลายเวลานั่งเนี่ยมันเหมือนเหล็กที่มันโดนไฟก็ก็อยากเกิดความอยากอยากจะนั่งให้เยอะหน่อย เดินให้พ่อว่าวันแรกมาเดินไม่ได้เลยแต่วันหลังๆแล้วอความม่วงเราน้อยลงละเราน่าจะเราน่าจะนั่งได้เยอะกว่าเดินแต่แต่พอตอนหลังมาหลวงพ่อบอกว่าเอาที่เราคิดว่ามันเหมาะสมสําหรับเราเพราะฉะนั้นมันก็เลยรู้สึกใจมั น, ม, นมันผ่อนคลายว่าเออไม่เห็นจําเป็นจะต้องกําหนดว่าจะนั่งสองชั่วโมงเดินชั่วโมงอะไรเนี้ยคือดูว่ามันอยากจะนั่งคือกายมันคงจะบอกเราว่าเออถ้าถ้ารู้สึกว่า อยางนั่งแล้วมันง่วงมันหรือว่ามีอะไรเราก็เดินเนี้ยมันมันก็เลยเหมือ น, นไม่ได้บังคับด้วยเวลาหลวงพอ่อมันก็เลยรู้สึกเออผ่อนคลายลงอย่างเนี้ค่ะหลวงพอ่อแล้วอย่างเมื่อวานเนี่ยก็รู้สึกว่าความง่วงตอนบ่ายเนี่ยแปลกเพราะว่าตะก่อนเนี่ยปฏิบัติเนี่ยบ่ายีย่จะเป็นเวลาเวลาที่ง่วงแต่ว่าสองสองวันเนี่ยบ่ายไม่ง่วงแต่เช้าเนี่ยจะมีง่วงมั่งค่ะหลวงพอ่อค่ะก็ก็พอพอง่วงหายจัดการง่วงได้ พอได้พอสมควรความคิดก็มาละหลวงพอ่อความคิดก็มาวันวันก่อนหน้านั้นอะก็เดี๋ยวก็เผลอคิดเดี๋ยวก็เผลอคิดไม่ค่อยทันค่ะหลวงพอ่อไม่ค่อยทันบางทีคิดไปจบเรื่องละถึงจะรู้ว่าเออเราเผลอไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แต่เมื่อวานเนี่ยรู้สึกดีขึ้น เวลาเราเผลอคิดเนี่ยเราจะรู้สึกตัวแล้วก็กลับบางทีคิดไปได้แป๊บหนึง่งเราเผลอคิดอะ่ะก็กลับมารู้สึกตัวเราก็กลับมาอยู่กับการเดินจงกรมการยกมือสร้างจังหว ะ, ะอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ก็ยังต้องฝึกอยู่แต่ว่าถามว่าความคิดเนี่ยมันมันก็เหมือนเหมือนความม่วงเลค่ะมันมันความคิดมันมันมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อะหลวงพ่อเพียงแต่ว่าคือมีความรู้สึกว่าเราไม่ต้องไปกังวลเกี่ยวกับความคิดแต่ว่าเวลามีความคิดมาให้เราว่าให้เรารู้สึกตัว แล้วความคิดนะมันก็จะมันก็จะดับไปอย่างเงี้ยคะ่ะหลวงพ่อค่ะก็รู้สึกว่าตต่ตอนที่วัดนี่ได้ได้บ้างแต่ว่าถ้ามันง่วงจัดจเนี่ยไม่ได้ต้องเปลี่ยนเดินจากนั่งเป็นเดินอย่างเงี้ยคะ่ะหลวงพ่อใช้ได้ทั้งคิดทั้งง่วงใช่ไหมคะหลวงพ่อการลมหายไม่ใช่ใช่เราเลืสุดยอกราบนมรสกการหลวงพ่อแล้วก็ พรสงทุกรูปนะคะรวมทัม้ไม่จฉีแล้วก็สตีญาติธรรมทุกท่านนะคะถ้าหนูให้คำจำกัดความจำกัดความของการฝึกครั้งนี้ก็คือสถานที่เปลี่ยนคนเปลี่ยนสถานการณ์ก็เปลี่ยนไปเยอะมากเลยนะคะคือ <c oughs> ด้วยความที่เราเป็นคนต่างถิ่นสิ่งที่ระวังมากที่สุด ก, ก็คือภาพลักษณ์ มาครั้งแรกสุดก็คือเราก็จะระวังในเรื่องของการอยู่กับคนอื่นเป็นคืค่อนข้างที่จะระวังมากแล้วก็รู้สึกรู้สึกได้ว่ามันมันไม่ใช่ในสิ่งที่เราเคยทำพยายามปรับตัวเองให้ให้เป็นคนอื่นคือโดนตั้งแต่วันแรกวันแรกสุดนี่โดนแล้วนะคะก็คือเราก็ไม่รู้คุ้นเคยกับใครแล้วมาก็เหมือนกับคนแปลกหน้า เพราะฉะนั้นเวลาตอนที่ใบเดินจงกลมครั้งแรกก็ไปไปไอ้แรกก็เห็นพี่หุ่นเขาเดินอยู่เอแสดงว่าหลวงพ่อบอกให้มาฝั่งนี้กะ พ, พักแม่ชีก็เดินมาบอก mm. ไม่ใช่อยู่ตรงนี้นะหนูให้ย้ายที่หลวงพ่อไม่ได้เอามาฝึกตรงนี้ต้องย้ายมาทางโน้นแล้วก็ด้วความเคยชินเราเป็นคนอธิบายแล้วก็อธิบายหลวงพ่อบอกชัดเจนอยู่นะคะแม่ชีว่าให้อยู่ตรงนี้นะไม่ไม่แม่มชีแล้วก็ ค่ะค่ค่ะแต่ก็เดินไปสักพักนี่คือความกังวลครั้งแรกเลยแล้วพอเดินไปกับพี่เขาก็เริ่มทยอยเข้ามาเรื่อยๆแสดงว่าต่อมาถูกพี่แล้วกลัวที่สุดก็คือผิดที่ผิดเวลาเพราะฉะนั้นก็ก็เดินวันแรกนะ่ะที่รายงานหลวงพ่อไปเนะ่ะใช่เลยนะคะคือทุกอย่างไม่ให้มีอะไรเกิดขึ้นแต่จําได้ว่าหันไปไปเจอพี่น้องคนแรก เหมือนว่าเราจะอยู่ใกล้ๆ ก, กันพี่น้องเพี่นันกเรียแต่ยังไม่รู้ชื่อนะคะตอนนั้นนะ่ะมองไปแล้วพี่เขายิ้มเขายิ้มอะไรนาะเราต้องคำถามเขาพี่เขายิ้มอะไรย้อยเย้เรารู้เปล่าเรางงนอนหรือไม่นะพี่เขาก็ง่วงเหมือนกันสแสดงว่าพี่เขาให้กําลังใจพยายามคิดบวกขึ้นมาพยายามกระตุ้นตัวเองเึ้นมาอ้าวแสดงว่าพี่เขาคงให้กําลังใจเรา แล้วก็ก็ยังยังติอยู่กับกับคนตรงข้ามอยู่ก็ยังมองกลับไปที่พี่น้องอีกพี่คนนี้ทําไมสวยจัง <c oughs> <c oughs> เดินกับคือมันเล่นได้ประมาณนี้นะคะก็ยังติดอยู่ที่ตรงนี้แล้วสามวันแรกสามพอสามวันนีก่ก็เป็นแก้แล้วหลวงพ่อบอกว่าให้ลองเล่นดูก็คือที่เล่าให้ฟังน่ะก็เราลองก็ลองเล่นดูแบบนั้นนะคะเล่นดูว่าเออเดี๋ยวทําไป เดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปไปไปดูควายบ้างมีจริงไหมก็เล่นกันอยู่แบบนี้ทั้งทั้ง2องวันแต่ใจนะมันบอกว่ามันนานแล้วนะให้ทำเดินก็นานแล้วนั่งก็นานแล้วทำไมไม่พาไปดูสักทีควายนะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปแล้วก็พาไปแล้วเราก็ได้คำตอบมาพอมาพอมาช่วงของของวันที่ ส, สี่หกขึ้นมาสี่ถึงหกขึ้นมา เล่นไม่ได้แล้วค่ะทีนี้นะเพรามันรู้แล้วว่าเราเราเราจะหลอกแบบนี้ทีนี้ไม่เล่นแล้วเอาจริงเลยนะจะทำจริงทีนี้นะทั้งว่วงจะนอนทั้งว่วงจะพานอนบอกแบบนี้เลยนะคะถ้าถ้านอนแล้วถ้าไม่นอนก็คือทําต่อจะบอกกันแบบนี้แล้วถ้าถ้ายังไหวอยู่นะ่ะอายุเยอะแล้วนะ คือบอกบอกตัวเองไปเลยอายุเยอะเลยนะถ้าโหนนี่ผิดไหมเพราะตรงข้างบนมันจะมีหลังคามันจะมีราวขึ้นมานะเราจะโหนนี่มันจะผิดไหมคือไม่สนใจแล้วทีนี้คนรอบข้างนะไม่ส่คื อ, ค, อคือไม่สนใจแล้ ว, วเขาจะคิดยังไงกับเรานี้นะ่ะความเป็นตัวเองเริ่มกลับมาแล้วก็ใช้วิธีโหนนะคะไม่ไหวก็โหนโหนแล้วก็ดืนให้หลับไปเลยหลับไมหมล่นะหามแล้วถ้าไม่หลับก็เดินต่อก็จะใช้แบบนี้ ก็มันหลับไม่ได้มันก็จะมีคําถามเขาพูดออกมาจะหลับได้ยังไงเนี่ยว่าไปยืนโหนใครบ้านที่ไหนเขาจะยืนนอนอลองนั่งนอนดีดีนะนั่งอ่ทางงวงก็นั่งก็นั่งจริงๆก็ไม่หลับนะคะก็ไม่หลับอาถ้าไม่หลับก็ทําเพราะฉะนั้นก็ก็ทําแบบนี้มาเรื่อยๆสามวันถึงหกวันทําแบบนี้มาเรื่อยๆแต่มันมีอยู่วันหนึ่งที่วันนั้นที่คุยกันอะพี่น้องหันหน้าค่ะ หลวงพ่อเนะ่ะติดอะไรไว้หลวงพ่อถามเวลาอะไรไว้ช่วงนั้นเป็นช่วงที่ง่วงมากที่สุดเหมือนมันจะดิ่งเข้าไปคําว่า น, นอนให้ได้นะ่ะตอบก็คือตอบไปเรื่อยๆตอพี่น้องนะ่ะตอบเออๆค่ะไปแต่พราะหลวงพ่อโยนคําถามมาปขึ้นมาเลยนะคะมันสะดุ้งขึ้นมาเหมือนกําลังจะหลับลงไปแล้วนะ่ะตายหลวงพ่อถามมาแล้วก็ตอบไปนะนะคะวันนั้นเป็นทุกอย่างเป็ น, เ ป, นเป็นสัญชาตญาณ น, นะคะในการตอบนะ่ะ แบบไม่มีสติสดงนะคะแล้วทีนี้ก็มาเป็นอีกอีกครั้งหนึง่งเป็นอีกครั้งหนึ่งของวันที่ที่ที่ห้าร่องทางเดินที่ที่เราเกลี่ยวไว้เดินเรารู้แล้วว่าเออล่องนี่เราจะไม่ยึดยึดติดกับกับที่ที่เดินเดินตรงไหนก็ได้เพราะฉะนั้นก็จะก็จะไปช้าหน่อยได้เหลือเหลือที่ไหนก็เดินตรงนั้น จะตั้งจะตั้งใจเอาไว้แบบนี้นะคะเราก็เดินใส่ร่องที่ที่ที่ที่ที่เลือกวันนั้นน่ะมันเป็นหลุมเดินไปจนบ่ายแล้วก็เหมือนว่าเอา้าถึงเวลานะเราน่าจะพักตัวเองก็ในเมื่อมันเป็นหลุมก็เกลีย่ยหน่อยคนต่อไปเข้ามาใช้เขาก็จะได้ใช้สบายเพอเกลี่ยเสร็จแล้วก็เดินเดินได้ไม่ถึงไม่ไม่ได้งานนะคะก็เลยจริงๆตั้งใจจริงๆคืออยากจะนั่งให้มาก เพราะเป็นคนที่ติดเดินแล้วก็เดินได้ด้วยความเชื่อมั่นของเราเนี่คือเราเคยเคยเดินได้จากสามโมงถึงห้าโมงแล้วก็จากกินข้าวเสร็จแล้วก็เดินจนห้าโมงเย็น น, นี่คือเดินได้ไม่ไม่หยุดไม่หยุดไม่เหนื่อยกําลังมองว่ามันคือใช่เพลินไหมพอมาถึงคอส น, นี้ก็เลยปรับปรับว่าเราจะสลับกับการนั่งและจะร่างให้นานกว่าเดินอันนี้อันนี้คือความตั้งใจ พะฉันจะลองไปนั่งไปนั่งแล้วสักพักมันเหมือนง่วงก็เหมือนเราสัญญาตัวเองว่าทั้งง่วงก็นอนก็นอนแล้วก็ดิ่งดิ่งเหมือนวันที่โดนคำถามหลวงพ่อยนคำถามเข้าไปดิ่งดิ่งปึก๊กลงไปบ้บแล้วพอลืมตาขึ้นมาอา้าวดูเราทำไมพี่จิตมาแล้วปากมีกับพิเปิลมาแล้วตรงที่เรานั่งอยู่ดีมันก็แดดส่อง เกิดเกิดเกิดความรู้สึกว่าเราจะเดินตรงไหนนี้น่ะ mm. ก็มันมีลู่ดังเยอะ mm. ก็ไหนว่าจะไม่ยืดติด mm. แล้วก็ตรงนั้น่เราก็บอกแล้วว่าเราจะเกลีย่ยไว้ mm. ให้ใครก็ใช้ก็ได้ตรงนั้นก็หายไปเลยนะคะหลวงพ่อหายไปเลยเราไม่ได้สนใจแล้วก็นั่งทําทํามือต่อแต่มันเป็นการแก้ทางกายก็คือเราต้องชุบน้ำเพราะฉะนั้นผ้าชุบน้ําแล้วคือมีความรู้สึกว่ามันสดชื่นขึ้นแล้ว แล้วก็ทำมือไปเรื่อยๆแล้วมีวันหนึ่งพี่พี่พี่รากเดินมาหาปวดขาโคตรขอยาหน่อยแล้วก็คุยกับพี่รัคุยโดยที่พี่รัมองอะไรแล้วก็หันกลับมาดูว่าเอามือเราเนะ่ะมันขยับแต่ปากเรานะ่ยคุยกับพี่รากแต่มือเราขยับสร้างจังหวะอยู่แสดงว่าเราไม่รู้สึกตัวแล้วนะสะดุดสะดุดแล้วนะคะหลวงพ่อ สะดุดสะ ด, ดุดเริ่มรู้สึกตัวได้แต่ก็ยังทํามือไปแต่ที่นี้เหมือนว่าเราเริ่มรู้สึกตัวแล้วเริ่มชัดเริ่มชัดขึ้นมาว่าเออเซวนะ่ะตอนที่เราทนะําน่ะคุยกับพี่ล้างนะ่ะคือมือเราเพลินไปเรื่อยๆอันนี้คือก็ปรับมาเรื่อยๆก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นสถานที่เปลี่ยนดีทําให้เกิดอะไรขึ้นเยอะแยะนะคะส ต, ติต้องยอมรับว่าโดยพื้นฐานเราเคยใช้ภาษาอะไรก็เป็นภาษาแบบนั้น เปิดประตูออกมาแล้วก็จะหลุดคําคําพูดของของบ้านเรามาเลยมาโดยมือ้อใดเราถามเขานะ่ะน้องเขาหาันหน้ามาดูพอน้องเขาหันมาดูแบบสติกลับมาเลยนะคะอา้าวมันไม่ใช่บ้านเราเราตั้งคําถามผิดพี่พูดอะไรคะน้องก็ถามคนที่อยู่ข้างห้องอู้คําเมืองไหมคะ่าไม่พี่ไม่ได้พี่ไม่ได้อู้คําเมืองที่นี่แต่พี่พูดภาษาบ้านพี่ สถานที่เปลี่ยนนีทำให้เกิดสติอีกแบบหนึง่งเพราะฉะนั้นสถานที่เปลี่ยนคนเปลี่ยนเหตุการณ์เปลี่ยนความระแวดระวังของเราจะเกิดขึ้นเยอะแต่วันแรกนะ่ะเหมือนกับว่า<ม>ค่ะนีใช่ภาษาอังกฤษค่ะปกติก็จะสมว่าเราส อ, สอนเรื่องผลไม้ เราก็จะให้เขาสร้างไม d แบบโดยการคิดว่าผลไม้ตรงกลางเนี่ยมันจะแตกออกไปเป็นอะไรบ้างถ้าง่ายสุดของของเด็กที่เราสอนเป็นปหนึ 1, ่งปสองเราก็จะให้เขาวาดภาพออกมาเลยว่าอันนี้คือรูปแอปเปิลนะแล้วก็เขียนข้างล่างว่าแ<ม>อปเปิลแต่ถ้าเป็นค่ะอีกข้างหนึ่งค่ะหลวงพอ่อถ้าเราระ บ, บุเราระ บ, บุใช่ไหมคะว่าให้วาดรูปแอปเปิลแต่เาวาดต้นขึ้นมาด้วยเราก็จะถามเขาวา่า ทำไมถึงมีต้นให้เขาบอกเราก่อนคะ่ะหลวงพว่อถ้าเขาบอกที่มาที่ไปได้ถ้าเข้าในเกณฑ์ที่เราเออกฟังแล้วโอเคแล้วก็ผ่านไปแต่ถ้ายังไม่ใช่เราก็จะลองต้อมคำถามมาแต่ล่อมให้เขากลับมาให้เขาตอบให้มันชัดเจ น, น <c oughs> <อ>ค่ะอ๋อค่ะค่ะ ในเจดวันที่ทําก็คือก็แก้ปัญหาไปเรื่อยๆค่ะพอกายมันร้อนก็ใช้ผ้าช่วยช่วยได้สักพักช่วยได้สักพักแล้วทีนี้พอวันสุดท้ายจริงๆ ก, ก็เลือกใช้ผ้าค่ะคือเราก็จะลองปรับค่ะหลวงพ่อจะะปรับไ ป, ไปเรื่อยๆว่าเราอยู่กับการใช้ผ้าใช่ไหมที่สื่นลูกค้าเวลาง่วงนอนแล้วผ้ามาลูบหน้าลูบตาแล้วรู้สึกเย็น นั่นคือเราเใช้ถ้าน้ำมันมีมันเย็นแล้วก็จะเปลี่ยนแล้วคะ่ะหลวงพ่อวันสุดท้ายก็จะไม่ใช้ลองไม่ชุบน้ําดูซิ<ม>คืหนหลูก็จะทำมุ่งหลูกันเรื่อเรื่อย ๆ, ๆ, ๆค่ะจะเปลี่ยนเตะเตะให้รู้ว่าตัวเองกาลังเปลี่ยนแล้วต้องการต้องการอะไรต้องการเห็นความเ ป, เปลี่ยนแปลงอะไรถ้าทนไหวก็ทนค่ะเหมือนเดินเหมือนว่าเดินไม่อยากจะเดินอยากจะนั่งแต่เราลองเดินดูก่อนเดินให้มันหนักๆดูซิ ถึงคําว่าสุดท้ายของคํำว่าเดินเนะี่ยไม่ไหวนะเราค่อยกลับมานั่งพอนั่งทั้งว่วงก็คือให้นอนก่อนถ้าถ้านอนหลับก็นอนไปเลยค่ะแต่ถ้าไม่หลับก็ลุกมาทําต่อช่วงเช้าช่วงบ่ายช่วงเช้านี่คือจริงๆแล้วเป็นคนติดเรื่องของอากาศอยู่แล้ว แ ต, แต่ถามว่าช่วงเช้าก็คือเรารู้ว่าเราทำได้ปล่อยเลยค่ะเพราะอากาศมันเป็นใจอยู่แล้วเราเราได้กับมันคืออากาศมั น, มนเย็นแต่ช่วงบ่ายนี่คือเราจะทำช่วงสั้นขึ้นเหมือนว่าเคยเดินสักสามสิบนาทีประมาณนี้นะคะเพอเราไม่มีนาฬิกาเราก็เดินให้มันสั้นลงยี่สิบนาทียี่สิบห้านาทีแล้วก็หยุดตัวเองเลยค่ะคือพ่อรู้เลยว่าถ้าเดินต่อไปเราก็จะเกิดความเหนื่อยอีกสักพเราก็จะเบื่อ ก็เปลี่ยนก็สลับกันไปแบบนี้ค่ะหลวงพอ่อนี่คือวิธีการแก้ปัญหาค่ะช่วงคือทําที่ที่เล่าให้ฟังก็คือมันมีอยู่เช่วงหนึ่งที่เราเราขึ้นมือได้ขึ้นมือได้ต่อเนื่องแล้วเหมือนมันทุกครั้งมันจะไหลนะคะพอพออ่วงหายพาอ่ความคิดจะมาค่ะแต่ทุกครั้งที่คิดก็คือจะจะถามตัวเองว่าคิดไปถึงตรงไหนถ้าทานก็ หยุดคิดเลยหยุดคิดเลยมันจะมีช่วงที่เรารู้ว่าเรากําลังจะคิดเริ่มคิดแล้วค่ะเหมือนเวลาเรากําลังจินตนาการเห็นอ่าสุนัขผ่านมาเราก็เริ่มจะคิดถึงสุนัขที่บ้านแล้วก็จะหยุดให้มันผ่านไปเลยสุนัขมีค่ะแล้วก็จะทําของเราไปเรื่อยๆค่ะ ค่ะก็คือตรงตรงที่ขึ้นมือนี่แหล ะ, ะน่างร้างจังหวะนี่แหละค่ะเป็นอะไรที่เราไม่เคยทำได้นานขนาดนี้นี่นี่คือความความเขาเรียกว่าความเปลี่ยนแปลงจากครั้งก่อนๆที่เคยฝึกครั้งแรกสุดมีแต่ดำดิ่งไปอย่างเดียวไม่รู้วิธีแก้ปัญหาแต่แต่ก็คือปล่อยไปพอครั้งที่สองก็คือเราเดินได้เดินได้ไม่ง่วงไม่ไม่ง่วงไม่เหนื่อย แต่เรามาสงสัยว่าตรงนั้นคือความเพลินไหมพอมารอบนี้เราก็เปลี่ยนเป็นสองอย่างค่ะหลวงพอ่อทํสองอย่างคู่กันเลยวันแรกมันคือตั้งใจจะนั่งแต่พอเรารู้แล้วว่าเรานั่งไม่ได้ไม่ได้นานเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ฝืนตัวเองเราก็จะสลับกันแต่แต่ทุกครั้งก็คือไปให้สุดก่อนค่ะไปเหมือนว่าไปจนสุดของคำว่าเหนื่อยปวดขารู้สึกเลยนะคะ รู้สึกว่มันบีบขึ้นมาจนจนวิ่งมาจนถึงเอวแล้วเราให้มันรู้สึกแล้วเมืมันจะเริ่มปวดช้าๆก่อนใช่ไหมคะปวดที่ขา ข, าข้างล่างขึ้นมาก่อนเริ่มเริ่มตึงตึงขึ้นมาเรื่อยๆพอมันมีของสมัมบุเดินเดินต่ อ, เ ด, ตอเดินต่อจนมันปวดถึงเอวน่ะแสดงว่าเราไม่ไหวแล้วเปลี่ยนขาที่นี้นะเราจะใช้วิธีการแบบนี้ทั้งทั้งหกหกวันคะ่ะที่ผ่านมาจะทําแบบนี้มาเรื่อยๆ ควาจริงในการปฏิบัติเนี่ยหลวงพ่ออยากจะให้ดูโดยการทั้งสามระดับนะะระดับลเอียดขึ้นมาถึงสบายระดับกลางปกองทนได้แต่ระดับหยาบคือถูกไม่ได้นะทีนี้ในภาคปฏิบัติเนี่ยต้องการให้อย่างน้อยให้ทันระดับกลางกับระดับหยาบก่อนที่จะให้มันกลับมาเป็นระดับละเอียดคือสบายเนี่ยสูรติเดินไปจนกระทั่งรู้สึกปวดได้วยนะนะ เราลดลงมันน่อหนึ่งม่สู่ระดับกลางพอทนได้ลดมาอีกนิดหนึ่งระดับสบายทนได้สบายพออทําขึ้นไปใหม่อีกพอเปลี่ยนปั๊บมันก็สบายใช่ไหมพอทําไปสักพักก็ริ่มรู้สึกไม่ค่อยสบายแต่พอทนได้พอไปอีกสักพักหนึ่งจะยาวเท่าไหร่ก็ตามมันเริ่มทนไม่ได้ทีนี้อย่าเพิ่งพิชมาระดับละเอียดนะเอามาระดับกลางก่อนตบอบทนได้ แล้วก็ฝ่าวิธีนี้เอสบายพอนั่งไปสักพักมันก็จะไต่ขึ้นไปอีกนะไต่ให้ดูเนี้ยเป็นร้อยรอบพันรอบหมื่นรอบแสนรอบตรงนี้เขาเรียกว่าดูแบบต่อเนื่องแบบสามัญชานญานะซึ่งตัวเนี้ยเอามาฝึก ด, ดูหลายๆครั้งโอ้จุดนี้คือจุดสําคัญในการปฏิบัติแต่ว่าพยายามที่จะอธิบายให้นักปฏิบัติเท่าไหร่ค่อนข้างเข้าใจยาก ม, มากเพราะเราเคยชินคือปื้ดไปสบายเลยก็ปื้ดไปก็หนักเลยใช่ไหม มันไม่ได้ผ่านขั้นกลางตัวนี้นะ่ะเพราะนั้นครู ล, ลุงมีโอกาสอีกครั้งหนึ่งให้ไปฝึกตัวนี้ให้ได้ด้วยเ <c oughs> ช่อไหมพราเราประเภทที่ว่าจำอะ ม, มาตัวนี้ก็คือจุดนี้เนี่ยพอเสร็จยี่ฟ้ากมาจุดนี้เลยใช่ไหมตัวนี้เองเป็นเป็นข้อกลางที่สําคัญข้อกลางที่สําคัญจะเห็นอ่สองอันนี้มั น, นมคนละขั้วเลยนะเขั้วสบายและขั้วไม่สบายใช่ไหมถ้าสมมุติว่าเราสามารถให้มันผ่านเท่านี้ทุกครั้งก่อนที่มาเป็นตัวนี้เนี่ย มันจะเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งที่เหมือนเครือลมหายใจเข้าก่อนที่มันจะออกมันหยุดนิดหนึ่งใช่ไหมไอเดีข้อกลางเนี้บอกว่ามีไอสารอะไรบางอย่างที่อาจารย์สมพรอธิบายใช่ไหมแล้วก็ผ่อนออกผ่อนออกก็ก่อนที่จะเข้าหยุดนิดหนึ่งใช่ไหมตรงนี้ให้มันผ่านตรงนั้นในทฤษฎีเดียวกันเนี่ยมาว่าอืม เราขาดความแยบคายถ้าคุณไว้จับได้ตรงนี้ความแยบคายจะปรากฏทันทีเลยดัง <c oughs> นั้นการทําตัววิปัสนาแบบเคลื่อนไหวเนี่ยถ้าหากเราได้เห็นตัวนี้บ่อยๆทุกครั้งเนี่ยมันจะไปได้ไหวมากเอามาก็สูงว่านั้นนึ่งนั่งหนึ่งชั่วโมงเนี่ยก่อนที่มาจะเปลี่ยนให้ไปถึงคลิกกันที่นะอยู่ดูนิดหนึ่งแล้วเขาก็ เ, าเปลี่ยนคลิกตรงนี้ยบ่อยเข้าบ่อยเข้าเรียมาเก็ตเลยนะโอ้เช่นะ แต่ว่าเอามาพูดบ่อยมากแต่มีคนน้อยคนมากที่นําไปไปฝึกนะฮะทั้งวันเลยนั่งอยู่ทั้งวันทั้งวันน่ะมันมันแทบจะไม่ต้องทําอะไรมากเลยใช่ไหมเปลี่ยนวปสามระดั บ, ด บ, ดบแล้วอมานั่งอชอบนั่งฟังนะเพอากันฟังหูเป็นศิลปะอย่างหนึ่งเพราะคนะใหยๆชอบพูดใช่ไหมแต่ไม่ชอบฟังแต่พอเรามาจัดคอสเนี่ยเรามีศิลปะในการฟังก็ต่อรายงานนี่แหละ ในช่วงราย ง, งานแต่ละคนจะมีอารมณ์ปั่นผุนไม่เ ห, เหมือนกันเะฉั้นเป็นศิลปะในการปรับอารมณ์เนี้ยเอาความไม่พอใจพีกขึ้นไปแต่การตอบกลับเนี่ยมันง่ายเพราะมันเป็นรูปธรรมใช่ไหมจากหนักที่สูดใช่ไหมพอปรั บ, รบเห็นเนี่ยแต่อารมณ์ที่จะปรับจะมันไม่พอใจเต็มที่แล้วปรับให้มันเกิดความพอใจอย่างรวดเร็วเนี่ยยากนะใช่ไหมที่จะปรับลงลดลงมาอย่างไตงตัวนี้เป็นการบ้านข้อที่สอง การบ้านข้อที่หนึ่งเมื่อกี้จําได้ไหมหนูขอให้อะไรคุณรักทุกครั้งนะถ้าหากว่าความง่วงจัดก็ดีความคิดจัดก็ดีมันไปถึงจุดที่เราแก้ไขไม่ได้นะลองกลัลมหายใจสักนิดหนึ่งนะแล้วมันจะได้คุณอุณหภูมใหม่ขึ้นมาอันนี้วิธีแก้ทางกายนะแล้วทีนี้ทางอารมณ์ที่ว่านี่นะเมื่อมาความไม่พอใจจัดจดที่จะเปลี่ยนมาเป็นความพอใจทันทีเนี่ยมันจะง่ายเหมือนไก่ไหมไม่ง่ายเลยนะแต่มันจะต้องปรับลงมาสักนิดหนึ่งนะลดลงมาถ้าไปดูข้อ เชื่อมต่อทั้งสองสิ่งนี้ได้เนี่ยมาว่ามันจะไปได้ไวมากเลยพราะมามีการวิจัยเรื่อยๆไปกันนะมีการวิจัยเรื่อยๆแล้วก็มานำเข้ามาสู่การกระทําพอการกระทำได้ผลปับ๊บนาไปเผยแพร่เพราะฉะนั้นนี่เรียกว่าธรรมวิจัยะที่เรากำลังทำอยู่นี่นะเพราะฉะนั้นตัวนี้มันจะยั่งยืนกว่าที่เราได้อารมณ์หรือไม่ได้อารมณ์เราเอาตัวได้อารมณ์หรือไม่ได้อารมณ์มาเป็นตัวสนามวิจัยทีหนึ่งแล้วก็ปฏิบัติในตัวมันอันนั้นเป็นตัวมั๊ มันนำไปสู่เเกิดปัญญาใช่ไหมเพราะนั่นตรงนี้สำคัญนี่ฟังครูชัดบ้างวิจัยตัวเองได้แค่ไหนการนมัสการหลวงพ่อค่ะการนมัสการพระคุณเจ้าทุกลูกค่ะสวัส ด, ดีผู้กระาม ท, ทุกท่านค่ะเอ่อชื่อครูชัดนะคะเอ่อจะรายงานในส่วนที่ปฏิบัติในเชิงเคลื่อนไหวนะคะเอ่อปฏิบัติกับหลวงพ่อมาข้อที่หนึ่งที่ครุตติสถาน คอที่สองที่หน้าสอดคอที่สามที่นี่รวมแล้วสามคอสนะคะเนื่องจากตัวเองเนี่ยเดินเจริญสติประฐาสี่มากับด้วยการเดินประมาณเกือบเกือบสิบปีทั้งในรูปแบบและนอกรูปแบบแล้วคิดว่ากำลังสติเราโอเคแต่ที่ได้มาเพราะว่าได้ได้มีโอกาสได้ฟังซีดีในเฟซบุ๊กของคุณนนทกรแล้วก็รู้สึกแปลกใจว่าอุ้ย มีอาจารย์กรรมฐานสอนละเอียดได้ถึงขนาดนี้เหรอ น, น่าสนใจเพราะตัวเองเนี่ย เ, เดินกรรมฐานมาก็จริงแต่ไม่มีวิวปัสนาจานเนึ่องจากเรียนปริยัตดแล้วก็กจะให้มีอบรมกรรมฐานแล้วก็เดินเองอะไร่เงี้ยค่ะออพอมาคลิกดูพระมหาดีเลกตกใจเคลื่อนไหวสิบสี่จังหวะมันแปลกมากเลยแต่ก็รู้ว่าคาสอนใช่ตอนนั้นรู้ว่าคาสอนไม่ใช่ ก็เลยอ่ลองดูเป็นการท้าทายตัวเองว่าเฮ้ยถ้าสติเราคิดว่าโอเคก็ลองมาใช้ดูก็เริ่มเลยที่คารุสติสถานสิ่งแรกที่เจอเลยก็คือพอเริ่มไหวมือมาเลยค่ะความวาง่วงก็เลยแปลกใจว่าเอ๊ะเฮ้ยทำไมมันเร็วขนาดนี้เมื่อก่อนเราเดินเป็นสิบชั่วโมงไม่เห็นเป็นไรเลยอะไรเงี้ยเอาใหม่ตั้งหลักใหม่จนกทั่งเห็นว่า ก่อนจะมีความง่วงนี่มันมีความเพลินก็เลยรู้ว่าอ๋อนี่คื อ, ข, อข้อดีข้อดีของการเคลื่อนไหวมือแล้วก็พยายามแก้ไขก็ยังไม่ได้ดีเท่าไหร่ได้บ้างไม่ได้บ้างพอไปคอที่แม่สอนคอที่แม่สอนนี้เอ อ, อาศัยกรรมฐานที่เราทํามานานเ อ, อสมาธิอะไรเงี้ยด้วยก็สามารถที่จะอยู่ในเ อ, อ การเคลื่อนไหวได้ได้คงที่ยาวนานคือพยายามทําให้เหมือนตอนเดินว่าเมื่อก่อนเราเดินยังไงเราก็เคลื่อนไหวมือแบบนั้นคือใช้สภาวะเดียวกันแล้วเตัวเองนี่จะมีข้อดีอย่างหนึง่งคือจะเป็นคนที่ปรับปรับตัวตลอดเวลาคือปรับยังไงปรับเพื่อให้สัปายะต่อาการปฏิบัติในที่นั้นๆในแบบนั้นๆนะคะก็จะมีความชานาญใ น, ในตรงนี้ก็จะปรับตัวได้รวมทั้งสิ่งที่หลวงพ่อให้มาให้การปรับเปลี่ยนท่าตอนที่แม่สอนเนี่ยจําได้ว่า พอว่วงมาก็เริ่มเปลี่ยนท่าเฮ้ยเร็วขึ้นเร็วกว่าตอนอยู่ที่ที่เารู้สติเยอะเลยอ๋อแสดงว่าเราต้องสังเกตรายละเอียดพอเห็นพอเห็นว่วงมาปุ๊บ ก, ก็ปรับเลยนะคะเราก็จะก้าวหน้าขึ้นอีกสเปกหนึ่งแล้วพอมาที่นี่พอมาที่นี่เนี่ยหนึ่งสองสามวันที่19ดก้าก้านี่อาการก็ยังคงเหมือนแม่สอนก็คือยังมีความเพลินมา แต่ไม่ถึงกับเป็นความง่วงก็ยังตัดเปลี่ยนคือวิธีการยังใช้เหมือนเดิมแต่พอวันที่ยี่สิบเราก็คิดว่ามันน่าจะทำอะไรได้เข้มแข็งกว่านี้ก็เลยนึกได้ว่าเฮ้ยยกศรีสิเออยกสรีให้เหมือนที่เราเคยทำไงก็ยกสรีขึ้นมาให้มันตื่นโพลงแล้วก็กาหนดรู้ตัวเป็นหลักแล้วก็ดูการกระทบการไหวทั้งข้างในข้างนอกดูหมดนะคะคือแค่รู้ดูแค่รู้ แล้วเราก็เห็นว่าอเฮ้ยมันมันมันเจ๋งมากเลยมันมันตื่นขึ้นมาจริงๆก็ใช้อย่างนั้นมาตลอดแต่พอมาใช้ใช้ใช้ในการเคลื่อนไหวมือก็ก็ดีขึ้นแล้ววันที่ยี่สิบอย่างที่รายงานหลวงพ่อไปสิ่งที่เห็นอันอันหนึ่งก็คือที่แตกขึ้นมาก็คือจะเห็นความเพลินมาปุ๊บมันดับทันทีแล้วก็สติมันก็ตื่นโพงนะคะแต่ในส่วนของของเรื่องไอรอนเนี่ยเราเคยทํามาแล้ว คือเอาสติแค่ไปรู้แล้วมันก็จะตื่นพงขึ้นมาเองอันนั้นคือยังไม่ใช่เป็นความรู้ใหม่เป็นความรู้ที่เอามาใช้ซ้ำแล้วยังไมได้ผลเหมือนเดิมเสร็จพออีกวันหนึ่งก็คือเ อ, อ20 21 21นี้ก็คือเรารู้ว่าเราอะ่ะเป็นผู้ใหม่สําหรับการใช้มือยังไม่ชํนานาญเราก็เลยคิดว่าเราจะต้องเพิ่มเรื่องการใช้มือให้มากขึ้นแล้วดูว่า มันจะกลับไปเหมือนเหมือนวันแรกที่เราเจอที่คารุสติสถานหรือเปล่าแต่วิธีใหม่ของเราก็คือก่อนเริ่มต้นก็คือหนึ่งผ่อนคลายสองก็คือยกสติให้ให้รู้ตัวทั่วพร้อมให้แน่ใจแล้วเ อ, อเคลื่อนเคลตั้งจังหวัะเลยปรากฏว่าได้ผลคือเอาอยู่หมดนะคะแล้วก็ผ่อนคลายตลอดเวลาแล้วก็พอวันทีวนวน่วันที่คือเมื่อวานนี้ก็คือได้หมดเลยก็คือถือสําหรับตัวเองถือว่า เราเราชนะเขาสำหรับสหรับตัวเองนะคะเพราะว่าสามารถต่อนเนื่องได้อะไรเงี้ยค่ะแต่ในส่วนของของตัวเองเนี่ยคิดว่าตัวเองคิดว่าที่เราเดินมาถึงวันนี้ได้ตัวเองจะมีแผนที่อยู่สองชุดคะ่ะพระอาจารย์อชุดแรกเนี่ย ม, มีเสือสังวรคือต้องสังวรด้วยศีลตัวเองก็จะระมัดระวัง คือเหตุการณ์เฉพาะหน้าเข้ากรรมฐานอะไรเงี้ยคือจะไม่ให้เสียศีลอันที่สองก็คื อ, อ, อสมรุมอินทรีย์เราก็จะฝึกสมดุบอินทรีย์ตลอดเวลาทั้งในรูปแบบและนอกรูปแบบเพื่อไม่ให้อะไรที่แบบมากระทบแล้วทำให้ใจเราออกจากกรรมฐานไตอันที่สามก็คื อ, อ, อโภชนเนมัตตัญญตาก็คือหมายถึงบ้า เราจะกินใช้สอยก็พอสมควรพอเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติกรรมฐานพอใช้ชีวิตได้อะไรเงี้ยไม่เยอะไปไม่น้อยไปอะไรเงี้ยค่ะคือเอาเอ า, เอาตามกำลังของตัวเองอันที่สี่ถึงจะมาชาคริยานุโยกก็คือเริ่มด้วยสติปัฏฐานสี่คือตัวเองเดินแผนที่มาตลอดเพื่อไม่ให้ตัวเองหลงทางเนื่องจากเราไม่มีครูบาอาจารย์ที่ที่แบบเอามานั่งสอนแบบหลวงพ่อแบบนี้นะคะก็จะเดินอย่างนี้ตลอด พอเราโตขึ้นนิดหนึง่งเราเรารู้อะไรมากขึ้นเราก็เริ่มเอาแผนที่อีกฉบับนึงซึ่งเป็นแผนที่ใบใหญ่ก็คือโอทิปักเคียนธรรม3ามสิบเจดโดยการตรวจสอบกรรมาฐานเราตลอดเวลาแล้วเราพบว่าเออเราก็ก้าวหน้าตามลำดับขออนุญาตรายงานเท่านี้เจ้าค่ะ มันมีการบ้านข้อที่สามน้องเนี่ย น, นะแปลว่าเรามีการบ้านข้อที่สามมีไหมบางครั้งนั่งสบายๆแล้วมันมันอยากจะพลิกอยาจะท่านั่งหรือท่ายืนท่าเดินน่านอนเงี้ยที่สบายๆมันไม่มีเหตุผลเลยต้องพลิกแต่มันอยากจะพลิกเพราะอะไรรูม้มัใช่สังเกตไหมไม่ทุกคนถามทุกคน ไม่มีใช่ไหมคือหมายคขาว่าตับใดที่มันยังรู้สึกอยู่ในอิบทดนั้สบายอยู่จะไม่พลิกเปลี่ยนอะไรไปหาอิบทดอื่นมีมีไมบางคนที่มีใช่ไหมเคยถามตัวเองไม่พ่าอะไร<ส>ใช่ไหม<ส>ตัวนี้นให้สิ่งสาวมากเลยคุณวิชัยตัวอย่างเดียวเือความว่ามันจะติดในความสบายหือต้องต้องขยับขึ้นมายับขยับปีกเลยนะ แต่เขาบอกว่าสมองเรามันมีสองซี่ใช่ไหมซี่ขวาและซี่ซ้ายซี่ขวานี้พ่เป็นไปด้วยต้องการเหตุผลในการกระทําใช่ไหมมีเหตุผลซีกซ้ายนี้ต้องการอะไรนะศิลปะและความผ่อนคล า, ายแบบสบา ย, บายอินเทอร์เทนเมนต์อะไรต่างๆเนี่ยนะเป็นไปได้ไหมว่าบางครั้งเนี่ยมันไม่มีอะไรเหตุผลที่จะต้องพลิกเแต่เราก็อยากจะพลิกเนี่ยมันเป็นคําสั่งของสมองหรือเปล่าหรือเป็นความอยากฮะ <c oughs> นะ มันมันเป็นธรรมชาตนินหนึ่งนะต้องการการผ่อนคลาย ท, ทั้งทั้งที่มันก็ไม่ได้ตึงเลยแต่ต้องการการผ่อนคลายยิ่งกว่านั้นซึ่งบางครั้งเนี่ยเราจะเอาหลักของแผนที่หลักการทั้งหมดไปจับทุกเรื่องไม่ได้นะครูชัตดมันจะไปถูกล็อกในสมองซีขวาไม่ยอมใช้สมองซีซ้ายผ่อ <c oughs> นคลายนะฮะแมหมายก็แผนที่ก็ใช้ประกอบเป็นบางครั้งเท่านั้นเองนะแต่ไม่ถึงกับจะต้องเดินจำนั้นทั้งหมดมใช่ แต่แต่ว่าตัวตัวผ่อนคลายนี่เป็นเรื่องของสมองซีกซ้ายอ่นะแต่ตัวตรวจสอบเป็นสมองซีกขวาน่ะเพราะฉะนั้นมันก็สัมพันธ์กันด้วยเหตุผลนะตัวสอบเพื่อการผ่อนคลายแต่บางครั้งมันอยากผ่อนคลายโดยที่ไม่ทันและตรวจสอบมีไหมตัวนี้แตงหากเทียมมาเป็นควีเช่นขึ้นมาเนี่ยสมองซ้ายกับขวาทํางานสัมพันธ์กันคือต้องการเหตุผลนะต้องการความผ่อนคลายโอเคทํางานแต่บางครั้งต้องการความผ่อนคลายโดยที่ไม่มีเหตุผลมีไหม อันนี้คือสมองชิกไหนเ อ, อเออเออมันจะสร้างรูปแบบบางสันออกมาเป็นเป็นรูปความคิดต่อรปตรงนี้ที่เรียกว่าฉันชาตไยานใช่ใช่ห ม, มสรงรูปแบบมันเนรูปความคิดมันอยู่ีนั่งสอยู่ย้ยเดีย๋ยว <c oughs> เ, เปลี่นยนมันต้องมีมันต้องมีมงจุดตรงนี้ถ้าจับตรงนี้ได้ <c oughs> ไดทันนะนั่นคือ เป็นไงคุณเปิ่นฮะฮะเราไม่ได้ส่ายขยับอ่ะฮะก็ขยับเองแต่ยังไม่ใช่ใช่ใช่ซึ่งความจริงแล้วจะไม่จำเป็นต้องขยับก็ได้ใช่ไหมแต่ทำไมไม่ต้องขยับ เออตรงนี้เราก็ต้องกลอคุยช่นตรงนี้ อ, น อ, อ่าไ็ไไไ ต, ตามเขาไปรู้เท่านั้นเองอ่าแช่ตัวนี้เราจะบอกว่าธรรมชาติทุกอย่างมันอยู่เหนือการควบคุมใน บ, บางส่วนเป็นอ น, นัตตาแต่เราก็ยอมรับว่าถ้าเขา เ, าเร า, าทําทันความเป็นอ น, นัตาตาตรงนี้ได้ก็คือตัวปัญญาเกิดตรงนั้นฮะเพราะงั้นการบ้านข้อที่สาม ไปตามด้วยทันด้วยนะด้วยทนันเอาต่ไปลู้คุณจิตยัการมัดการหลวงพ่อและวพาภิกษุทุกลูกค่ะแล้วก็กราบแม่ชีรวมทั้งพี่พี่นักปฏิบัติทุกท่านเลยค่ะ คือชื่อจิตวารีสันพจน์มณีนะคะหลวงพ่อจะชอบเรียกว่าจิตจริงๆชื่อเล่นชื่อกุ๊กค่ะค่ะก็ไปปฏิบัติกับหลวงพ่อที่แม่สอนะคะจะเรียกคอร์สนั้นว่าคอร์สแกงง่วงเพราะว่าง่วงแบบแบหัวทิ่มหัวปัาง่วงสุดๆเลยเนี้ยค่ะก็ไปไปแกงง่วงที่ที่คอร์สนั้นแล้วก็จากนั้นก็ตามหลวงพ่อมาที่วัดดอยจะเปรียบเทียบว่าวัดดอยเหมือนเหมือนชีวิตจริงนะค่ะ แต่วัดแต่วัดแพรแสงเทียนเหมือนสนามปฏิบัติคือเหมือนกับว่าอยู่ที่วัดน้นก็หลวงพ่อก็จะมีงานให้ทำจากนั้นเวลาว่างช่วงเช้าช่วงค่าก็จะปฏิบัติเหมือนแบบเป็นชีวิตจริงที่เราจะต้องกลับไปใช้ชีวิตอย่างนั้นนะคะที่นี่ก็ฝึกปฏิบัติช่วงวันแรกๆก็มีอาการอยากรู้คือช่วงแรกก็คืออยากรู้อยากอยากจะหาตัวรู้อยากจะว่า ปฏิบัติทำไมถึงแบบไม่ยอมรู้สักทีหนึง่งก็ยังแบบมีอาการหลงหลงงๆเหมือนจะรู้ก็ไม่รู้เหมือนจะแบบเหมือนจะใช่แบบว่าจะพยายามแบบค้นหาว่าเมื่อไหร่จะรู้สักทีหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อก็เลยพูดขึ้นมาว่าอุปสรรคของการรู้คืออะไรก็เลยก็เลยคือใช่เลยสำหรับตัวเองก็คือการการอยากรู้ค่ะวันต่อแล้วก็ตัวเองเป็นคนที่จะเป็นคนที่ปวดฝ่าเท้าง่ายอะค่ะคือเดินเดินก็จะปวดง่ายก็ ต่อสู้ระหว่างความง่วงกับอาการปวดก็เลยขอเรีอกอาการปวดก็คือสู้กับอาการปวดแทนอาการง่วงอะคะ่ะก็คือจะทนเดินมากกว่าจะนนั่งสับประกอกอะคะ่ะจากนั้นวันต่อมาก็เริ่มแบบหาวิธีพลิกเออเรื่องอาการร้อนก็ไม่ค่อยมีปัญหาเพราะปกติก็อยู่กับอากาศร้อนได้อยู่แล้วอะคะ่ะก็อย่างไรวันต่อมาก็เริ่มหาอะไรเล่นเลนก็คือลองยิ้มให้ตัวเอง ลอายิ้มแล้วก็ปฏิบัติดูก็ได้ผลดีค่ะรู้สึกว่าผ่อนคลายอาจจะเอาในแบบบ้าๆหน่อยอะไรเงี้ยค่ะก็ยิ้มๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ปฏิบัติไปก็รู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นนะคะแล้วก็ช่วงวันท้ายๆก็จะมีอาการแบบทั้งฟุง้งทั้งคิดทั้งจิตตกทั้งทุกอย่างมันจะมาแบบแบบปะทะไปหมดเลยะค่ะแล้วมันก็แบบค้างๆแบบคิดเครียดไปหนึ่งก็แต่ก็ก็ปฏิบัติไปทั้งที่มันคิดเครียดแล้วก็หลงๆนะคะ ที่นี่ยค่ะค่ะช่วงทอนท้ายอาจจะเป็นแบบว่าช่วงอากาศแบบว่าอากาศอาการปวดเท้ามันเริ่มทวีความรุนแรงอะค่ะก็เลยแบบว่าอาจจะมีอาการจิตตกเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <Okay. S 1> แต่ก่อนนอนก็จะแบบ <c oughs> หายาหายาทาแล้วก็นอน <c oughs> มันเป็นช่วงถ้าเดินเยอะๆก็จะเป็นเป็นอยู่แล้วอะค่ะ ค่ะแต่ช่วงที่แม่สอดก็จะไม่ไม่ยังไม่ยังไม่เป็นนะคะเพิ่งมาเป็นที่นี่นะคะ่ะเหมือนกับว่าเดินเยอะขึ้ น, นะคะ่ะก็ถ้ามันก็จะง่วงนะคะคือเหมือนกับว่าช่วงอย่างช่วง บ, าวาบ่ า, ายค่ะก็ช่วงช่วงบ่ายก็จะเป็นช่วงที่ง่วงนะคะคือเหมือนกับว่าช่วงที่ร้อนสุด นั่งปุ๊บ ก, ก, ก็จะง่วงแต่มันจะมีช่วงหนึ่งที่สังเกตคือพอเราเริ่มเคลิ้มอะค่ะเคลิ้มเสร็จแล้วมันก็จะมีความคิดคือตอนแรกกาลังควานอยู่ระหว่างความคิดกับอาการเคลิ้มอันไหนมันม า, ม า, มาก่อนกันคือเห็นความคิดชัดมากค่ะแล้วมันก็ตื่นมันก็ตื่นขึ้นมาเลยแล้วก็พยายามแบบมันก็จะปรับสงบไปอีกอะค่ะก็เลยลองลองความลองควานดูว่าคิดหรืออาการเคลิ้มมันม า, มาก่อนนะคะก็เลยแบบก็ยังหาไม่เจอเพิ่งมาค้นเจอเมื่อวานก็เหมือนกับว่า ความมีอาการเคิร์มนะคะ่ะมันจะมีอาการง่วงแล้วก็มีความคิดแล้วก็มีอาการง่วงสลับมาอีกรอบหนึ่งะคะ่ะมันก็เลยแบบเริ่มเริ่มตื่นขึ้นค่ะใช่ค่ะแล้วก็วันสุดท้ายเมื่อวานก็คือเป็นวันที่ดีที่สุดก็ปฏิบัติได้เดินเหมือนแบบว่าเหมือนเราไม่ตั้งใจเดินนะคะ่ะเดินแบบสบายสบายไม่มีความตั้งใจเลยแต่แบบว่ารู้สึกรู้สึกแบบเบาเบาอะคะ่ะเหมือนไม่ได้ทําแต่ยังทําอยู่อ่ะคะ่ะ ค่ะแล้วก็ใช่ค่ะแล้วก็ช่วงเหมือนกับว่ารู้สึกว่าอากาศมันเริ่มเย็นแล้วค่ะพอเริ่มเย็นก็เริ่มแบบเมื่อไรเสียงะระฆังจะมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รอรอเสียงะระฆังจากนั้นก็เริ่มแบบมีอาการกังวลเล็กน้อยแต่ก็พยายามหาวิธีแบบเล่นๆ น, นะคะปฏิบัติแบบเล่นๆทำไม้ทามือนี่ เดินไปบ like er. ้างหาวิธีอะไรแบบแปลกๆทำอะค่ะเพื่อให้แบบเพื่อไม่ต้องรอเวลาค่ะมีเท่านี้ค่ะห้องพ่อจานน้ำมัตสการหลวงปู่เจ้า พระี่สู้ถธกองค์เจ้าและญาติธทําทุกคนเจ้าเจ้ามาจากเมืองนานจ้ะสุนีจ้ะเจ้าบเกได้มาบฏิบัติสักครั้งเลยเจ้าแต่ลูกสาวมาบ่อย <c oughs> ลูกสาวมาแต่เล็กจ้ะยั้งเจ้าแต่เกย์มามาเดินมาขายของแต่แวะวัดทุกครั้งจะมาแวะวัดมาแวะกินข้าวตลอด <c oughs> <c oughs> แต่คราวนี้ต้องมาปฏิบัติอยู่เจ้าแต่มาข้างแรกในกำลังมาข้างแรกเลยเจ้าจะเจ้าเนี่ยอยู่เจ้าทำอยู่ะเจ้าอันมาทำที่นี่แล้วเจ้ามาใน้สองวันแล้วเจ้าในวัด เคยเคยม้ามาแวะกินข้าวเถอะมาปฏิบัติฝึงมาได้สองวันเจ้มาครั้งแรกกับใครลับนั่งไปดูอี้กับลับไปเลยเลับกระป่อยลับไปเลยนะเจ้าหลังตอนบ่ายเนี่ยจะลับลูซึกแล้วลุกเดินเจ้ก็ลุกเดินเจ้า เดิูซิแตลุกเดินเลยเถอะนั่งลาบไปเลยเจ้าลุกเดินนะอ๋อจ่ะจ่ะ ก็มี i ลยแต่อีละเจ้า c ยู่ล้มองนี้้อย่งนอยางน้อยนี้ล้ม่า้มองนี้ล้มอย่างล้มอยน้าน้อย่างนี้ล้ยาลอ่าล้อย่าน้องนี้ล้มง เอาเอาไปเสือมาคุยเป็นเรื่องเวลาเนี่ยได้มามีอะไรรายงานให้เพื่อนฟังเนี่ยไม่พี่เลีพี่สาวก็ต้องอยู่แล้วปฏิบัติคนเดียวมานานแล้วเลยย่านไหนลุกมาบ้านก็ไม่ต้องว่านะั่ดิ่เชาดีสีมาเราก็เต้นตื่นเต้นสุดสัปดาห์เพรันขอขออนุญาตนะครับใช้ไมโคโคนหน่อยลูกหลานได้ ฟังครับายากนะครับหลานไม่ได้ฟังเลยมีก็แต่ข้ามก่อกนนะน้ำมันกากเนย่อและปลาซุ้มซุ้มสวัสดีญาจโจมครับคือปฏิบัติมาเนาะเริ่มจากที่ลูก ล, ลุยจักกับหลวงพ่อตั้งแต่ปี 5-1 แต่เข้าคอร์สปฏิบัติแต่พาะลูกบวช เดดเสร็จแล้วเราก็เออแต่เราไปเรารู้จักแล้วทําไมเราไม่ทําดอกตัวเองเออทีนี้ก็เออตั้งใจทําตัวเนี้ยกินข้าวเย็นเสร็จเนาะเสร็จแล้วก็จะไม่เปิดทีวีเลยกลางคืนอาบน้ําอาบอะไรเสร็จแล้วก็จะเดินจงกรมแล้วก็นั่งสร้างจังหวะจนก็จนประมาณสี่ทุ่มแล้วเราก็จะไปนอนตื่นก็ตื่นตีสี่เออ บางทีก็ตีสามแล้วแต่จิตมันจะพาตื่นทาอยู่อย่างนี้จนเพิ่งเลิกขายของปีที่แล้วเพราะว่าเดินจงกรมอยู่ก็อยู่ๆมันก็จิตมันก็จะถามว่าเออคุณ อ, อายุเท่าไหร่ว่าหกสิบหกหกสิบแปดแล้วหกสิบแปดแล้วคุณจะหาไปนี่คุณเอาไปได้ไหมออพอถึงตรงนี้แล้วเออก็จริงเอาไปไม่ได้ก็เลิกเลยไม่สั่งของเลย ก็ต <không, tôi ăn được> ั้งใจปฏิบัต SO e. ิอยู่อย่างนี้แหละค่ะและทุกอย่างมันก็ดีขึ้นแต่ว่าเราอายุมากเพราะความปวดนี่ทรมานมากต้องนั่งเก้าอี้อยู่บ้านแต่ก็พยายามนั่งพื้นถ้าปวดมากก็ลุกขึ้นมานั่งเก้าอี้เดินเดินทีแรกถ้าเรานั่งพนั่งผาเทียบอย่างนี้มันจะปวดมากเพราะว่า ช่วงก่อนหน้านี้ก็ไปขี่จักรยานตอนเย็นแต่พอเขากำลังทาฝายกั้นน้ามันฝุ่นเยอะเราก็เลยไม่ได้ไปนี่มันปวดมากก่อนนอนก็จะนวดเออพอตื่นมาตีสีเราก็เดินทำอยู่อย่างนี้แหละคะ่ะก็ตั้งใจเพราะว่าบอกกับตาพิคุลกับหลวงพ่อว่าอันนี้คือของดีของวิเศษบอกลูกเหมือนกันเราได้มาแล้วยังจะทิ้ง ตั้งใจทีแรกเราทำได้น้อยต่อไปเราก็ทำได้มากขึ้นมากขึ้นแล้วมันก็ติดถ้าบางวันนะคะรู้สึกเหนื่อยจะเปิดทีวีดูจิตมันไม่รับนะคะอพอเรานั่งดูนี่มันจะกระวนกระวายจิตน่ะเออมันก็ต้องปิด <Yeah. S 1> ลุกขึ้นมาทำแบบนี้อีกหลวงพ่อจ้าเจ้าคะมีแค่นี่นะนไหครับ นะครับีครับผมดูฟุตบอลมันจะไม่มีแล้วฝ่ายแพ้ฝ่ายชนะทุกานอครบั้อทำหมดเลยนะเข้ามาหมดเลยอเข้ามาทางนี้หมดเลยทางอ่าใ้อะไรอาในหอชันะบรจเอ า, เอ า, เ, อาเอาปลาคนะ้ำโขงมาหนึ่งกระปิ้มนะก็มาเลยนะ <c oughs> ไปกินปะารนะเอเ อ, เ, อ, ลนะ อ, นะอเลยลอลยลอ ก็มูทนาไปเสริมมูทนาเพเสริมด้วยนี่เอาน้องสาวเอาหลานสาวเอาลูกนอะไรมาได้หมดเลยนะเอาหมดนะก็มูทนาอส่งมาก็ขอมูทนาทุกท่านนะที่มาทำวิจัยร่วมกันคือต่อไปเนี่ยเป็นมันไปยุคของการ การศึกษาและไปะยุ์ของการใช้ เ, เทคโนโลยีต่างๆถ้าสมมุติว่าเราไม่ทําในระดับวิจัยเนี่ยมันไม่สามารถจะยอมรับความจริงได้คือเมื่อก่อนเั้นมันประยุต์ของศรัทธาโดยการเชื่อครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์สั่งเท่าไหร่ก็าาทํ า, าแต่ไม่ได้พิจารณาถึงไอ้สภาพของตัวเองว่ารับได้ไม่ได้มันก็ฝืนใจทําด้วยศรัทธานะบางคนก็ได้รับผลบางคนก็ไม่ได้รับผล เพราะว่ามันไม่ตรงกับไอ้ไอตามเจดีย์นิสัยหรือกําลังของเรา <c oughs> แต่ด้วยศรัทธาก็ได้ผลระดับหนึ่งสำหรับคนที่มีศรัทธานี่แต่หลังมามันมายุค ข, ของปัญญาถ้าหากว่าเราครูบาอาจารย์ที่เป็นที่จ้างของศรัทธาที่แท้จริงท่านก็รองรับดับหายไปเยอะแล้วใช่ไหมมีครูบาอาจารย์ยุคปัจจุบันนี่ก็ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นที่จ้างของศรัทธาเท่าไหร่มันก็ทําให้เอ่า อะไรนำเสนอเนี่ยจะมีสถามันคงเพราะคนมีเหตุผลมากขึ้นคือเมื่อก่อนเนี่ยเรามีสถาเดียกกันเราไม่ต้องการเหตุผลแต่เมื่อโลกนี้มันจะไม่ได้เรื่องของเหตุผลเป็นลักษณะวิทยาศาสตร์ก็ต้องเปลี่ยนมาเป็นลักษณะของการทําแบบนี้คือทําวิจัยทําวิจัยตัวเองอนะแต่ก่อนที่จะวิจัยตัวเองเก็ต้องมานั่งวิจัยร่วมอย่างนี้กันก่อนแล้วเราก็จะอาศัยอ่าแลกเปลี่ยน ข้อมูลการวิจัยของแต่และคนเนี่ยแก้ปัญหาไม่เหมือนกันถ้าสมมุติเรามานั่งวิจัยอยู่คนเดียวก็เป็นเรื่องคอตรมาใช่ไหมจะยุ่งอาจจะรับไม่ได้เราก็โดยวิธีการมานั่งวิจัยร่วมกันว่าเออคนฉันเป็นอย่างเงี้ยในที่สุดเราจะข้อได้ข้อสรุปเป็นตัวกลางที่มาให้กันบ้านเมื่อกี้ น, นะสามสี่ข้อไม่ใช่ของคอตรมานะแต่สรุปจากทุกคนว่าน่าจะออกมาเป็นแบบนั้นนะเ <c oughs> พราะนั้นสามข้อข้อที่หนึ่งว่าไงนะ เนเมื่อเมื่อมีปัญหาอะไรมันแก้ไม่ตกกันละมหายใจไว้ก่อนฮะเท่าที่จำได้รู้สึกุเทพท่านจะให้ใช้วิธีการนี้ด้วยรู<ช>้สึกเป็นการเรื่องเวลาจิตมันคลุ้นซ่านมากๆเี่ท่านได้นนตั้งลหายใจเพื่อหยุดความคุ้นซ่างจิตตั้งสติดได้หรว่าคือตั้งสติก็ได้นะใช่ครับแลอีกอันนึงคอมเมนต์ที่น้องผู้หญิงเขาบอก เรื่องที่ว่าให้ยิ้มกับตัวเองเลยครับอันนี้มันเหมือนกับว่าเป็นการมองดูเนการลดลดความตั้งใจในการติดั๊บใช่มันจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติเป็นปกติอยู่ที่หลวงปู่เทียนเรียนผมปกติปกติคําว่ารีเซตรีเซตใหม่จะช่วยได้การรีเซ็ตท่านเรียกว่ายิ้มนิดน้อยอยู่ในใจนี่นะเออันนี้อันที่สองข้อที่สองว่าไงนะครับว่าข้อที่สองว่าไงนะอ่า อ่าเรื่องระดับที่การใช้เหตุผลและการใช้อารมณ์นี่นะให้มาเป็นตัวกลางคือพยายามให้ตามรู้ตัวนั้นนะนนะว่าอ่าระหว่างอ๋อใช่ให้ตัวกลางระหว่างว่าความพอใจมันตรงข้างหนึ่งใช่ไหมความไม่พอใจตรงข้างหนึ่งแต่ก่อนที่สองข้างนี้มันจะไหล่หากันนั้มต้องผ่านตัวกลางไปตามหาตัวนี้ให้เจอเ <ไง S 1> ช่อมั้ย<ง>แต่มันไม่ใช่เืเหลือวิสัยนะเรื่องเป็นไปได้ใช่ไหม แต่เราทดสอบจากกายก่อนมันเห็นชัดอะ่ะพ่อเคยให้ผมดูแล้วผมดูปรากฏว่ามันพลิกสถานการณ์เลยจากจากอุธทุกขเวทนาที่เกิดมันกลายเป็นปิติสุขเอกาตาไปโน่นเลยนะครมันได้อารมณ์เลยใช่ไมเราไม่เห็นแต่มันได้อารมณ์ตอนนั้นเลยมันได้อารมณ์ของญาติคนระับเรียนว่ามันได้อารมณ์แบบว่าเหมือนไม่มีตัวอยู่ครับมีแต่ความรู้สึกอย่างเดียวอ่าปิติเนี่ยดูปิติปิติมันค่อยๆดับไปทุกสุขก็ค่อยๆดับไปตรนี้นี่ที่หลวงพ่อเทียนใช่คว่า ทางลัดสั้นตรงในะตรงนี้นะฮะเอาข้อที่สามว่าไงนะอ่ะทาทั้งๆที่ว่าไม่มีเวทนาอะไรบีบคั้นขนาด น, นั้นแต่เราก็อยากจะเปลี่ยนเป็นเพราะอะไรให้ไปตามดูตรงนั้นนะนะทําบ่อยๆแน้คำว่าให้สังเกตให้เจอบ่อยๆก่อนเลาวจะได้คําตอบว่ามันเพราะอะไร มันเป็นสัญชาติยานหรือมันเป็นความต้องการอะไรบางอย่างที่เราไม่สามารถจะฝืนมันได้ใช่ไหมสามข้อจํำได้นะโอเคนั้นคือหัวข้อวิจัยให้เระไปวิจัยต่อที่บ้านนะ ไ, ได้ไม่ได้โอเคเราจะกล่าวข้าวพร้อมกันอนฮะ อะไรออนนี ô, oh, ้ต้องคุยกันยาวเลยนะเดี๋ยวคุยกันหลังใหม่เดี๋ยวคุยกันหลังใหม่ใช่นั่นแหละสำคัญเลยแหละเราจะต้องรีบไปทำอาธิกิจกันเนาะรังสัมาสัมพุทโธพระขวาพุทธังพระาวันตังอาภีวานเดมิ สวาคาโตผะคะวะตาธรรมโมธัมมังนมะสมิสุปาติปันโนผะคะวะโตสาวกะสังโฆสังขังนามามิเดี๋ยวตะข้าวานั่งทานบุษราแล้วก็เรามีอะไรตกค้างเราก็ว่าอีกเท่านี้ทีหนึ่งทิศราที่ฉันทุกวันนะนะไป ออดี๋เกไปเลย